จรารพรท่านสาธุชนพุทธบารสุขฝ่ยายธรรมทุกท่านวันนี้เราก็ได้มาพบกันอีกครั้งหนึ่งเพื่อมาสนทนาธรรมถามตอบคำถามเกี่ยวกับการปฏิบัติทานสีนภาวนาเราจะเริ่มกับพวกเด็กๆ ก, ก่อนราะเด็กบางคนก็อยู่ต่างประเทศเวลาก็เดิอไป กลให้เขาได้พูดก่อนท่านแรกคืนคนีน้ก็คือน้อง NK น้องนักคุณวันนี้นอนแล้วเหรอนองคุณสวัสดีครับเดี๋ยวเจ็บลูกค่ะอาจารย์ค้กกราบค่ะเมื่อ mm. อาทิตย์ที่แล้วที่บอกว่าน้องคุณตกจากอ ะ, อะไรนะคะชั้นหนังสือปรากฏว่าสืบไปสืบมา เขาบอกเขาไม่กระโดดเขาไม่ได้กระโดดมันขึ้นมาเองครับพรุ่งนี้เลยต้องไปเอ i มอรไอครับพระอาจารย์มันกับครับไอหนูมีความโซนหนงรู้เป็นอย่างนี้่วนแล้วก็เจ็บตัวึมาเลยอ่าหนูบอกว่าพระอาจารย์ว่าไงจะทำยังไงนะจะยังไงนะให้กับใช่ไหมครับงั้นอ่ากับครับ พวกนี้ให้หนูไม่เจ็บนะคะอ่ะหนูอย่าซ่อนนะต่อไปนี้เจ็บแล้วต้องจำให้เก็บนะเอาใช่ไหมครับเดี๋ยวเจ็บ huh. อ okay. okay, okay. uh ีกนะครับอันนั้นคุณกลับกลับกรับขพระอาจารย์ครับครับข้ากลับต่อให้ไม่มีอะไรไรแรงครับพระอาจารย์ขอพระอาจารย์ไอ้อนแล้วแต่บุญแต่กรรมนะค่ะ ถ้าถ้าไม่วนมันก็ไม่มีอะไรถ้าวนมันก็เดี๋ยวก็โดนอี <c oughs> แล้วคุณได้ยินไหมคะแล้วพูดแต่เนยะื่อหนาเออโอเค เ, ออ เ, เงินน้ำนะน้ำพูดแต่เยืง่งหนาโอเคครับพูดตเย่อโอเคครับอะค่ะกลบขอบไปคุณขาไปไม่มีอะไรนะ น้ำโอเคค่ะบอกพระอาจารย์แล้วค่ะโอชีค่ะจ อ, อ, อ, อ, อีโออค่ะก็จะจพูดแต่เรื่องน้าค่ะพระอาจารย์โอเคนะค ะ, ค, ะค่ะทตาไปแล้วนะ <c oughs> ที่เลงาฝนฝนกับทีมนะกลับมาพิธกรค่ะพระอาจารย์ทีมย <c oughs> าฝน ค่ะวันนี้พา เ, เดี๋ยวทั้งฝนกับทิมจะมาส่งกันบ้านพราะจารย์นะคะขออน ญ, ญาตเจ้าค่ะะทิมมีคําถามอ่ะส่งกันบ้านกันสิคะที่หนูว่านหนูทาอะไรบ้างอะ่ะภาวนาอะไรบ้างแล้วสวดมนต์อ่ะก็มีสวดมนต์ทุกวันจันทร์อังคารแล้วก็วันพุธครับอ๋อสวดนานาไหมสวดกี่นาทีสวด สวดตั้งแต่อะไรคะลูกสวดตั้งแต่อรหังจนถึงแผ่เมตตาครับเอ่านเปิดหนังสือหรือเปล่าท่องจำได้พอจําได้ละคะ่ะอย่าเปิดหนังสือนะท่องจาไว้เดีวจะได้สวดได้ทุกแห่งทุกคนไม่ต้องถึงหนังสือไปก็สวดตั้งแต่อรหรังสัมมาแล้วก็ไปถึงเออ่ ไตรพุทธาางังสารนังสมาทานสี่แล้วก็อิติปิโสค่ะแล้วก็เสร็จแล้วก็ให้นั่งสมาธิต่ออีก5้านาทีแล้วก็แผน่นเมตาค่ะพระอาจารย์เนยค่ะเป็นการปบบัติที่ดีมีการฝึกฝนให้จิตใจมีความอ่อนโยนมีความสงบมี ค, ความเขาโลกห น, นูมีอะไรจะถามหลวงตาน้างมีครับพูบดเ่าเก สมมติว่าแม่ไม่ให้ดูทีวีวันธรรมดาครับแต่เราแอบ ด, ดูถือว่าเป็นบาปไหมครับก็เฉยว่าเราไม่ทําตามคําสั่งของแม่ถ้านูรับปากก็จะไม่ทําแล้วไปดูนี้ถึงจะบาปแต่ถ้าหนูไม่ได้รับปากแมื่อสั่งถ้าหนูไม่ทําตามคําสั่งของแม่ก็หือ ว, ว่านูขัดขืนคาําสั่งแสดงว่าดือ้อซึ่งมาเทียก คำดื้อของเราอาจจะพาเราไปสู่การเจ็บตัวก็ได้ม แ, แม่บอกอย่าทําแล้วเราไปทำอย่างไมเห็นบางทีมีของร้อนเช่นไฟไฟฟ้าอะไรเนี่แม่บอกอย่าไปจับนจับแล้วเดี๋ยวมันจะชอ็อตถ้าหนูดื้อไปจับเดี๋ยวโ ด, ดนไฟชอ็อตหนูก็เจ็บตัวแต่ถ้าหนูเชื่อฟังคุณแม่หนูไม่ทำหนูก็ไม่เจ็บตัวะหนูไม่ดูทีวีก็หนูจะได้มีเวลามาดูหนังสือะ ดูหนังสือได้ประโยชน์ก่อนดูทีวีสวนมนต์ไหว้าพราได้ประโยชน์ก่อดูทีวีดูบ้างแต่ไม่ควรจะดูมากจนเกินไปทำไมลองาตาเป็นเด็กที่บ้านไม่มีทีวีไม่มีปัญหานนั่อดูอยาจะดูทีวีต้องไปดูของชาวบ้านเขาไปดูที่ร้านขายทีวีร้าน <laughs> ขายทีวีก็จะเปิดไว้หน้าร้านถ้าอยากจะดูก็มายืนดูทำไมนั้นยุคแรกแรกนั้น เพิ่งเริ่มต้นนะยังเป็นขาวดําอยู่นะก็เห็นว่าของแปลกประหลาดสมัยก่อ น, นนะหนูต้องรู้จักประมาณรู้จักทำอะไรอย่ามากเกินไปอย่าน้อยเกินไปนะเชื่อฟังคุณแม่เพราคุณแม่เขารู้ว่าอะไรมากเกินไปอะไรน้อยเกินไปนะผู้ใหญ่ก็ผ่านมาก่อนเราผู้ใหญ่เขาเรียนรู้มากกันาเรา ยัเชื่อคุณพ่อคุณแม่คุณครูนีน่ได้ไประโยชน์ปลอดภัยเพาเขาหวังดีกับเราเขาไม่มีความปรารถนาร้ายกับเราเขนะ้าใจไหมครับอ่าตรงจะจอหาดูยังเปล่าก็ขออนุ ญ, ญาตก่อ น, นถ้าอยากจะดูจริงๆแบครับนะถ้าแม่ไม่ให้ดูแสดงว่าไม่ดีอย่งไปดูชวนมลดีกว่า ทำการบ้านดีกว่าอยูน้องเซอดีกว่าโอเคไหมคะลูกกลับขอบพระคุณพระอาจารย์สิคับสุดครับขออนุ ญ, ญาตค่ะพระอาจารย์ค <c oughs> ุณแม่ขออนุ ญ, ญาตส่งการบ้านค่ะพระอาจารย์่ เนื่องจากวันนี้เป็นวันพระด้วยนะคะก็หลังๆ ห, หนูก็ไม่ค่อยทานข้าวเย็นตั้งแต่หลังเที่ยงก็ครั้งที่แล้วที่บอกกล่าวบอกกับพระอาจารย์หลังๆก็ทําได้ดีขึ้นละค่ะเรื่องการไม่ทานอาหารหลังเที่ยงอะคะ่ะพระอาจารย์แล้วก็วันนี้เป็นวันพระหนูก็เลยทําปฏิบัติบูบชาเหมือนที่ครั้งที่แล้วทาก็ไม่ไม่เข้าเกี่ยวกับการบันเทิงเฟซอะไรทั้งสิ้นอะคะ่ะแล้วก็อ่านแต่หนังสือธรรมะแล้ว วันนี้ไปทํางานด้วยก็ไม่แต่งหน้าเลยค่ะก็ไม่แต่งตัวไม่แต่งหน้าเลยแล้วก็ไปนั่งไปทํางานเวลาทํางานก็ทํางานนะคะเวลาที่ไม่มีงานหนูก็อาศัยอ่านหนังสือธรรมะตลอดเวลาค่ะแล้วก็แล้วก็ตอนช่วงบ่ายก็ฟังธรรมฟังเทศฟังธรรมแล้วก็นั่งสมาธิไปด้วยอะค่ะหลังจากฟังเสร็จครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่หนูนั่งพิจารณาหลังจากที่นั่งสมาธิเอ่อหลังจากที่นั่งสมาธิเสร็จนะคะที่ท่านเทศเสร็จอะคะ่ะหนูก็มานั่งคิดถึงทางปัญญาว่า พอดีคุณพ่อป่วยด้วยค่ะกําลังอยู่โรงพยาบาลแล้วก็คุณหมอโทรมาคุยเรื่องจะผ่าตัดหัวใจแต่ก็คิดว่าคงไม่ทำแล้วค่ะเพราะว่าคุณพ่อก็อายุ82แล้วหนูหนูก็เลยพิจารณาว่าเออมันก็เป็นสมมูลนะคะเหมือนที่ท่านบอกว่ามันเป็นแค่ร่างกายเป็นร่างกายประกอบด้วยดินน้ําลมไฟแล้วก็ทุกอย่างเป็นสิ่งสมมูลนะคะแล้วก็มานั่งพิจารณากายตัวเองว่าตัวเองก็มีแต่หนังหุ้มกระดูกเหมือนกันนะคะวันนี้ก็เลยคิดอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วก็ ตั้งใจว่าอยากจะทําอภอัยทานให้กับคนคนึงด้วยอะค่ะก็เลยพิจารณาเรื่องเกี่ยวกับการอภัยอ่ะค่ะพระอาจารย์ก็เป็นการบุญปฏิบัติที่ดีเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีอยู่ที่ว่าเราจะสามารถรักษามันไปได้เรื่อยๆล่าถ้าทําได้เป็นตลอดก็มีแต่ประโยชน์มีแต่ความเจริญเพราะฉะนั้นเราก็ต้องสามารถระวังบางทีใหม่ใหไฟมันแรงก็รักษาไฟไว้ ไม่จะรักษาได้นาหมพยายามอ่านหนังสือที่ของท่านอยู่อะคะอ่ะถ้าอยู่ที่เราถ้าเราถ้าพยายามรักษา ม, มันเราเคยทําอะไรได้เราก็พยายามรักษาระดับนั้นว่าอย่างน้อยก็ไม่ให้มันน้อยลงถ้ายัางไม่ได้เพิ่มมากขึ้นก็อย่างน้อก็ต้องรักษาระดับที่เราทํามาได้แล้วอย่าให้มันถดถอยหายไปเพราเป็นการกระทําที่ดีมันทําให้จิตใจเรา มีความน้อมเย็นเป็นสุขมากขึ้นไม่มีเรื่องราวที่จะมาคอยก่อนควรจิตใจเราเรื่องเรื่องทางโลกเรื่องทางสื่อนี่มีแต่เรื่องกอบควรจิตใจอยู่ถ้าไม่มีสติก็เป็นบ้าไม่ได้กับกสิ่งที่เราไปสัมผัสรับรู้นั่นก็รับรู้ได้มากแต่เวลาจะดูก็ต้องมีเหตุผลรม่จะดูอะไรเพื่ออะไร เน <Ừ. S 2> ช่นะอะไรจะรู้ข่าวๆมากมือยบ้างดูแคห้านาทีสิบนาทีก็พอจะรู้แล้วภาพหัวข่าวอะไนี้ก็พออ ะ, อะไรทำเรานี้อา ย, ย่าอาศัยสื่อเหล่านี้มาเป็นเครื่องบันเทิงหรือเครื่องฆ่าเวลามาเป็นเครื่องมาฆ่าจิตใจเราทราําลายจิตใจเรายืรนหสือธรรมะควมธรรมะนั่งสมาธิ แลการนี้สลับกับการพิจารณาร่างกายสําคัญไตรลักษณ์ของร่างกายไม่เทียมไม่ใช่ตัวเราเป็นดินน้ำลมไฟเป็นตุกตาตัวหนึ่งเราเป็นผู้รู้ผู้คิดผู้มาครอบครองร่างกายชั่วขาว้าวเดียววันหนึ่งเราก็ต้องแยกกันไปเราก็ดูแลมันไปตามอัตภาพตามตามธรรมชาติอย่าไปฝืนธรรมชาตินะเมื่อถึงเวลามันจะไปมันจะไ ป, ะไปก็ปล่อยมันไปดินว่า ยืดไปก็ไม่เปลประโยชน์รักษาไปมันก็มันก็ไม่อาจจะหายเป็นปกติแล้วกลายเป็นคนเจ็บคนปวดคนไม่มีประโยชน์ทําอะไรก็ไม่ได้ อ, อาณาพระรพุทธเจ้าท่านมีพลานุภาพจิต ท, ท่านก็ยังไม่ไ ม, ไม่พยายามไม่ยืดร่าง ก, กายแปดสิบมันจะไปไง่ายหมดไปหนูก็ไม่ร่ะ กับเรื่องคุณพ่อก็เข้าใจอะค่ะเข้าใจว่าท่านก็อยุเยอะแล้วแล้วก็วันหนึ่งก็ต้องก็ต้องไปอะค่ะหนูก็คือถ้าเป็นก่อนหน้าที่จะพบกระทำอะค่ะหนูก็คิดว่าหนูก็คงทุกข์ใจมากอะค่ะแต่ว่าหนูหนูก็ไม่ได้ไม่ได้ทุกข์ใจแบบแบบที่มันเป็นเท่าไหร่อะค่ะหนูไม่ได้ไม่ได้หมายความว่าหนูอกตัญญูนะคะเพียงแต่ว่าหนูรู้สึกว่ามันเข้าใจอะค่ะเข้าใจในเหตุผลของธรรมชาติอะค่ะว่ามันมันต้องเป็นอย่างนี้อะค่ะพระอาจารย์ เไม่ทุกขใจไม่ได้มาเขาว่าเราไม่รักหรอือไม่มันเป็นเรื่องเรามีเรื่องของปัญญาเรื่องของความเฉลาดที่รู้ทุกไปก็ไม่เกิดมาอยู่อะไรคางคนต้องสแสดงเสรีสร้างตัวทุกข์คนี่ยหลายคนคิดว่าโอ้เรารักพ่อแม่มีการรักของพ่อแม่ไม่ต้องสแสดงอาการทุกข์ใจก็ได้ค่ะอยู่ที่การกระทําเราดูแลท่านดีหรือเปล่าอันนี้สําคัญกว่า บางคนเวลาท่านไม่อยู่นี่ไม่ดูแลท่านเวลาท่านอยู่ไม่ดูแลท่านเลยเวลาท่านตายมาร้องผมร้องไห้หน้าหลอกศพแสดงความเสียอกเสียใจเกิดประโยชน์อะไรใช่ไหมเป็นพวกเล่นละครเล่นละครเวลาเวลาท่านอยู่ท่านต้องการให้ข้าเราดูแลกับไม่มีเวลาไปดูแลท่านพอท่านตายแเราไปร้องผมร้องไห้ที่หน้าร้องมันไม่เหมือนกับเป็นการเสียสร้ง สร้างภให้คนเห็นว่าเวลาก็ตันอยู่แล้วก็รับแม่อะไรทนตายแล้มาร้องหมน้องไห้แต่คนไม่ร้องหมร้องไห้ก็จะกลารเป็นคนกร ะ, กระตันอยู่ไปใช่ค่ะก็แบบตืต่นไม่ได<ม>้ไม่คิดอะไร่ะทางโลกเขาจะมองอย่างงั้นแต่ทางทำเราไม่ได้มองเรนไม่ได้มองที่การกระทำต่อบผู้อบุพการอะไรว่าเราทำอะไรให้กับท่านบ้างหรือไม่ออนอราะนั้นต่างหาก เป็นการแสดงความรักความเมตตาของน้นก็ดีก็เป็นสิ่งที่ดีได้เริ่มต้นในภาษาได้ได้ทํำสิ่งที่ที่ดีขอให้ทําไปเรื่อยๆขอบคุณค่ะพระอาจารย์ก็เดี๋ยวอาทิตย์หน้าหนูก็จะพยายามทาเป็นเป็นอาทิตย์ต่ออาทิตย์อย่างนี้ละคะจะได้มีการบ้านมาส่งพระอาจารย์ได้ทุกวันพุธไดี้ดีจ้าขอบคุณพระอาจารย์มากค่ะโอเคไปที่จะแม่กับญติ จะแม้จะแจ้งี่คระดานุสิกานแจ้งครับอว่าอย่างไงบ้างวันนี้มีอะไรมาส่งบก็ส่งเหมือนเดิมครับอเรามีอะไรบ้างเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะร่วงพน้พนความแก่ไปไม่ได้เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะร่วงพน้พนความเจ็บไข้ไปไม่ได้เรามีความตายเป็นธรรมดา จะร่วงลงความตายเป็นไม่ได้ไดเราจะละเว้นเป็นต่างๆถือว่าเราจะต้องพัดพ่างจากของรักของจเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงเรามีกรรมเป็นของของตนมีมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดงเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตาม ม, มีกรรมเป็นที่เพื่งอาศัยเราทํากรรมอันใดไว้เป็นวนหรือเป็นแบบ เราจะเป็นทายาทคือว่าเราจะต้องได้รับผลของการนั้นๆสืบไปเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกวันทุกวันเถิดดีมากแะวันละหลายหนด้วยยิ่งดีมันต้องการเริ่มวันละครั้งก่อนต่อไปก็พยายามทําหลายครั้งทําเช้าทำวันเย็นเหมือนกินยากินยา น, นี่คือธรรมะ อ, อุศนิรันดรธรรมนะหายเครียดได้ คนเราบางทีเครียดกับความแก่ความเจ็บความตายแต่ถ้าเรากินยา this ก็ไปแล้วมันจะไม่เครียดมันจะยอมรับมันใจจะยอมรับความจริงมันจะไม่ค่อยเครียดนะครับนยินสี่มื้อในวันละสีเวลาเช้ากลางวันเย็นก่อนนอนะทุกครั้งก่อนทุกครั้งก่อนจะกินข้าวพิจารณากินกินธรรมะอุศะก่อนกิครับวันนี้นะ ทุกเมืองนะพิจารณาอย่างนี้ไปทุกเมืองรับวมถ้าอาการสาหรีสองด้วยครับาว่มาม า, <อ>าการสาหิีสองมีอะไ ร, รบ้างมีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อกระดูกปหัวใจตับถุงมือคอเชื่ อ, อใ่เส้นนอนหันไปหันกลิ้งสองสีสั น้ำดีน้ำเฉลดน้ำเหลืองน้ำเลือดน้ำเหนือน้ำมันข้นน้ำตาน้ำมะเหลวน้ำลายน้ำมูกน้ำขี้ข้อน้ำมูดน้ำมูดน้ำขี้ข้อน้ำมูดนเสีวน้ำตาข้น้นน้ำเหลืองน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำเฉลดน้ำดีเพื่อในสมองศีรษะอาหางเก่าอหารใหม่นชน้อยใช้ใหญ่ปอด ไปผังผือตับหัวใจม้าเงี่ยในกระดูกกระดูกเอ็นหนังฟันเล็บขนกาดูภาเมัอย่ังในหนังสือกายกตาเติไปแล้วยังมาวันเอาไปบ้านได้แล้วค่ะได้แล้วเอาไปเปิดดูเหมือนเหมือนนังสือการ์ตูนนะชอบดูการ์ตูนไหมไม่ชอบชอบ อนี่เขาการ์ตูนนั่นเองการ์ตูนทำรรมะครับแล้วเราจะเกิดปัญญาเกิดความฉลาดครับไม่ต้องกลัวหรอกมันไม่ได้ออกมาทําเราเหรอกมันมีอยู่ในร่างกายเราตลอดตั้งแต่เกิดมาไม่กลัวมันทำํำไมอยู่กับมันมา ม, นนมันรับใช้เราเนี่ยไม่มี อาการทาที่สองเราจะอยู่ได้นะไหมไม่ได้ค่ะแล้วไปกลัวมันทำไมปัดค่ะไปเยี่ยมมันต้องทักทายแล้วทำความรู้จักว่ามาเยี่ยมเยียนนะที่อุตสาห์ทาหน้าที่ทำให้เรามีชีวิตอยู่ได้นี่ถ้าพวกเธอไม่ทำหน้าที่ถ้าปอดไม่หายใจถ้าหัวใจไม่ปีบเลือดนีเราก็อยู่ไม่ได้นะดูไมครับ น, นะ เราไม่น่าเกลียดไม่น่ากลัวนะแต่เราไม่สวยงามดูเพื่อให้รู้ว่าร่างกายไม่สวยงามเป็นลาที่เราเห็นใครเขาหน้าตาดีสวยงามเราจะได้บอกว่าข้างในไม่มีไม่มีอะไรหน่าสวยงามครับดีไหมดีครับโอเคใคยคิดจะบวนอะไรกันหรือยังอย่างครับ ออต่ไปถ้าลทางถ้าทางว่าท้าเขาเปิดให้บวชดเนเช่นโรงเรียนผู้รู้นี่ทุกทุกทุกปิดทุกปีเวลาปิดธรรมนี่ก่อนจะป่อยให้เด็กกลับบ้านเด็กม .1 น, นี่เขาจะจํายบวชในสิบห้าวันแล้วก็มา บ, บ, บวชส<า>มทบกับเขาได้ครั บ, บ, บม า, าอยู่แบบเป็นแนร่วบ้างดูดีไหม แ ต, ตอนนี้ยังไม่อนนัอนนี้เขายังไม่มีเพราะตอนช่วงนี้มัตนตั้งแต่มีโควิดเขาเลยล้วงับแบบเป็นโรครงการของโรงเรียนที่จะให้เด็กได้บวดเป็นสามเณรสิบห้าวันเ ด, เด็กมอหนึ่งเด็กที่เข้ามาปีแรกวันจะปิดเทมอมกลับบ้านก็ให้เขาบวดสิบห้าวันก่อครับครับะอาควา ให้เอาไว้พิจารณกั น, กนนะอยทำยังไงมั้นก็แล้วแต่แล้วแต่โอกาสแล้วแต่เหตุการณ์ครับครับโอเคนะพะอาจารย์พรบอาจารย์ได้ใช้ไ ม, มโครโฟนของหมอบีไหมคะเมันเสียงมันเบาเบาค่ะวันนี้ก็เนี่ยกำ้องใช้อยู่เนี่ยมันเบาเลยมันไม่ดังพองไม่ทรบเป็นเพราะอะไรเพราะว่าเราตั้งมันค่อยหรือเปล่ามันมเราก็ตั้งมันสุดๆแล้ว คือเขาจ่วางบราทานจากเราไปเรืองเเราอยากเ่งใกล้หน่อยก็นด้ดังขึ้นไหมดังขึ้นไหมเสียงเมื่เท่าเดิมก็ดังขึ้นครับครับตอนนี้ก็ประมาณอยู่ประมาณเนี้ยประมาณกับออกนิ้วใกล้อย่างใกล้ยังไง เราเป็นเสียงเสียงค่อยอยู่อยด้วยเราเปนพูดแบบสบายสบายเราไม่ค่อยตะแบงไม่ค่อยอะไรก็เลยได้ยินไหมตอนนี้ได้ยินนะได้ยินครับอก็เปิดเปิดวอลลุ่มให้มันสูงขึ้นหน่อยก็ได้ถ้ามันค่อยอ๋อครับอันนี้สุดแลครับอ๋อสุดแล้วใช่ไใช้ไมโครโฟนใช้คอมพิวเตอร์หรือว่าใช้มือถือใช้คอมใช้คอมครับใช้อม อาจจะไปตั้งค่าที่เซตติ้งที่ออเดลดูก็ได้ันมีงบางทีมันมันถูกลดต่ำลงไม่ใช่ที่หน้าจอต้องเข้าไปในเซตติ้งแต่ที่แต่ที่การควบคุมเสียงมันจะมีที่ให้ตั้งโอเคนะมีอะไรไหมไม่ผิไม่มีแลครับไม่มีใบฮอแลนด์ต่อตะวันขออครับอ ตะวันว่ามาวันนี้แค่มีหนึ่งคำถามครับว่าอย่างไรบ้างตอนพระพุทธเจ้าพารามิธานพระพุทิเช้ารู้ยงไงแล้วมันเป็นแค่สามเดือนแล้วก็จะคารามิพานครับก็ท่านเป็นคนที่มีปัญญาท่านรู้ สภาพของร่างกายมันจะอยู่ได้นานไม่นานท่า น, นคอยสังเกตดูตลอดเวลาลท่านก็นพอที่จะคาดคะเนได้ว่าคงไม่เกินสามเดือนแต่ถ้าจะให้อยู่ต่อท่านก็อยู่ได้ท่านก็ต้องพยายามารักษาเพิ่มความเข้มงวดในการดูแลร่างกายอาจจะกินยามากขึ้นหนอาจจะทําอะไรมากขึ้น แต่ถ้าเห็นว่าร่างกายมันก็อยู่ในสภาพที่ไม่ไม่สามารถที่จะทำประโยชน์ได้มากมก็เลยไม่อยากที่จะไปไปยืมมันอยู่แล้วบางทีอาจจะไม่มีกำลังไม่มีกำลังที่จะเทศสอนคนเหมือนที่เคยเทศสอนก็เลยไม่อยากจะอยู่ยไม่ได้ทำคุณทำประโยชน์อะไรัก็เลย อระพุทธเจ้านี่มีมีความสามารถมากกว่าที่เราจะสามารถอคิดได้เช่นตอนที่ท่านเกิดมาท่านก็เดินได้เจ็ดเก้าเนี่ยบานที่เราก็เราก็เคิดว่าเป็นไปได้เงี้ยเดทุกคนเกิดมาก็นอนอยู่ในแหวนบอกแต่ใจของท่านมีพลังใจของท่านมีพลังติดสูงใจนี้เป็นคนสั่งให้ร่างกายทำอะไรต่างๆยัในใจของท่าน มีกำลังพอเกิดมาปรับอาจจะไม่ได้เกิดมาปุบแล้วเดินเลยอาจจะเกิดมาแล้วนอนอยู่พักหนึ่งแล้วก็อาจจะพอมีกำลัง ก, ก็อาจจะลุกขึ้นมาเดินก็ได้บางทีเราไปไวาดพระออกจากท้องแม่ก็เดินออกมาเลยบางทีอาจจะอาจจะต้องพักก่อนเรื่องอก่อนให้มีเวลาได้ตั้งตั้งหลักตั้งตัวก่อนแต่เดินได้เร็วจริงนะเพราะมันอยู่ที่พลัง ของพลังจิตเนี่ยคนเรานี่เวลามีพลังจิตนี่บางทีเวลาไฟไ ห, หม้บางคนขนของของหนักๆที่ไม่เคยขนธรรมดาขนเองขนไม่ได้แต่พอไฟไหม้นี้ไม่รู้เอากําลังมาอย่างไหนมันยกของที่มันหนักขึ้นที่ธรรมดายกไม่ได้ได้เ น, นี่ะคือพลังจิตมันเป็นอย่างนี้อันนก็เป็นเรื่องที่ สำหรับพวกเราปูุ้ชนนี้ก็เรียกว่าอาจินไต่อยู่เหนืออิมเมจินเนชันของพวกเราอยู่เหนือก่าที่เราจะไปค่ดไปนึกได้อจินไตออจินก็คือจินตนาการเหนือจินตนาการอาจินไต่สิ่งที่เป็นอจินไต่เ็เรื่องความสามารถของบทตะยา้านี่แล้วเรื่องของจักรวาลเรื่องของอะไรต่างๆนี้ก็เป็นเรื่องอจินไต่สาหรับพวกเรา มันมันเรื่องใหญ่ตโตเวลานะกวามขวางว่าจิตใจของที่จะสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนเรื่องกฎแห่งกรรมก็อีกอย่างก็เป็นเรื่องอจินตายแล้วเรื่องการเข้าฌานรูปประชา น, นัยพวนี่ก็เป็นเรื่องอจินตยสำหรับคนที่ไม่เคยปฏิบัติตาม งั้สิ่งในที่เราไม่รู้ก็เราก็เชื่อไว้ก่อนก็แล้วถ้าถ้าพูดคนที่พูดเป็นคนที่น่าเชื่อถืออย่างพระพุทธเจ้าอย่างพระอริยสงสาวกนี่ถ้าเป็นคนที่น่าเชื่อถือนั้นพูดอะไรก็จะเป็นความจริงนั่นนั่ก็ถามได้อยากจะถามก็ถามได้อาจจะไม่ได้คําตอบเพราะไม่รู้ คุณแม่มีอะไรหมคุณแม่ไม่มีข่าวประจันแล้วยังตะวันมีอะไรก็เปล่าเออแค่คำบ้านยางเยอะจงการจงการบ้านมีอะไรการบ้านมันพิเศษหรไม่ได้ส่งเอาไหมเอาสองจงทำแวไม่าำทำไมไม่มีคาถามกรโอเคถ้าไม่มีอย่างก็แค่นี้ก่อนนะ <ด> <Okay. S 2> อเคอาจารย์อนุญาตให้มีมีเป๊ปป้ากับมัมกับคุณแม่เขานะฮะอยู่ข้างล่างเนี่ยเอ่อเป๊ปป้าเข้ามาแล้วว่าปก่อนเนาะเป๊ปป้ า, ป น, ป า, าน้ำมะสะคะลุงตาเออว่ามามีอะไรบ้างมีอะไรอยากจะถามหรือเปล่าสาธุคะลุงตาอืมมีอะไรจะรายงานหรือเปล่า เขาเขาจะคอโทษพระอาจารย์ค่ะที่เมื่อวานเขาพูดกับพระอาจารย์ไม่พอค่ะที่เขาถามว่าเท about you เนี้ยค่ะก็ไปเรียนกับฝรั่งไปอย่างเงี้ยฝรั่งก็ไม่มีไม่มีสอนเรื่องความเคารพก็ถือว่าทุกคนเท่ากันหมดไมยคือถ้าถ้าปกติเวลาที่เหมือนอย่างถ้าเขาคุยกับใครอย่างเงี้ยค่ะก็จะให้เขาแบบก็จะใช้คําว่ามัมมีแทน แต่ไม่ใช่คาําแต่ไม่พูดอยู่กับมามีเงี้ยค่ะ mm hmm. ก็เลยบอกว่าถ้าคุยกับหลวงตาก็เหมือนกันจะต้องดับขาเอาเบาหลวงตาไม่ใช่ว่าหาเอาเบาอยู่อืมก็ไม่เป็นไรถ้าเราถ้าเราทําไปโดยเราไม่รู้เราไม่ได้ตั้งใจก็ไม่ไม่เสียหายอะไห น, หน mm hmm. ก็เรียนรู้ไปเรายังเด็กอยู่ยังมีอะไรอีกหลายอย่างที่เราไม่รู้เรื่อง mm hmm. ก็คอยฟังคุณแม่ก็แล้วกันค่ะคุณแม่บอกอะไรก็ให้เชื่อน ดีไหมแล้วก็จดจำว้แม่บอกให้ทำอะไ ร, ะไรกรูดเลย็จดไว้นะจังจังเขียนอันนี้อยู่ค่ะพอาจารย์ยังมองไม่เห็นอา่ออาะม่ะคุณผู้ชม้้้ ลองเข้ามาเดี้ยวเราลองปิดวิวไปดูจรธรรมนําใจสามสิบสองเขาเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะเหมือนกับเขียนจากหนังสือเนี่ยค่ะคือเขาเขาเป็นคนชอบเขียนค่ะอาจารย์เขาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวเขาว่าจะเขียนไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยแล้วมันจะช่วยให้เขาแบบใจเป็นคนใจเย็นได้ไหมได้ได้เขียนต้องมีสติมีสติมีสมาธิ ใจก็จะเย็นลองเขียนมายถึงเขียนทั้งกันทั้งหน้าอย่างนี้เลยเขียนใช่ค่ะเขาจะชอบเขียนไปเรื่อยๆดีลองเขียนไปอุ๋งตาค่ะอุ๋ตารู้จักบุ๋งตาชรนไหมอ่ะเขาอุงตาชรอยู่ที่ไหนอ่ะ ค่ะอาจารย์ชยยะสารโลค่ะพอดีวันก่อนเขาไปกราบมาแล้วเขาอยากถามว่าลุงการู้จักไหนที่อยู่เขาใหญ่ใช่ไหมใช่ค่ะก็ไม่เคยเจอตัวท่านแต่ก็เห็นเห็นท่านในเฟซบุ๊กอยู่แล้วก็เป็นฝรั่งค่ะอ่าเป็นฝรั่งท่านก็เก่งะท่านมีชื่อมีเสียงท่านชอบสอนเด็กเหมือนกันนะใช่ค่ะสิลัช โอเคกระิบก okay. oui> yep ั้โอเไหมเด็กๆไปกราบท่านบ่อยไหมไปกราบท่านบ่อยไหมไปไปบ่อยค่ะไปบ่อยเป็นรู้จักกันถ้าที่ไปปฏิบัติธรรมก็ไปปฏิบัติกับท่านมาค่ะอือที่สามวันส uh uh uh ี่คืนที่ไอ้สี่วันสมคืนที่บอกอาจารย์เมื่อวานอ่ะอืมที่วัดเขามีจัดให้เด็กๆทำเลยค่ะเขาถ้าเป็นวันเสาร์อาทิตย์ก็จะเป็นเด็กๆไปค่ะแต่ว่าที่ที่ที่หนูไปมาก็คือ เมื่อวันแม่เนี่ยค่ะวัดวัดของท่านได้รับญาญโญมีที่พักให้ญาญโญอยู่หรือมีค่ะถ้าถ้าเขาจัดเป็นโครงการนะคะถ้าไม่ถ้าไม่มีก็จะเป็นไปให้ฟังธรรมแล้วก็ปฏิบัติธรรมช่วงเชาา้านัดอีกค่าจ้ะแต่มีที่ให้เราพักได้ถ้าเราถ้าเราอยากจะพักค่ะแต่มีต้องจองที่พักก่อนใช่ไม้มใช่ค่ะ เอาอะไรมาเนี่ยตุ๊กตาเอาไปจากว้ทัง้งแบบนี้ตัวนี้ได้จาล้วมัม้งยังไงไนดะ้กอนตุต๊กตาแล้วสบายใจหมสบายใจค่ะอ่าโอเคต้องหัดไหวพ้พระสวนบนด้วยนะก่อนนอนอไหวพ้พระสวนบนอกอบพระกอบพรกอบพ่อกอบแม่นะแต่พ่อหนูไม่ให้สวดอ่อคะ่ะถ้าไม่ให้สวดก็ไม่ต้องสวด นั่งสมาธิไปพุโทโธไปในใจส่วนไปในใจเขาไม่รู้หรอกส่วนในใจได้ไหมส่วนย่าออกเสียงได้ได yeah. <Yeah>. so. ้สำรับส่วนในใจเขาก็ไม่รู้ว่าเราส่วนนะี่ดีไหมลองทำํำดูไปละก่อนนอนก่อนนอนแล้วก็สวดไปในใจ รจกอนน okay. okay. okay. ี้แค้ใจร่มอาอมากยคจุดประอมีมีหนึ่งคำถามมีหนึ่งคำถามค่ะอาจารย์อยากถามว่าว่าหรือชอบเศร้าอ่าเป็นธรรมดาใจของหนูยังไม่ยังไม่มีสติมากก็เลยบางทีใจก็สร้างความเศร้าขึ้นมาเอง บางทีก็สร้างความความสุขขึ้นมาเองบางทีก็สร้างความเศร้าขึ้นมาเองอยายน้องต้องฝึกสวดมนต์เยอะยะเวลาหนูเศร้าหนูก็สวดมนต์ไปแล้วการสวดมนต์นี้จะทําให้ความเศร้าหายไปได้นะจำไว้นะเวลาเศร้าก็สวดไปสวดมนต์ไปภายในใจก็ได้ไม่ต้องให้ใครรู้ว่าเราสวดมนต์อยู่รู้สวดแต่คําว่าพุทโธคําเดียวก็ได้จะสิ พุทโธ o s พุทโธพุทโธ like six time yeah แค่นี้ต้องต้องสวยไปเรื่อยๆยังกว่าความเศร้า่ะหายไปอืต้องสวยไปเรื่อยๆยังเศร้าก็สวดไปพุทโธไปพุทโธไปเรื่อยๆโอเคครับีอะไรไค่ะค่ะพอาจารย์ขอบคุณคโอเคบายบาย หมดนะใช่ไม่เด็กๆไปที่อาจารย์คุณหมอสุทธาเสนยันปฐุมธานีสมสรักการท่านพระอาจารย์เจ้าคา่ะไม่มีคําถามเจ้าคา่ะท่านพอาจารย์อันนี้โรคภัยไข้เจ็บเป็นไงนนหายแล้วไหนแล้วเนี่ยว่าคุณหมอน้าตรวจเดือนหน้าเจ้าคาน้าเดือนหน้ า, าคารับแต่ไม่กังวลนะไ ม, มนะไม่มีตกนะไม่มีตกเจ้าค่ะ อะไรจะเกิดก็เกิดนะไม่ใช่ตัวเราของเรานะเราักทางาเราก็ดูแลมันไปโอเคใช้ธรรมะสวรักษาใจควบคู่ไปกับการใช้ยารักษาร่างกายจิตใจเป็นปกติมีความสุขดีเจ้าค่ะโอเคนั้นนันนสำคัญกว่าเพราะจิตใจยังต้องอยู่ต่อหลังจากร่างกายตายไปแล้ว การต้องรักษาจิตใจมีแต่ความสงบมีแต่ความสุขมันจะได้ไปสบายไปดีนะค่ะกลับขอบพระคุณท่านพระอาจารย์เจ้าค่ะโอเคต่อไปนี้คุณ บ, บออพิเชษคุณหมอกล่าวในมรสการพระอาจารย์ครับขอความเมตตาพระอาจารย์ได้อธิบายจิตที่มีอุเบกขาครับอาจารย์ ก็จิตที่สงบไงจิตที่เข้าสมาธิได้ก็จะเป็นจิตที่มีอุเบกขาเห็นไหมว่าอุเบกขาที่ได้จากสมาธินี่มันจะไม่ยาวมันไม่ยั่งยืนไม่ถาวรออกจากสมาธิมาอุเบกขาก็จะค่อยๆจางหายไปเวลาไปสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสเวลาไปกินเรื่องราวต่างๆมันก็ทําให้เกิดอาการนั่ชังโกหลงขึ้นมาได้ ถ้าอยากจะให้มันแล้วออกมาแล้วอุเบกขาให้ไปถ้ายัางใช้ปัญญาไม่เป็นก็ใช้สติกับเข้าไปในสมาธิใหม่พยายามกลับเข้าไปสมาธิบ่อยๆ อ, ออกมาแล้วพอใจเริ่มร้อนใจไม่เป็นอุเบกขาวางเฉยแล้วก็กลับเข้าสมาธิไปเพื่อให้มันทํานานจนเราสามารถเข้าสมาธิได้ทุกเวลาที่เราต้องการแล้วต่อไป เราก็มาฝึกใช้ปัญญารักษาอุเบกขาเนวลนะาออกมาจะออกมาจากสบาีิพอมีเหตุการณ์อะไรมาเขย่าใจทำให้เราอุเบกขาเสื่อมไปเราก็ใช้ปัญญามาพิจารณาว่าสิ่งที่ทำให้ใจอุเบกขาเราเสืม่มก็คือกิเลสเนี่นะความโลภความอยากต่าง เราก็ต้องพิจารณาว่าสิ่งที่เราโลภเราอยากมันเป็นไตลยแล้วมันเป็นสิ่งที่เราห้ามไม่ได้ควบคุมบังคับไม่ได้มันเป็นสิ่งที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาถ้าเราปอหยไดง่ายมันเวลามันเปลี่ยนไปมันหมดไปมันก็จะทำให้เราทุกข์ไม่สบายใจก็ให้เรามาหยุดความอยากต่างๆอยากที่เวาโลภอยาก ก็บอกเที่ยวมันก็สุกเนดียวเดียวเนดะีวกลับมาบ้านมันก็หมดไปถ้านะพอไม่ได้เที่ยวก็จะเศร้าจะเสื่อมเศร้าพิจารณาว่าอย่าไปทําตามความอยากเพราะสิ่งที่อยากมันเป็นของที่ไม่เที่ยมเป็นความสุขชั่วคราวเวลาได้ก็ดีใจเวลาหมดไปก็เศร้าใจใจนะพอพอหยุดความอยากได้ใจก็วางเฉยได้ ใจก็เป็นโอเบคาไม่ต้องไปหาอะไรมาให้ความสุขกับใจอยู่เฉยๆก็มีความสุขนะ ต, ตอนเบื้องต้นต้องฝึกฝึกสติให้จิตสามารถนิ่งสงบหยุดคิดได้เข้าสมาธิได้ก็จะมีโอเบคาเกิดขึ้นก็ถ้าอยู่ในสมาธิได้นานเท่าไหร่โอเบคาก็จะมีกำลังมากขึ้นดังนั้น เราจะสมาธิมามันก็จะอุเบกขาก็จะอยู่ได้นานแต่ถ้าข้าสมาธิได้แป๊บเดียวออกมาอุเบกขาก็ออกมาแป๊บเดียวก็หายไปอย่าตอนขั้นต้นแร้วขั้นแรกนี้เราต้องฝึกสมาธิให้มากๆเพื่อให้จิตเราเข้าไปในสมาธิได้นานอยู่ได้นานออกมาก็จะมีอุเบกขาติดออกมาได้นานแล้วก็พยายาม ใช้ปัญญาด้วยก็ได้เวลาเกิดความอยากก็ว่าอยากอยากก็ทุกข์นะอยากไปเที่ยวเดี๋ยวทุกข์นะเวลาได้เที่ยวก็สุขเวลากลับมาแล้วไม่ได้ออกไปเที่ยวเห็นก็จะทุกข์นะเพราะทุกอย่างมันเป็นหนุนยาเสพติดเนี่ยพอเราได้แล้วเราจะติดมันเวลามันไม่มีมาแล้วเราก็จะทุกข์เนี่ยเราอยากไปเสพอะไรนี่บ่ เสพน้ําเสพ ก, กินแล้วก็เหมือนกับไปเสพยาเสพติดอันนี้คือปัญญาม อ, องเห็นว่าทุกอย่างมันเป็นทุกข์เพราะว่ามันเป็นของชั่วคราวเป็นของไม่เที่ยมของเกิดแล้วดับเป็นมีการเจริญแล้วเสื่อมหรือเป็นต้นอ้ามเห็นด้วยปัญญาว่าทุกอย่างเป็นของชั่วคราวก็ เห็นวความชื้เป็นชั่วคราวอมันมันก็จะทำให้เราทุกเวลามันจากออกไปยันเราอย่าไปอย่าไปอาศัยมันให้ความสุขกับเราดีกว่าหยุดความอยากแล้วโมเบนต์ขาก็จะกลับมาความสงบความสุขใจก็จะกลับมาแล้วก็จะอยู่อย่างเทาอ่อนต่อไปความอยากตัวนั้นก็จะหมดปัญหาไปกับเรื่องนั้นก็จะไม่มีความอยากกันเรื่องนั้นอีก แล้วก็หยุดความอยากไปเรื่อยๆถ้ายังมีความอยากอยู่ก็ใช้ตายรักนี่เอาไปความอยากที่มีอยู่ในใจมันก็จะหายไปหมดใจก็จะอยู่เฉยๆโ ด, ย, ดยที่ไม่ต้องเข้าสมาธิแต่ใจก็จะมีอเุเบกขามือนอยู่ในสมาธิสามารถคิดเรื่องราวต่างๆได้แต่จะคิดในเรื่องราวที่ไม่ไปทําให้เกิดความอยากขึ้นมา ที่ไปนในทางใล้วเที่ยงไม่เที่ยนเป็นทุกเห็นอะไรก็เป็นทุกทั้งนั้นความอยากก็ไม่เกิดเมื่อไม่เกิดใจก็เย็นสบายเราจะเข้าใจแล้วนะเข้าใจมากขึ้นเลยครับอาจารย์ <Okay. S 2> รขอบพระคุณครับอาจารย์ไปคุณทิศตีมา นอนเมือมกับน้องชกาาค่ะพระอาจารย์วันเกิดนี้ไม่ได้เข้ามานี่เข้ามาหรื่าไม่ได้เข้าค่ะไม่รู้จะพูดอะไรนะใช่ค่ะเข้าไปฟังอย่างเดียวค่ะส่วนใหญ่เรียนภาษาอังกฤษเหรอก็ฝึกฟังด้วยค่ะพระอาจารย์อยากเรียนรู้ธรรมภาษาอังกฤษด้วยอ๋อพอจะพอจะจําคําสํามบางคำได้หรป่าพอพอพอฟังออกบ้างค่ะ พอจำได้บางค่ะโ <Okay. S 2> อเคมีอะไระวันนี้ไม่มีค่ะแต่ว่าหนูยังเือสินแปดอยู่นะคะพระอาจารย์แล้วก็ปฏิบัติทุกวันนะคะอ่าดีรักษาไว้ของดีของวิเศษนะค่ะมีคนค่ายิ่งกว่าทรัพย์เงินทรัพย์สินสมบัติเงินทองค่ะเพราะสินนี้จะรักษาใจให้สงบไม่ให้ทุกข์ได้ค่ะ ใจเงินทองนี่กลัจะทำให้ใจทุกข์เพระาะว่ามีแล้วก็พอมันมันมันไม่มีมันก็จะทำให้เราทุกข์งั้นอย่าไปอาศัยเงินทองในความสุขกับเาอาศัยการรักษาสีในความสุขกับเราดีกว่าหิวก็อดได้ทนได้ไม่เดือดร้อนค่วามมีเงินทองนี่จะไม่มีความอมดทน พอเห็นว่าต้องซื้ อ, อางเดียวค่ะรอาจารยา์พอไม่มีกงินทางก็จะเดือนร้นอนค่ะพยายามฝึกไปนะได้ค่ะขอบพระคุณค่ะฟระอาจารยา์พระอาจาร์ค่ะนยังไงคะอ่าโอเคไปที่ชายน้าฏอุตสการเป็นยังไงก่ะมาฟังคำคาถอาจารย์ปฏิบัติทุกวันค่ะอันนี้ร้านยังเปิดอยู่หรือว่านี่ ปิดค่ะอะปิดแล้วอค่ะเห็นตุยาอยู่คนเดียวที่นั่งอยู่ตรงนี้ตลอดค่ะค่ ะ, คะอาจารย์โอเคสาธเห็นไปที่คุณจุกโกเบยุอยู่ที่โกเบก ร, รับนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะเปยังไงบ้างหนูก็ปฏิบัติอยู่สม่าเสมอค่ะแต่หนูไม่ได้หนูไม่ได้นั่งสมาธิ แบบเป็นนั่งอย่างเงี้ยค่ะหนูฝึกสติค่ะช่วงนี้หนูฝึกหายคายายใจเข้าพูทธหายใจออกโทแต่บางทีมันก็คิดบ้างตอนนี้เริ่มนับเป็นเริ่มมานับป่ะคะพระอาจารย์หายใจเข้าพูทธหายใจออกโทแล้วนับหนึ่งพูทธแล้วก็โทนับสองจนถึงสิบแล้วเริ่มมานับหนึ่งใหม่อย่างเงี้ยค่ะก็ช่วยได้เยอะแล้วค่ะก็นับไปจนกว่าใจเริ่มนิ่งแล้วก็หยุดนับแล้วก็ดูลมเฉยๆต่อไปได้ไหม จะหนูจะลองดูค่ะตอนนี้นับนับอยู่อะค่ะต้องนับก่อนเพราะถ้าใจมันไม่มันไม่ยอมหยุดคิดก็ต้องใช้การนับการทำพอยุดเหมือนกับการสวดมนต์เนีค่ะแล้วแต่ควรจะเมื่อมันถึงจุดรู้สึกว่ามันมันเบามันเย็นมันสบายมันมันไม่ดิ้นแล้วก็ลองหยุดหยุดนับหยุดทำพุทโธแล้วก็ดูลมเฉยๆก็ได้ลมอ่ค่ะ เจ้าค่ะหนูจะเอาไปปฏิบัติเจ้าค่ะเพราะถ้าโมเลนรับโมเดลพเท่ามันก็จะมันก็จะเข้าลึกไปก่อนนั้นไม่ได้อ๋อใช่เจ้าค่ะมันมันเหมือนเพ่งนับแต่เลขนั่นนะคะมันต้องหยุดเพ่งต้องต้องดูเฉยๆต้องรู้เฉยๆะยุดคิดหยุดคิดค่ะหนูจะพยายามเจ้าค่ะพระอาจารย์โอเคมมีอะไรไหม นอกจากนี้ก็ไม่มีแล้วค่ะพระอาจารย์คำถา ม, มาค่ะโอเคพยายามปฏ <ขอ S 1> ิบัติไปเรื่อยๆนะจะพยายามเจ้าค่ะกล<อ>บาที่นโมนโมกลับมาชื่อเดิม <c oughs> ลนะายจิตห้ายใจแล้วกันขอาคุณบขอบใครับพระอาจารย์พอดีว่าเวลาเข้าครับพระอาจารย์มันบางที มันไม่ทันได้เปลี่ยนชื่อครับเพราะว่าเหมือนกดลิงก์เข้ามาเพราะนั้นมันก็จะเหมือนเข้ามาให้เลยอย่างเงี้ยครับแต่เวลาที่เข้ามาแล้วก็จะไม่สามารถเปลี่ยนชื่อได้แล้วอย่างเงี้ยครับ mm hmm. เดี๋ยวคราวหน้าเข้าแบบใส่รหัสแล้วกันครับจะได้เปลี่ยนชื่อได้ mm hmm. มีอะไรมั้ยวันนี้วันนี้มารายงานผลการปฏิบัติแล้วก็มีเรื่องอยากจะมาสอบถามครับอาจารย์ก็ในส่วนของการปฏิบัติก็พยายามที่จะมีสติอยู่ให้ได้ให้มากที่สุดซ่อมเขื่อนของตัวเองให้ได้เยอะที่สุดครับก็ทาให้เรากโกรธน้อยลงครับแต่มันจะมีตัวบางตัวเช่นความน้อยใจอย่างเงี้ยครับอาจารย์คือ บางทีเราเหมือนพอเราปฏิบัตินะครับอาจารย์แล้วคนที่เขาเห็นเราที่ยึดมั่นในศี่ห้าอย่างเงี้ยครับหรือว่ายึดมั่นในความถูกต้องเขาก็กลายเป็นเหมือนแบบหมันไสแล้วอะไรประมาณ น, นี้ยครับอาจารย์แล้วเรา <c oughs> เราอย่าไปหวังอะไรจากใครเลยอย่าไปหวังอย่าไปอยากอะไรจากใครเราก็าจะไม่น้อยใจเราพยายามให้เขาชื่นชมยินดีกับเราเพราะว่ไม่ชื่นชมยินดีเราก็ เสียใจเขากลายเป็นเหมือนเรากลายไปเป็นเป้าหมายในการที่เขาเหมือนมาเพ่งเล็งมาแกล้งอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์เราก็เลยห่วงเขาไปห้ามเขาไม่ได้อนาตตาครับอาจารย์ก็ต้องกลับไปฝึกใหม่ว่ามันเป็นอนาตตาควบคุมไม่ได้ครับผมอาจารย์อ่ามเขาไม่ได้ฉันงเขาไม่ได้เขาจะทําอะไร เราจะรักเราชอบเราเกลียดเราเราข้กาก็าไม่ได้แล้วก็ไม่หวังอะไรจากเขาเราก็จะไม่เสียใจแ ล, แล้วก็ตอนนี้ก็พยายามที่จะฝึกกายคตาสติตัวอสุภกรรมฐานครับผมอา จ, จารย์เราก็พยายามดูคนให้เป็นอสุภะพยายามที่จะดูให้เป็นดูให้ได้ซึ่งก็ยังไม่แน่นเท่าไหร่เราก็ยังมี อ่าเหมือนหลุดบ้างมองไม่เห็นบ้างอะไรเงี้ยครับเราก็<ม>ต้องใช้เป็นการจินตนาการไปก่อนนะครับ<ม>แล้วก็หรือว่าใช้ความคิดไปก่อนก่อนที่ ม, มันจะแบบว่าเห็นได้แบบด้วยตัวใจจริงๆว่ามันเป็นอย่างนี้ครับ<ม>ก็ยังไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่แต่ก็ยังต้องฝึกต่อเรื่อยๆครับอาจารย์ใช่ต้องทำไปเรื่อยๆอย่าท้อแท้ <c oughs> งานปฏิบัติเนี้ไม่ใช่เุ๊เหมือนกับเปิดไฟปิดสวิตซ์ปั๊บไฟก็ติดเลยอันนี้อันนี้มันเหมือนสมัยยุคไดโนเสาร์เวลาจะติดไฟเนี่ยต้องใช้ไม้สองอันมาม า, มาฝนให้มันเกิดเกิดความร้อนขึ้นมาไฟมันจะลุกได้ครรมอาต แล้วก็หลังจากที่พระอาจารย์ทักว่าอ้วนขึ้นหรือเปล่าผมก็ตอนนี้เริ่มมาฉันแบบทานรวมครับผมพระอาจารย์ก็คนทุกอย่างในจานยายเห็นยายเขาก็ตกใจ่ะกินกินมื้อแรกสองมือแรกมันก็เหมือนรู้สึกแปลกๆนิดนึงครับพระอาจารย์แต่เพราะมันชินมันกลายเป็นอร่อยแล้วมันก็กินต่อเรื่อยๆยิ่งกินเยอะขึ้นกว่าเดิมเพราะว่ามันคนแบบไม่รู้รสแล้ว เมันต้องเอาของของของขอ ง, ขอ ง, ของหวานเข้าไปาไปรวมด้วยสิขนมเค้กอะไรเงี้ยเนี่ยเครื่องดื่มอะไรที่เราจะกินลองใส่ไปห้หมดอะไรที่จะเข้าไปในท้องเรานี่ก็ใส่ไปในชามเดียวกันได้ครับพระอาจารย์อยาจะลองดูถ้าเอ่อน้ําหนักลดก็จะมารายงานครับถ้ามันไม่ลดก็ต้องต้อ ง, ต, องต้องอดละต้องอยากจะกินมันละพนักงานกิเลมันมันเก่งกว่าเรา วิธีนี้ใช้ไม่ได้ก็ต้อง เ, เปลี่ยนวิธีใหม่ครับอาจารย์ก็คงต้องอดลดปริมาณก็ได้เอาแค่ครึ่งชามเคยกินเคยกินหนึ่งเท่าก็รดเหลือครึ่งหนึ่งแล้วก็ขออภัยพระอาจารย์ที่เมื่อสองอาทิตย์ก่อนไม่ได้เข้าเลยครับผมพระอาจารย์พอดีว่าไปต่างจังหวัดไปเยี่ยมญาติทางใต้แล้วก็ ไปต่างประเทศตอนเลยก็เลยแบบตอนแรกก็กยาจะซูมมาจากต่างประเทศแต่มันดึกมากอาจารย์ก็เลยไม่ไม่ได้ซูมคาเฟ่อาจารย์ไม่เป็นไปัญหาแล้วแต่ตามปัิยาสัยอำเรียนนี <Aladdin> ้ไม่มีไ <Joo> ม่มีการลงโทษนักเรียนท่านนักเรียนไม่เข้าหยไม่ตัดคะแนนเลยนักเรียนรู้สึกละอายใจเหมือนเหมือนตามเพื่อนไม่ทันครับอาจารย์ อาจารย์แล้วก็วันพรุ่งนี้วันเกิดคุณยายครับคุณยายเลยอยากเข้ามาขออ้อนพ ร, รอาจารย์ครับผมอใหคุณยายไม่เกิดนะขอให้เจอวันไม่เกิดนะมาขอบคุณค่ะไม่เกิดดีที่สุด น, นะไม่เกิดแล้วก็ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายอขอบคุณค่ะคระับอาจารย์จบหมดแล้ ว, ลวมีคําถามไห้ใช่หไหมก็มีครับของอาจารย์ก็ คำถามหนึ่งที่อยากจะถามอาจารย์ก็คือเราพอเราใช้หลักยอมหยุดเย็นอย่างเงี้ยครับยิ้มเนี้ยครับอาจารย์แล้วถ้าเราไปเจอเรื่องที่เหมือนเขาเพื่อนอย่างเงี้ยครับทำไม่ถูกต้องแต่ว่าเราต้องยอมหยุดเย็นยิ้มแล้วปล่อยเขาไปอย่างเงี้ยครับอาจารย์บางทีผมรู้สึกเหมือน มันเราเรากลายเป็นแบบซัพพอร์ตให้เขาทําให้ดีหรือเปล่าเช่นเพื่อนกําลังจะฆ่าสัตว์แล้วเราไปตอนเราจะไปบอกเขาว่าหยุดแต่ดันคิดได้ว่าเดี๋ยวไปบอกเขาหยุดเดี๋ยวเขาหมันไส้อีกเดี๋ยวมีปัญหากันอีกอย่างเงี้ยเราก็ต้องปล่อยให้สัตว์ถูกฆ่าไปอย่างนี้หรือเปล่าครับอาจารย์หรือว่าเราต้องเทคแอคชั่นอะไรบ้างก็แล้วแต่เราเรายินดีที่จะรับผลของก า, การกระทําของเราหรือเปล่า ไปห้ามเขาเขาเยอะเขาเลยไม่ฆ่าสันจะมาฆ่าเราแทนนีครับกดีวันนั้นมีเพื่อนนั่งทานข้าวอยู่ครับอาจรย์แล้วเราก็นั่งอยู่ข้างๆเขาแล้วเขาไม่รู้โมโหอะไรใครมาเห็นมดเต็มโตก็แบบทุบมดมดทุบทุทุใหญ่เลยแล้วเราก็บอกเขายาเลยยาเลยเหมือนห้ามอย่างเงี้ยครับเขาก็หัดมามองแบบแรงใส่เราอย่างเงี้ยเราก็แบบปุบปาก ทําคิดเสียว่าเราไม่ได้อยู่ตรงนั้นก็แล้วกันมัโอ้ไปนาเอาตาไปไล่ไม่ใช่เรื่องของเราแล้วเราบาปไหมครับพระอาจารย์ถ้าเราไม่บาปเราไม่ได้ทำอะไรเราเฉยๆเราไม่อยู่เบรคาร์ไม่เกี่ยวกับเขาเลยโอเคครับผมพระพุทธลูบาปไหมนั่งดูครั้งตั้งพพุทธลูกไว้แล้วมีคนฆ่ากันหน้าพระุทธลูกเนี่ยพระพุทธลูไม่ได้ทําอะไรบาปว่าครับพระอาจารย์ก็ ได้ครับก็จะพยายามยอมหยุดเย็นยิ้มแล้วก็อุเบกขาให้มากที่สุดครับแล้วก็ถ้าไหนทาแล้วเป็นผลดีแล้วไม่มีผลเสียก็ทำไปต้องต้องใช้ปัญญาคิดด้วยไม่ใช่จะไม่ทาอย่างเดียวถ้าทํแล้วมันมีแต่ผลดีไม่มีผลเสียก็ทำไปไม่ว่าถ้ามีผลเสียกับตัวเราเราเยินดีที่จะรับผลเสียเพื่อช่วยคนอีกคนหนึ่งไม่ให้เขาตายก็ ก็ทําไปแต่เราก็ต้องรับผลคือเขาอาจจะไม่ฆ่าคนนั้นแล้วก็กลับมาฆ่าเราแทนคแต่ะือก็ไม่ได้บอกเขาว่าให้เฉยไปทุกอย่างทุกเรื่องมันก็ต้องมีการใช้ปัญญามากเหตุการณ์แต่และเหตุการณ์มันไม่เหมือนกันแต่โดยเราก็คือถ้าทําแล้วมันเกิดโทษมากกว่าก่อดคุณก็เนี่ยเราก็ต้องชั่งน้ําหนักว่าเราเราจะเอาอะไร อก็ต้องอุเบกขาครัถ้าทําอะไรได้ก็จะทำครับผมแล้วก็ <ườ threat> ทุกวันพุธเวลาที่เข้าซูมครับต้องขอบคุณแอดมินขอบคุณอาจารย์ขอบคุณญาติธรรมทุกคนเราได้เรียนรู้แล้วเหมือนได้กำลังใจครับพอเราเข้าห้องเรียนมันสบายใจที่เราได้ความรู้ครับอาจารย์ถ้าเราเหมือนขาดเรียนไปมันเหมือนรู้สึกเหมือนตามเพื่อนไม่ทันครับอาจารย์เหมือ <c oughs> นรู้สึกเหมือนมันขาดอะไรไปเรากลายเป็นนักเรียนที่มันไม่ดีแม้ว่ามันจะไม่มีบทลงโทษโ าจามันลงโทนของตัวเราเองการการะทําของเรามันมีผลกับตัวเราเองไม่ได้ให้คนอื่นเข้ามาลงทโทษเราปีน<า>ี้เราก็จะไม่ได้เราก็จะขาดความไม่รู้ไปครับอาจารย์ใช่แล้วก็ปีนี้ขึ้นเยียสิบแล้วผมจะตั้งใจเรียนครับผมอาจารย์จะนําความรู้ทางธรรมมาปรับใช้กับการเรียนครับผมเยียเท่าไหร่สิบสองเลย มีถึงเยี่ยิบสามครับสิบสามระบบอังกฤษนะน่าจะโอเคครับาที่ขราให้ให้เต็มที่นะเรียนก็เรียนให้เต็มที่ครับขึ้นอให้คุณยายุขสบายอุยืนยาวานนะอ่บพระคุณอาจารย์คไปที่อาจารย์พรหิไลต่อ กอธรรมอาจารยคุณนุกูลอยู่หรือเปลอยู่ค่ะกลับน้อสักการอาจารย์ค่ะร อ, ออยู่ค่ะกลับนมหมักสักการพอาจารย์ครับสวัสดีสบายดีนะสบายดีครับอาจารย์อาจารย์สบายดีนะคะก็เหมือนเดิมมาเท่าเดิมเหมือนเดิมก็บ ส, สบาย <laughs> เราก็พยายามจะเรียนแบบอยู่ให้สบายกายสบายใจอร่างกายมันก็เสื่มไปตามตามเวลาของมันร่างกายไม่มีดีขึ้นแหละมันก็ไม่จะมันก็จะเสื่อมลงไปได้เนี่ยแต่ก็อยู่กับมันได้ถ้าเราไม่ไปไปยึดไปติดมันไม่ได้ไปหวังอะไรจากมันมันก็ไม่มีปัญหาถ้าไปหวังมันก็จะทําให้เราทุกข์ได้ครับอ่ม มันก็ร่วงโรยไปตามการเวลาค่ะมองว่าเป็นเป็นธรรมชาติอจจาาตทุกขังถ้าไปถ้าไปอยากให้มันไม่ร่วงโรยก็จะเกิดเกิดทุกขังขึ้นมาแล้วถ้าเผื่อเรามองว่าไอ้ร่วงโรยนี่เราก็บอกว่าเออก็มันก็สวยดีนะคะคือไปตามวัยก็มองแล้วมองให้มันไม่ทุกข์ก็แล้วกันใช่มองให้มันรู้ไปตามวัยอย่าไปมองแล้วทุกข์ก็แล้วถ้ามองแล้วทุกข์ก็ผิด ค่ะเขาไปตามวัยไม่ต้องไปแสวงหาสิ่งอื่นมาแปรปลอมพลังการมันก็ต้องเป็นของมันอย่างนั้นเนะี่ยเราจะไปสุขหรือไปทุกข์กับมันก็อยู่ที่เรามุมมองของเราเราจะมองแบบไหนมอง ว, ว่าสุขก็ได้เอแก่ก็ดีเหมือนกันคนระับเปลี่ยนเปลี่ยนสตล์บ้างมื่อคาวเป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วนี่แบบเล่นบทแก่ดูบ้างแต่แต่ตรงที่แบบยังแต่งตัวเป็นอะไร เออนักกีฬาอยู่เหมือนเดิมอะไรเงี้ยน่ะไปหาคุณหมอคุณหมอก็บอกว่าอืมดูไม่สมวัยอืมทําไมดูเด็กถามอายุเท่าไหร่ก็บอกอายุบอกว่าอืก็เห็นแล้วแต่ทําไมยังดูดูไม่สมวัยดูเด็กกว่าวัยคุณบอกเราก็พยายามเล่นกีฬาอายุของดาราคนมันไม่เหมือนกันอายุของแต่ละคนการร่างกายมันอาจจะไม่ไม่เหมือนกัน อายุมากแต่น้ากามมันยังอาจจะดูอ่อนอ่อนอ่อนกว่าอายุก็มีเยอะแยะไปก็ทุกวันเราก็ฝึกอยู่กับความสงบที่บ้านใช่ไหมคะมก็ก็เงียบสงบก็จิตใจก็สบายใช่ไหมคะก็ปฏิบัติทำฟังธรรมะอะไรฮมันก็มันก้เข้าไปอยู่ในจิตเป็นธรรมชาตินั่นแหละต้องรักษาจิตใจมันสบาย ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนอยู่กับเหตุการณ์อะไรต้องสุขต้องเฉยต้องสบายได้ไม่วุ่นวายไม่เครียดกับเหตุการณ์ต่างๆก็ต้องปรับรับไปตามความเป็นจริงมหาของทุกนาทีที่มันเกิดขึ้นอย่าไปเฟืนความจริงแล้วก็จะไม่ทุกขพอไปเฟืนความจริงแล้วก็จะทุกข์ขึ้นมาไม่มีค่ะขอบคุณ ไปนอนได้นะกลับไปแล้วครับมีเด็กอานายที่บ้านอ่ะส่งสอทุ่มหลับแล้วหลับแล้วสบายนะตีนอนย้นย่างเช้าครับไปตักปลาได้ตีสีก็ตื่นนะโอเคไปพูดกับน้องตาพคุณนบน้องเชิญ ครับนวัตกรรมครับอาจารย์อ่ว่าอย่างไรมีอะไรวันนี้อยู่ต่างจังหวัดกทะเลยเหนืนอยพอดีมาช่วยงานวัดที่โคราชนั่นก็อ่าก็ทริที่ผ่านมาที่ตั้งใจจะถือสิ้นแปดห้าวันต่อสัปดาห์ก็ทําได้หกวันนะคะอาจารย์ก็สึกดีได้กำไรได้กำไรอขึ้นมาค่ะวันแต่จะมี ตระทึกความที่ว่าบางทีต้องดูธรรมะท่านใน Facebook มันก็จะมีเหมือนที่น้องๆบางท่านบอกบางที youtube มันชอบโผล่ขึ้นมาแต่ว่าเราดูด้วยมีสติว่าถ้าผ่านสายตาเราไปก็ไม่ได้แบบไปติดแล้วติดกับความสนุกหรือเพ้อเพลินอย่างเงี้ยค่ะอาจาดูที่สติของเราว่าจะทันกิเลสหรือเปล่าให้เี่ยวเหมกันใช่ค่ะนั้นก็ได้มันก็เราก็ได้ฝึกไปด้วยว่าเออเราเรารู้ทันมันไหมเวลาเราเห็นเราเพ้อเพลินไ ป, ไปกับมันหรือเปล่า นะก็ตอนปฏิบัติช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีอยู่คืนหนึ่งเหมือนนั่งไปแล้วได้ประมาณชั่วโมงกว่าคท่านเหมือ น, น, นเหมือนร่างกายมันพยายามจะบังคับให้ลืมตาคือไม่รู้มันปกติมันนอนแบบสู้กันหนักหนามากคือเราไม่อยากออกแต่มันเหมือนจะพยายามแบบกิเลส<บ>มันอยากมันอยากออกกิเลมันอยากจะลืมตากิเลมันอยากจะไปรับรูปเสียงกลิ่นลม อก็ก็สู้กันดุเดือดมากเหมือนพยายามตัดตานี่เพิ่มต้องเพิ่มสติให้มากขึ้นกำลังสติเริ่มอ่อนนะน้องน้องเน้องพุโทโธพุโทโธพุโทโธนั่งเฉยเฉยไม่ได้นั่งดูลมเฉยเฉยอยาจจะไม่พอค่ะเพราะมันตานี่แบบกระพิบถี่มากจนแบบอโอ้โหสู้นี่ทําไมมันถึงกระพิบเหมือนก็พยายามจะลืมตาเหมือนตามันพยายามจะลืมไม่ได้เราก็เป็นอะไรเนี่ยเราว่าเหมือนสู้กับมันอย่างมากมากเลยค่ะจ มันอยากจะละตาก็ให้มันดูภาพข้างในก็ได้ดูอาการ32ไปก็ได้อยากจะดูนั่งก็ดูผมขนเล็บปันหนังเนื้อเอ็นไปหลับตาดูไปท่องไปท่องชื่อไปหรือนึกถึงภาพของอาการต่างๆในร่างกายก็ได้จะต้องเพิ่มลองเปลี่ยนวิธีพิจารณาอจะช่วยอช่วงนั้นอาจจะสติที่เราใช้อยู่มันกําลังไม่พอแล้วต้องเปลี่ยนสติเปลี่ยนรูปแบบของสติใหม่ได้ก็ ประมาณนี้แต่ว่าที่ไม่ได้กำไรเท่าไหร่คือไม่ค่อยได้เดินจงกรมเลยเพราะงานยุ่งก็เลยตรงนี้ยังไม่ค่อยได้ฝึกเท่าไหร่นะคะอาจารย์ก็ต้องยอมรับกับขีดความจํากัดของเราว่าเรายังไม่เรายังมีมีขอบเขตมีสิ่งที่เรายังทําไม่ได้อยู่ก็อย่าไปทุกข์กับมันก็นแล้วกันก็มีอยู่ประมาณนี้ค่ะในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะ่ะอาจารย์อื ก็ดีพยายามทําต่อไปนะค่ะอาจารย์เดี๋ยวจะลองไปใช้พิธีพิจารณาอาการ32ถ้าสู้กับการอยากดึมตามไม่ไหวเราจะมารายงานอาจารย์มันดูผมขนหนฟันหนังเน้อเอนตานูไปภาพภายในก็ได้ลองดูค่ะอาจารย์ได้ค่ะขอบพระคุณค่ะอาจารย์คุณชยานิดหน่อย กร่านมัส ก, การเจ้าค่ะพระอาจารย์ช่วงมีพระอาจารย์เป็นไวรัลในสื่อมากเลยนะเจ้าค่ะช่วงนี้มันมีกิจกรรมเยอะนะคนสนใจเจ้าค่ะอขอแสดงมุทิตาจิตเจ้าค่ะพระอาจารย์คือเอาจริงๆนะพระอาจารย์ตอนแรกนะว่าจะมาขอพระอาจารย์แชร์ที่แบบพระอาจารย์ได้รับตำแหน่งก็เลยไม่ขอแล้วขอแชร์เลยลวกันเพราะว่าอย่างแรกคือ เราทาพระอาจารย์ทำดีมาตลอดชีวิตการที่จะได้ราัาบยศมันก็ทำให้เห็นว่าคนรุ่นหลังเราเราก็ทำอย่างนี้สีเด็วเราก็ได้เหมือนกันอะไรอย่างนี้จะค่ะไหนก็เลยมองว่าแชร์ไปเลยมไม่เป็นไรก็ อ, อย่าไปทำเพื่อให้มันให้มันได้มันมาอันนี้ผิดเราทำเพื่อความดีทำเพื่อประโยชน์สุข ทั้งของผู้รับแล้ก็ผู้ผู้ให้ผู้ก็ทาเองส่วนใเรื่องลาบยศเสนเส ร, น, เสรนี่มันเป็นเรื่องแล้วแต่ทางโลกเขาจะพิจารณาอ่าหวังอย่าไปหวั ง, วงจะทำความดีอย่าไปหวังให้เจริญ ด, ด้วยลาบยศเสนเส ร, เ ส, รสุขจะผิดหวังบางทีมันไม่ได้คือเอาจริงๆอย่างน้อยก็เขา้าได้ ได้คนทําความดีเพิ่มประมาณนี้จ้ะไหนก็ประมาณว่าตกปลาไว้ก่อนนะคะวันละเล็ดทาความดีจริงๆเพื่อเพื่อตัวเราทําเพื่อสร้างความสุขใจให้กับเรานะคะได้ความสุขใจก็พอละจะได้รางวัลอย่างอื่นหรือไม่ไม่เป็นปัญหาเลยค่ะแล้วก็พระอาจารย์บอกว่าพออายุเยอะมีลาบเสื่อมลาบมียศเสื่อมยศแต่พระอาจารย์ได้ยศมานะคะอะยังมันก็เสื่อมได้มัน <laughs> ม, มันก็มีทั้งเสื่อมมีทั้งเจริญไงไม่ว่าจะอยู่ในช่วงไหนของชีวิตก็มีเสื่อมได้เจริญได้ทุกทุกช่วงของชีวิตเจ้าค่ะก็อย่างที่บอกพระาจัรก็คือไอดอลแล้วก็เป็นไวรัลมากในช่วงนี้ก็เลยแชร์เลย <laughs> ขออนุ ญ, ญาตน ะ, ะคะน้ำสบายเลยเพราะมันเป็นของที่เราห้ามไม่ได้อนาตตาเจ้าค่ะ แล้วก็ฟังธรรมะพระอาจารย์เอาจริงๆนะจ้ะคะเหมือนเราฟังเทปเทปเทปเทปแบบจาก YouTube จากอะไรอย่างเงี้ยคือไหนเข้าใจว่าทำไมคนไปฟังหน้าคุติเยอะคนฟังถ่ายทอดสดเยอะขึ้นรวมๆแล้วเป็นพันใช่ไหมคะเวลาพระอาจารย์เทพคือเพราะว่ามันมันเหมือนมีความสดใหม่ ฟังแล้วมันทึ่เหิมะะั้งเจ้าค่ะมันทำให้อยากทำอยากทำอะไรอย่างเงี้ยเาค่ะจริ ง, รงๆหน่อยก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรเหมือนว่าใจเรามันเคยฟังแล้วแล้วทีเนี้ยก็เลยอยากจะเข้าไปอีกอะไรเงี้ย <c oughs> ก็เหมือนที่น้องน้ำโมพูดว่าเข้ามาแล้วก็ต้อง <c oughs> ก็ต้องทำเพราะว่าไม่ทำแล้วมันรู้สึกระอายใจตะอายใจไม่ใช่ะระอายใจที่ไหนก็ตัวเราเองเราอยากทาให้เราได้ดีเกิดมาชาตินี้เจอถูกแล้ว ถูกลงวันที่หนึ่งแล้วใช่ไหมเจ้าค่ะรีบไปขึ้นรางวันนะอย่าถืออย่าเก็บไว้ในกระเป๋าลอตเตรี่เนี่ยเจวันนี้ถ้าถูถูถูกลอตเตรี่วันนี้จะเก็บไว้เฉยๆเปล่าแล้วพรุ่นี้รีบไปขึ้นรางวันนะจ้าค่ะเซ็นชื่อไว้ก่อนจ้าค่ะเซ็นชืไว้ก่อนท่ายรูปไว้ก่อนเลยใช่จ้าค่ะเนี่ยเลยก็มีอีกคําถามหนึ่งจ้าค่ะถ้าพุทธคือ หน่อยไปดูในเพจเพจนึงบอกว่าพระพุทธเจ้าบอกว่าไม่ให้มีภิกษุณีเพราะว่าถ้าภิกษุณีมีก็คือว่าศาสนาเราจะอยู่ได้แค่เครึ่งศาสนาก็คือว่าเหมือนกับสมมุติว่ามีห้าร้อยปีก็จะอยู่ได้แค่สองห้าสิบปีทําไมเจ้าคะอาจารย์ว่ามันจะมีปัญหาทางเพศขึ้นมาพราภิกษุณีก็ต้องอยู่ใกล้กับภิกษุภิกษุณีอยู่ตามลําพังก็ไม่ได้เพราะว่าอาจจะถูกคุกคามก็ต้องต้องอยู่ใกล้กับภิกษุ มันอยู่ใกล้กับพิกษุถ้าพิกษุน์บางทีที่จิตยังไม่เข้มแข็งพออยู่ใกล้พิกษุนีเข้าเดี๋ยวก็เกิดกามอารมณ์ขึ้นมาก็อาจจะไปทําประพฤติผิดประเพณีกันก็จะทําให้เกิดเสื่อมศ ร, รทัรรทธาศรัทธาคนที่เขาเรื่อมใส่ในพระพุทธศาสนาก็จะเสื่อมลงเออศาสรรนานี่มีแต่เรื่องเรื่องเหล่านี้นะไม่ได้เป็นอย่างที่อ่พระพุทธเจ้าเป็นเทนั้ หลวงพ่อเจ้าก็เลยไม่อยากแม่ก็ตอนต้นพระพุทธมารดาเรียงขอขอบวชก็ก็ปฏิเสธอขอขอกี่ครั้งก็ปฏิเสธจนต้องเดือนร้อนถึงพานนอนพานนอนนี้เป็นญาติของพระพุทธเจ้าเป็นลูกพี่ลูกน้องของพระพุทธเจ้าก็ต้องมาถามพุทธเจ้าว่าแม่แต่แม่ของพระองค์ท่านยังไม่ยอมตอบแทนบุญคุณท่านเลยอืวงพ่อเจ้าก็เลยอ่ะ เดี๋ยวจะหาว่าเป็นคนไม่มีความกรตันอยู่ท่านก็นเลยเอ้าตอนตอนต้นท่านก็พูดไปตามหลักการความเป็นจริงว่ามันไม่บวช ด, ดีกว่าบวชผู้หญิงก็ปฏิบัติได้เราไม่ต้องเป็นทั้งบวชก็ได้เจ้ค่ะบรรลุได้ใช่ไหมเจ้าค่ะได้บรรย์รทําได้เหมือนกันออแต่ทีนี้เมื่อภาพมันออกไปว่าเหมือนกับพระองค์ไม่มีความกระตันอยู่เนะอาก็เลยบอกอ้าวบวชก็บวชแต่ต้องมีข้อแม้สิบข้อด้วยกัน้่า สิบข้อและแปดข้อเนี้ยใช่ข้อที่หนึ่งภิกษุนี้เมื่อมาบวชแล้วไม่ว่าจะบวชมากี่พรรษาก็ยังต้องเคารพพระภิกษุที่บวชใหม่เหมือต้องให้อยู่ภายใต้การดูแลการอบรมสั่งสอนของภิกษุมาให้ภิกษุนี้อยู่แบบแเหมือนกับภิกษุตามมันอายุพรรษาเจค่ะต้องเคารพพระภิกษุแล้วต้องไม่สั่งสอนพระภิกษุราคา ผู้หญิงนี่ชอบสั่งสอนคนด้วยเยี่ยงๆแต่ก็อาจารย์นิสัยผู้หญิงดีวงการจ้ะค่ะวงการชาววงการนี่ม่ก็ทั้ญาติโยมบางคนมาทําบุญกับเรามาวงการเราก็มีต้องท่านต้องทําอย่างนั้นท่านทำอานี้อะไรวะค่ะอันนี้คือนิสัยผู้หญิงนะคะ่ะใช่จแบบจุบจิตหน่อยหนึ่ง เราไปดูข้อแม้แปดข้อหรือสิบข้อเนี่งที่กรโยนย่อนี่ยเพราะท่านบอกว่ามันมันมันเป็นมันมันจะทำให้ศาสนามันมัวหมองได้ง่ายเสื่อมเร็วด้วยจ้ะค่ะเสื่อมเร็วจะทำให้คนเสื่อมศรัทธาลงได้ง่ายกว่าเพราะท่านมีเรื่องเช้ามีเรื่องเช้าทองสอามครั้งก็เบืแล้วใช่ไหมก็ก็มันปา ตาเน่าตัวเดียวมันก็เหม็นไปทั่วนะเจ้าค่ะเออนั่นแหละการ์มันศาสนาของเราโวงนี้มีเรื่องข่าวข่าวแถวโฉดทั้งนั้นเลยแล้วก็คนก็โหดโถกันนะเจ้าค่ะก็ใจใจไม่นิ่งก็ต้องยึดหลักพระพุทธศาสนาค่ะอพระเจ้าพระนอนเคยถามพระพเจ้าว่าวิธีปฏิบัติกับเอ่อ อ่ากับญาติโยมผู้หญิงให้ทํำยังไงเพราะว่าถ้าถ้าไม่เกี่ยวข้องด้วยก็ดีถ้าน้องกระเทาะถ้าต้องเกี่ยวข้องให้ทำอะไอะก็อย่าพูดถ้าต้องพูดงไงพูดให้น้อยที่สุดี้พูดให้เลิกเดี๋ยวใช่ค่ ะ, ถ, ะถ้าเป็นสมัยนี้ก็ไม่ต้องพูดมาไความเดี๋ยวมันพูดไปนานๆมันมันมันเริ่มเกิดอารมณ์ขึ้นมาแล้วอยู่ใกล้ชิดกันอะไรกันขึ้นมา ถ้าอย่างจิตถ้าจิตได้ยังไม่สิ้นกิเลสนะมันก็กิเลสมันต่องผลขึ้นมาดีเจ้าค่ะก็ไม่ได้รังเกียจผู้หไม่ไม่ได้รังเกียจผู้หญิงเพราะเกียรตช่างอะไรแต่มันเป็นเรื่องของธรรมชาติของผู้หญิงกับผู้ชายมันมันอยู่ใกล้กันกไม่ได้อเจ้าค่ะก็เข้าใจแล้วจ้ค่ะแล้วจะไปอ่านธรรมหั่ คนหลังที่เป็นผู้หญิงที่เป็นพวกที่ชอบความเสมอภาคเนี่ยเขาก็ชอบพระพุทธศาสนาอะไรครับพระพุทธศาสนานี่แบ่งแยกชนชั้นผู้ชายต้องสูงกว่าผู้หญิงพระภิกษุต้องเอาไม่เข้าใจหลักการของพระพุทเจ้าเขาไปมองในนั้นง่ายเลยบอกว่าเป็นเหมือ น, นกับไม่ให้ความเสรีสิทธทิเสรีภาพเท่ากันหญิงชายจริงจริง ศา ส, สนาเราในศาสนาอื่นเขามองว่าเราเป็นลัทธินะพะอาษารย์ก็จะมองอะไรก็แล้วแต่เรารู้ว่าเราเป็นอะไรก็าพอใช่เจ้าค่ะก็เลยก็เลยมองว่าคืออย่างหลายคนที่แบบว่าเออหาว่าอย่างหน่อยสุดตรงเกินไปอย่างแรกก็คือว่าหน่อยไม่ดีหรอหน่อยประหยัดหน่อยมัธยัติหนทําอะไรที่แบบว่า mm hmm. ข้าวเย็นก็ไม่กินอะไรไหนจะทําเองหมดอะไรอย่างเงี้ยคือแบบไม่ดีหรออะไรอย่างเงี้ยยังว่าเราอีกอ เขาเขาเขาอยู่กับพวกกิเลสไงพวกกิเลสเนี่ยชอบสดชอบสบายชอบใช้คนอื่นไม่ชอบใช้ตัวเองก็เป็นโลกคนละโลกกันย่งคุยกับคนคนพวกนี้คุยกันไม่รู้เรื่องอย่าไปคุยให้เสียเวลาค่ะก็ไม่รู้จะคุยอะไรทุกวันนี้ก็ไม่คุยกับใครสค่ะคุยกับพวกที่เขามองในในในแง่เดียวกันเนี่ยมุมมองเดียวกันดีก เขาใจหลักธรรมในการคุยกันก็จะช่วยส่งเสริมถ้าไปคุยกับคนที่อยู่คนละมุมกันให้พูดไปเดี๋ยวก็ตีกันเบาๆใช่ค่ะถ้ารู้ว่าเขามีทัศนะคติไม่เหมือนเราเราก็หยุดพูดดีกว่าถ้าพูดไปเราจะเริ่มมีการต่อเทียงกันทะเลาะกันก็ยอมหยุดเย็นดีกว่าโอเคหยุดจะค่ะปกติไหนก็หยุดอยู่แล้วจ้ะค่ ะ, ะก็คุยเรื่องอื่นไปสเพซไ ง, งลอะอะไรอย่างเงี้ย หมาแมวอะไรอย่างเงี้ยอย่าไปหรืออย่าไปคุยข้างนี้นะขอตัวไปแยกตัวไปเสียเวลาจะขาก็คุยให้น้อยที่สุดจาาดะ่ะอ่าแล้วก็มีส่งการบ้านนิดนึงนะค่ะทำได้เจ็ดจุดห้านักพระอาจา ร, รย์อะไรเจ็ดจุดห้าอ่าถือศีลได้เจ็ดจุดห้าเจ้าค่ะอไม่ไม่ครบแปดนะอะ่จุด 5, ห้านี่คือดูซีรีส์เจ้าค่ะดูหนังซีรี่ เน็ตพลิกเจ้าค่ะอันนี้ไม่น่้จะจุดทาันมันต้องอย่างน้อยหนึ่งแต้มเลยต้องเดือดแก๊สหนึ่งเลยเหรอเ้าค่ะเพราะว่าไม่ทาครีมปัจจานอ๋อนั่นมันต้องเล็กนะมันต้องจิบจอยดูเน็ตเฟลกิมัเป็นยาวเหยียดเลยไมนุษยกี่ชั่วโมงเฮ้ยหลับดีด้วยนะมันทาครีมมันจะนั่งสมาธิได้อยแต่ดูเน็ตเฟลินดูนั่งสมาธิไม่ได้เลย อ๋ก็หนแต้มไปแล้วจ้ะคะ mm hmm. <laughs> โอเคจ้ะคะ่ะถ้า่างนนก็เจ็ดล้วค mm ่ะ hmm. แต่ก็ดีใจที่ทําได้คะ่ะพระสานก็คือพูดกับภระสารไว้แล้วแล้วก็จะสอบถามเรื่องไปปฏิบัตินะจ้ะค่ะเราต้องไปจองคิวนานไหมจ้ะค่ะว่าจะไปวันไหนอะไรอย่างเงี้ยที่วัดนะจ้ะต้องไปติดต่อกักกอบทา ง, งทวัดตอนนบางทีว่างบางทีว่างจองวันนี้พรุ่งนี้ก็เข้าได้เลยถ้าว่าแล้วแต่จังหวะของเราน อ้าถ้ามาวันช่วงที่มีวันหยุดยาเนี่ยมันจะมีคนจองไว้ล่วงหน้ากันเยอะเน่ยแต่ถ้าวันวันธรรมดาไม่ค่อยมีวันหยุดเนี่มันจะว่างนะคะก็จะไปช่วงเด็กติดเทอมร์มัสค่ะมันจะเกงกันไปหมดแล้วสะกค่ะ <c oughs> ก็ลองโทรไปติดต่อกับทางวัดก็ได้ใส่เบอร์โทรศัพท์ของทางวัดหรือถามแอดมินก็ได้แอดมิ น, มนเหมือนว่าแอดมินเคยให้ไว้ตั้งนานแล้ว <c oughs> ใ ห, ให้ให้อีกก็ได้นะจ๊ะค่ะ จะถามวันน okay. ี้ไม no ่มีค okay <OK> ําถามแล้วค <ok> ่ะว well, ันนี Sales> ้ว่าจะรวบหน่อยแต่ก็เมาเพลินโอเคไม่เป็นไรเปี่ยนรสชาติบ้างเดี๋ยวจะเครียดกันไปจ้าค่ะโอเคนะจ้าไปที่คุณโอพีเคคุณโอเหรอที่ไหนภูเก็ตใช่ไหมถ้าจําไม่ผิดพีเคก็ภูเก็ตนะ ได้ยินค่ะได้ยินเสียงไหมคะได้ยินจ้าภูเก็ตใช่ไหมนักการนวัตรกรรมพระอาจารย์เจาค่ะอยู่ภูเก็ตเจ้าค่ะพระอาจารย์เอ่ามีอะไรไหมวันนี้วันนี้รายงานผลการปฏิบัติเจ้าค่ะพระอาจารย์สินแปดสองวันเจ้าค่ะวันโกนแล้วก็วันนี้เจ้าค่ะอาืาแต่ว่าวันนี้รู้สึกว่าตั้งแต่ปฏิบัติมาเจ้าค่ะพระอาจารย์วันนี้เป็นวันที่รู้สึกใจมันเบาเบายเย็นๆแล้วก็มันมันนิ่งๆที่สุดแล้วเจ้าค่ะพระอาจารย์ หิวหม่มมทรมานาไม่เวลาไม่ได้กินข้าวอย่นีชินเวลาเจ้าค่ะอาจารย์ยัางวลมื้ออยู่เจ้าค่ะน้ํานักขายไปหนึ่งกิโลเจ้าค่ะ อ, อดีก็ไปเสียงเงินไปที่ฟินแลนด์นะต้องออไไเงิยกระโดดโลดเต้นเออได้อดข้าอย่างเดียวมันก็มันน้าหนักก็เลาทั่วมลงไปนะ้แต่ไม่ทุกเจ้าค่ะอาจารย์เหมือนกับว่าท้องปรับไปเลยเจ้าค่ะก็มื้อเดียวจบไปเลยอย่างเจ้าค่ะอืีดีใช่ได้ พยายามทำบ่อยๆทําไม่มากควบคู่ไปกับการภาวนานะถ้าจะถือศีลแปดถือศีลแปดเพื่อสนับสนุนเป้าหมายหลักก็คือการภาวนาโดยใช้ศีลแปดเป็นเครื่องสนับสนุนเครื่องป้องกันไม่ให้จิตถลายถลายไปทำเรื่องเจ้าค่ะปฏิบัติทุกวันเจ้าค่ะพระอาจารย์ปฏิบัติวิชาทุกวันเจ้าค่ะ ตีสามกว่าบ้างทีสี่บ้างถ้าร่ ก, กายไม่ไหวก็ติ่นตีสี่กว่าบ้างอะไรอย่า ง, างานี้เจ้าค่ะทานก็ยังฝากพี่แมลอยู่เจ้าค่ะวีันจันทร์ถึงวันพุธอะไรเงี้ยฝากพี่แมลใส่บัตรพระอาจารย์เจ้าค่ะออเราเราสห้เขาชิมทุกวันเพราะเมื่อก่อนนี้บางครั้งอาหารมันทําตั้งแต่เช้าตั้งแต่เช้ามืดตั้งแต่ดึกเนี่ยพอมันถึงวัดมันเริ่มบูนแล้วเริ่มเริ่มไปกิน แต่ตอนนี้ก็เลบอกให้เขาเชียวชวนชิมทุกวันชิมก็ยังอันนี้ไม่มีปัญหานะเนี่งอาหารโอเจ้าค่ะแต่เบื้องต้นมันมีจะาถามไหมอ่าถ้าเกิดว่าเราปฏิบัติแล้วเรารู้สึกว่าใจมันเบาขึ้นมันทุกข์น้อยลงนี่คือถูกทางแล้วใช่ไหมเจ้าคะ่ะได้ก็ปฏิบัติเพื่อดับความทุกข์ ทุกข์ให้น้อยที่สุดจนกะทั่งไม่มีทุกข์ลงมัวอยู่เลยก็หลุดพ้นจากความทุกข์วิมุตติก็เริ่มจากการที่ความทุกข์น้อยลงใจเบาใจเย็นสบายขึ้นทุกข์น้อยลงเท่าไหร่ใจก็ยิ่งมีความเย็นมีความสงบมากขึ้นมีความสุขมากขึ้นว่าแต่นั้นดูว่าผลเท่มไงดูที่ใจแล้ว ก็ว่ารู้สึกวันนี้คือเป็นวันที่ตั้งแต่ปฏิบัติมาเจ้าค่ะพระอาจารย์คือยังไม่ได้เข้าสมาธิความสงบอะไรอย่างเงี้ยนะเจ้าค่ะแต่ว่าอาจจะละโกรธได้แล้วก็วันนี้คือลูกหยุดงานไม่ทํางานเลยเจ้าค่ะสิ่งแต่คือให้ตอนเช้าก็ปฏิบัติอะไรอย่างเงี้ยเจา้าค่ะกลางวันก็ไปเรียนจะกรมไหนเดงแล้วก็ฟังธรรมอ่านหนังสือธรรมะอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะพระอาจารย์มัจะโกรธก็ไม่โกรธไม่เลย ร, รู้สึกว่ามันเบามากเลยเจ้าค่ะใจมันเบาก็อย่าประชล่าใจากับเหตุการณ์อันหนึ่งนะมันอาจจะแค่ <c oughs> ช่วงหนึ่งถ้าเราประมาทวายว่างไม่ไม่เจริญสติไม่ปฏิบัติตอนเนี้ยมันก็กลับมาได้นะะต้องมีความรมัดระวังไม่ประมาทลูกไม่แน่ใจว่าพอดีว่าวันนี้เจ้าค่ะนัดเพื่อนเพื่อนลูกทายของเพื่อนเขาอยากเข้าสู่มาถามคำ ถ, ถามพระอาจารย์เจ้าค่ะไม่แน่ใจว่าเขาเข้ามาหรือเปล่าเพราะว่าเขาเคยเข้ามาแล้วตอนต้นเดือน ชื่อนงนุชจ้า <exclus ivity. S 2> ค่ะเพราะว่าลูกข้าวุมก็เลยไม่ได้ถามเขาแต่ว่าวันนี้เขาบอกว่าจะเข้ามาเพราะว่าลูกชายเขาอยากเข้ามาถามพระอาจารย์ว่าเจ้าค่ะลูกชายเขาเรียนอยู่ชั้นปรฐุมเจ้าค่ะพระอาจารย์อาจจะเข้ามา <จะ S 1> ไม่ท<า>ัน ว, วั <lodge predict. S 1> อนาอาจจะเรายังมีคนสองคนรออยู่แต่คือบัญยาเพราะเรายังไม่ให้เข้ามาอ๋อเจ้าค่ะก็รอดูไปก่อนนะถ้าอยากจะเข้ามาบางทีต้องรีบเข้ามาตั้งแต่พอเริ่มเริ่มรายการก็รีบ ดิกดเข้ามาเลยเจ้าค่ะก็เดี๋ยวดี๋ยวนี้าหมดเข้านแล้วถ้าถ้าไมเข้ามาบางทีเข้ามาสายห้านาทีก็เข้าไม่ได้นะเราคนใช่ใช่ค่ะวันนี้ยังรอนานพักหนึ่งเลยนะเจ้าค่ะพระอาจารย์ลูกก็บอกมาแล้วว่าให้มาแบบว่าเข้าก่อนสองทุ่มก็ได้นะอะไรอย่างงี้เจ้าค่ะก่อนสองทุ่มสักห้านาทีเงี้ยเจ้าค่ะแต่พอดีว่าเพื่อนอ่ะเขาทํางานด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ลูกชายอยากเข้ามากเคยเข้ามาแล้วแล้วทีนี้เป็นภูมิแพ้เจ้าค่ะพระอาจารย์ผื่นขึ้นเต็มหน้าเลยแล้วแบบ รอไม่ไหวเี้ยเขารอประมาณครึ่งชั่วโมงเจ้าค่ะก็เลยขอออกไปก่อนหนึ่งเจ้าค่ะเมื่อตอนต้นเดือนเจ้าค่ะอไม่แน่ไม่แน่ใจว่าวันนี้เขาทันเข้ามาไหมเจ้าค่ะยังไม่เห็นจ้ะยัไม่เห็นอืมโอเคมีอะไรไหมไม่มีแล้วเจ้าค่ะตั้งใจปฏิบัติบูชาทุกวันเจ้าค่ะค่ะบขอพระอาจารย์ที่ไม่ทาเจ้าค่ะพระอาจารย์ขอพระอาจารย์มีท่าแขนแข็งแรงเจ้าค่ะเดี๋ยวลูกขออนุญาต ออกไปฟังทาง youtube ต่อนะเจ้าค่ะ yeah, yeah, เผื่อมีเร <yeah. S 2> ื่องที่ทำจะเข้ามาอย่างนี้จะข่าพระอาจารย์เผื่อห้องเต็มกั yeah, <yeah>, yeah. บสาธุเจ้าค yeah, <yeah>, yeah. ่ะไปดีคนที่สามลอสแอนเจลิสเอลเลกลับนมัสการคะ่ะพระอาจารย์วันนี้ลูกไม่มีคําถามคะ่ะพระอาจารย์ก็ um. จะมาะรยายงานพระอาจารย์ค่ะที่พระอาจารย์สอนลูกอาทิตย์ที่แล้วเรื่องการข้ามเวทนาด้วย ด้วยการเผาร่างกายอะค่ะพระอาจารย์ก็อาทิตย์นนที่แล้วมีสติดีอะคะ่ะมันไม่เหมือนเวทนาไม่ค่อยเกิดแต่ว่ามาเกิดสองครั้งะคะ่ะส่วนใหญ่มันจะมันจะเกิดหนักวันวานนะคะเพราะว่าแบตเตอรี่หมดอ๋ออาจารย์ไปลงมาชาร์จแบตวันนี้นะค่ะพระอาจารย์อืก็ครั้งแรกครั้งครั้งแรกผ่านไปได้อะค่ะพระอาจารย์ เหมือนกับสติดีแล้วแบบมันเหมือนกับเราจินตนาการเผาโฟกัสที่ที่เราเป็นขาขาเจ็บอะค่ะอาจารย์มันก็เผาได้ไป บ, บสักพักนึงคะ่ะยังไม่ถึงทั้งตัวคะ่ะแต่ว่ามันเหมือนมันสามารถโทตรงนี้ได้คะ่ะก็ผ่านไปได้อืะก็ดีค่ ะ, ะนิ่งใช้ได้ค่ <ขา S 2> <ม>ะอาจารย์ไม่ไปทุกไม่ไปทุกกบมันไม่คะ่ะแล้วก็พอครั้งที่สองนี่ มีความรู้สึกว่าสติไม่ค่อยดีอ่ะค่ะเมื่อวานมันเลยแบบพยายามแล้วมันนึกเท่าไหร่เท่าไหร่มันก็ผ่านไปไม่ได้ค่ะพระอาจารย์นึกไม่ออกค่ะค่ะอาจารย์เอสงสัยมันคงที่เกี่ยวกับสติหรือเปล่าค่ะอาจารย์ล้วก็อาจจะเกี่ยวกับว่าเราจะไปใช้สัญญาใช้อดีตมาเราต้องสร้างมันขึ้นมาใหม่ใช่ใช่ค่ะจริงค่ะพระอาจารย์เพราะว่า ลูกไงนึกถึงว่าสงสัยสติหลุดเพราะว่าเราเป็นนึกว่าเอ๋เมื่อวานทําไมเราทําได้อะไรอย่างนี้ค่ะพระอาจารย์อย่าไปลยมันเด็ดไปแล้วเริ่มทําใหม่ถ้าบิงทําไม่ได้ก็ต้องหยุดไปสักพักหนึ่งเพราะกิเลสมันรู้ทันกิเลสมันรู้ทันอ่ะมันก็เลยทําไม่ได้ก็ไม่เป็นไรก็เปลี่ยนวิธีใหม่เปลี่ยนวิธีใหม่ใช้ทาบริกรรมบ้างอะไรบ้างไปก็ได้ค่ะพระอาจารย์ แต่ลูกมีความรูม้สึกว่ามันคือถ้าพอวันอย่างวันนี้หลังจากหลังจากที่ลูกเข้าซูมแล้วพอพอไปนั่งนี่แบบสติดีมากเลยค่ะต้องต้องสติดีด้วยถ้าสติไม่ดีใจมันก็เพ่งไม่ได้ค่ะอาจารย์ก็คือต้องฝึกสติให้มากที่สุดค่ะอาจารย์ใช่ไหมคะมก็เพียงปฏิบตัติต่อไปค่ะอาจารย์เดี๋ยวจะหาหาแนวทางใหม่แต่ว่า รู้ว่ามันอยู่ที่วันนั้นณจุดนั้นเราสติดีหรือเปล่าคะ่ะอาจารย์ตอนนั้นเรากำลังใช้วิธีเขาเรียกกระสินไงกระสินไฟเอาไฟมเป็นกระสินเป็นภาพให้เรา imagine ให้นึกขึ้นมาค่ะอาจารย์แต่ตแตการจะใช้กระสินการเพลงนี้มันต้องมีสติที่มากว่ามันต้องจินตนาการภาพขึ้นมา คือถ้าเราจินตนาการบางทีมันก็จะทำให้รู้สึกเพ่งมากไปเราก็จะหลุดจากสตินั้นไปใช่ไหมคะพระอาจารย์ไม่ไมม่ถึงกถ้ามันจะเพ่งให้เป็นภาพขึ้นมาได้มันต้องมีสติมากว่านี้เพ่งได้ค่ะพระอาจารย์วันแรกที่ลูกทำได้ออกอาะพระอาจารย์ก็าาไม่เป็นไรก็ลองทำมาดูถ้าไม่ได้ก็เราเพ่งอย่างอื่นเพ่งของที่มองเห็นเช่นเพ่งลมหายใจ ถ้าเพลงลมหายใจแล้วมันไม่อยู่กับลมก็ใช้คำบาลีกรรมแทนไปสลับกันไปมากอาการ32มากก็ได้ออค่ะาาจย์มันต้องมีพิกพิกแพงเปลี่ยนแปลงไปเหมือนกิเลสเหมือนเหมือนเชื้อโรคอ่ะใช้ ย, ยาใช้ ย, ยาชนิดนี้ตอนต้นก็ดีว่าใช้ไปเรื่อยๆมันเริ่มเริ่มต้านแล้วก็ต้องเปลี่ยนยาค่ะอาะะะจารย์ แต่วันรู้กเกิดเวทนาแต่ว่าบางวันมันก็ยังมีเวทนาอยู่แต่ว่ามันเหลืออยู่ประมาณสักสิบยี่สิเปอร์เซนซึ่งเราสามารถโคได้จนถึงที่เราออกจากสมาธิอันนี้อันนี้แสดงว่าเรามีสติดีไม่ไม่ต้องใช้ไม่ต้องใช้การการเพ่งอย่า ง, อ, างอื่นนะคะก็มันก็นิ่งอยู่สงบอะไรอย่างนี้ค่ะแต่ความรู้สึกมันยังมีอยู่นิดหน่อยค่ะพระอาจารย์การใจเราเฉยไม่รู้เบิกขา นะมันความส่วนกลามเจ็บมันจะหายไม่หายก็ไม่เป็นไร่ก็มันได้ค่ะพระอาจารย์ลูกก็จะเพียรปฏิบัติให้มากขึ้นค่ะพระอาจารย์บางวันวันแรกลูกลูกปอบที่เกิดที่ลองใช้จินตนาการการเผาลูกเก็บไปฝันนะคะะแต่ในฝันมันเหมือนมันเผาทั้งตัวแบบเป็นเป็นเป็นแบบเป็นเป็นเท่าถ่าเลยนะคะพระอาจารย์ก็เลยดูสิ่งไงว่าในฝัน รู้สึกดีค่ะรู้สึกว่าแบบอ๋อแบบเหมือนกับตัวเองมันยืนมองตัวเองที่โดนเผาอยู่แล้วรู้สึกว่าเออสุดท้ายมันก็เป็นดินน้ําลมไฟค่ะขระอาจาราย์แล้วก็รู้สึกว่าวติดตาขึ้นมาค่ะแล้วเราก็ไม่ได้เป็นร่างกายเราก็เป็นคนดูร่างกายแม่ค่ะพระอ า, า<ด>จารย์ก็เพียงพยายามค่ะพระอาจารย์น้อมนําปฏิบัติให้มากขึ้นค่ะต้องตอนนี้ต้อง ปฏิบัติตอนเช้าให้มากขึ้นรู้สึกเงินสงบะคะ่ะพยายามเพิ่มการปฏิบัติการจาริญสติให้ได้มากค่ะอาจารย์ก็ไม่มีอะไรค่ะการเจริญสติกวจะทําทเป็นแบบ n o r m a ลเติมมาก็พุดโธไปเลยไม่ต้องตั้งไม่ต้องตั้งหลักนะต้องถือว่าไม่เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราคือการฝึกสติควบคู่ไปกับการใช้ชีวิตประจําวันของเราค่ะอาจารย์ตอนนี้ลูกแปลงฟันลูกก็คิด ท่องเป็นแบบไม่ได้พูดโทรอย่างเดียวค่ะท่องเป็นแบบว่าผลแบบค่ะค่ะใช่อาการฝันที่สองแล้วก็ท่องเรื่องกับท่องเกี่ยวกับเรามี ร, รูปชอบท่องเรามีความตายเป็นธรรมดามีมีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาอะไรเงี้ยตอนแปลงฟันอ่าแล้วก็ท่องแบบที่ที่น้องเจสตี้กับน้องเจ็ดเขาเขาท่องตอนตอนนั้นนะคะพอดีจบพอดีเลยค่ะจบแปลงฟันจบพอดี ดีค่ะก็ <G ül> ไม่มีอะไรค่ะพระอาจารย์ขอให้พระาจารถ์ท่านแข็งแรงนะคะ yeah, I do, I do. อ่าถูอค่ะถูกค่ะไปที่เท็กซัสคุณสุปัตราถาบนิมัสการพระอาจารย์เจ้าคะ่ะวันนี้ลูกไม่มีคำถามเจ้าคะ่ะขอร่วมฟังเจ้าคะ่ะโอเคไปที่เชียงรายคุณเ อ, เอกเอียงราย นวัตการมพระอาจารย์ครับผมครับวันนี้ก็ไม่มีคําถามครับเข้ามารับฟังประอาจารย์วันนี้วันพระก็ด้องในสันชิกนะครับผมวันนี้ปฏิบัติในสัญชิกับพระอาจารย์ครับไม่นวันะถึงสว่างเลยครับผมถึงสว่างครับอ่าโอเคความเพียรนี้นะความสําเร็จนี้นะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ด้วยความเพียรครับผมครับผมครับผมขอขอบคุณพระอาจารย์ครับขออาจารย์ท่านหลานแข็งแรงครับผมสาธุ ถามหลวงตา ท, ทูครับไปดาราที่ว่าคุณมาิมกากลับนมัสการเจ้าข่าพระอาจารย์เข้ามาร่วมฟังธรรมค่ะพระอาจารย์โอเคงั้นไปที่เพื่อนบ้านต่อเลยคุณเิสยากับคุณอุษามัสการพระอาจารย์ตอนนี้ยมก็ถิ่นแปดเหมือนเดิมค่ะยังไม่ครบเดือนก็มีอยู่วันหนึ่งนะคะอาจารย์ เธอใช้คําว่ากินเยอะอะค่ะเยอะจนจุกก็เลยบอกว่าอ่ะพรุ่งนี้กินมื้อเดียวไปเลยก็มื้อเดียวค่ะอส อ, อนมันสอนมันต้องดันในสายมันใช่ค่ะแต่ว่าพอมาหลังๆเนี่ยแบบมวันนี้หรือเมื่อวานเนี่ยค่ะเมื่อวานเนี่ย ม, ม, มีอาการแบบปวดท้องเนี่ยที่นั่งกินอาหารแล้วมันปวดท้องขึ้นมาตอนแรกๆก็เริ่มจะงอจะจุกแต่พอคิดได้ปุ๊บปล่อยให้มันปวดแล้วก็อยู่ของเราไปอะค่ะมันก็ทําได้ค่ะอาจารยัอ อาการมันก็ ต, ต้องมี้างเจ็บ้างปวดบ้างตามธรรมดาใช่เหมือนกับมันเสียดท้องขึ้นมาเพราะว่าเราเหมือนกับยังไม่ไม่ดีสักเท่าไหร่ะะอ่ะค่ะก็พอรู้สึกปวดปุ๊บตอนแรกๆก็จะเริ่มไปตามอาการปวดแต่พอนึกได้ก็ปล่อยให้มันปวดแล้วก็แล้วก็ใช้ชีวิตปกติมันก็หายไปอ่ะค่ะอืมก็ทําอย่างนี้มาตลอดอยู่คะ่ะอาจารย์อย่างอื่นก็มีฟุ้งบ้างอ่ะค่ะแต่ว่าตอนขณะที่ฟุ้งเนี่ยเราก็รู้ว่าเรากําลังฟุ้งอยู่เหมือนเราดู มันเราดูคนคุยกันนะคะอาจารย์ดูว่ามันฟุ้งอยู่โอเคฟุ้งก็ฟุ้งแต่บางทีก็พอมีสติก็กลับมาค่ะอาจารย์ก็พยายามอยู่ค่ะเดี๋ยวจะหาเวลาว่างไปวิเวกอีกค่ะจะหาวันว่างค่ะวันนี้มีเท่านี้ค่ะอาจารย์เด็กสยามมีอะไรไหมมีค่ะพระอาจารย์ที่จริงเตรียมคำถามเมาไว้ประมาณ คำถามสองคำถามค่ะแต่ว่าตอนเนื่องจากอท่านที่แล้วะค่ะที่เรื่องของก๊าซินไฟค่ะพระอาจารย์มันคือเราเพ่งภาพของตัวเราเนี่ยค่ะคือเราต้องเอาตัวเองมาตั้งขึ้นมาแล้วเป็นแล้วให้มันให้ไฟมันเผาใช่ไหมคะก็คือตรงจุดที่มันเจ็บอ๋อเราคิดถึงว่าตอนตอนที่เรานั่งอยู่แล้วเราเราเจ็บตรงนี้แล้ว ก, ก็นึกถึงภาพตัวเรานั่งอยู่แล้ว เ, เจ็บตรงนั้นก็คิดตรงนั้นนั่งถูกไฟแล้วไฟเผาตรงนั้นขึ้นมา เป็นจุดเริ่มต้น แ, แล้วก็จินตนาการว่าเมื่อมันเริ่มเผามันเริ่มลุกวันมันก็ต้องลาไปเรื่อยๆ อ, อันนี้เราต้องสร้างภาพขึ้นมาในใจเราค่ะแต่ถ้าถ้าอย่างนั้นมันก็มันก็จะมันก็จะรู้เคยลองมันก็จะรู้สึกเหมือนร้อนขึ้นมาค่อยๆลาไปเลยหรือเปล่าคะไม่ก็การนั้นเราอลองทำดูนี้เราพูดไม่ได้แล้วอ๋อค่ะแต่ส่วนใหญ่ก็คือใช้หนู ถ้าถนัดวิธีไหนก็เอาเอ า, เอาวิธีเดิมได้ใช่ไหมคะก็พุโทโธที่สนใจไปไเลยไ ด, ได้คนอาจจะมีมีอุบายวิธีสู้กับลูกกระเวทนาไม่เหมือนกันก็ได้หรือในคนคนเดียวกันบางทีครั้งหนึ่งใช้ได้ครั้งหนึ่งก็อาจจะใช้ไม่ได้ก็ได้ก็ต้องเปลี่ยนสลับไปค่ะอ่อใช้วิธีเดิมได้ก็อกก็โอเคแ ต, แต่ถ้ามันเริ่มไม่ได้ก็ค่อยลองวิธีธใหม่ ค่ะพระอาจารย์ก็อา่าแล้วก็ที่ที่ผ่านมาค่ะพระอาจารย์เอา่าหนูไม่ได้ถือศีลแปดแบบเปร๊ะๆค่ะแต่ว่าใช้วิธีทําให้ทุกอย่างมันเรียบเรียบง่ายขึ้นเรื่องของพวกน้ําหอมเรื่องการแต่งตัวเรื่องการแต่งหน้าแล้วก็เอ่อได้มันเจอว่าทุกอย่างมันมันเหมือนเคลียร์ทุกอย่างให้ให้เรียบง่ายที่สุดนะคะเวลาเจอปัญหามันมองเห็นง่ายขึ้นเยอะเลยค่ะพระอาจารย์แล้วก็ เอนั่งนั่งสมาเรื่องการนั่งสมาธิค่ะพระอาจารย์เมื่อวานลองเข้าซูมภาษาอังกฤษดูแล้วก็ตอนแรกอะว่าจะถามแต่ว่าเริ่มได้ชีวิตแล้วว่าจริงๆอะ่ะหนูต้องทําอุเบกขามันยังไม่แน่นะคะแค่นั่งสม า, สมาธิเพิ่มจนกว่าจะมีอุเบกขาค่ ะ, คะก็เมื่อวานก็เลยลองคือเพิ่มนั่งจนกว่าที่มันจะเริ่มเริ่มสงบแล้วก็ต่อไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆค่ะแล้ววันนี้ทั้งวันก็ก็เ ย, ย็นได้ทั้งวันค่ะพระอาจารย์ค่ะ ทำให้มากๆทาให้บ่อยๆแล้วเราจะชํานาญเรนจะได้เข้าสมาธิทาใจให้เย็นให้สบายไปได้ทั้งวันค่ะแล้วก็คือเลือกวันนี้ไม่แน่ใจว่ามันเป็นเพราะปัญญาหรือเป็นพเพราะเบรกอะค่ะพระอาจารย์เพราะว่าอ่ามันจะมีปมอยู่อันนึงตรงที่ว่าคนหมายหมายความว่าเวลาที่คนมองมองเราเข้าใจผิดหรือคนเข้าใจผิดเราจะรู้สึกว่าเสียใจอะค่ะพระอาจารย์แต่ว่าคราวนี้ เอาวันที่จริงก็เมื่อเมื่อวันซืนเนี่ยแหละค่ะคิดว่าเอมใช้ปัญญาก่อนว่าเราเปลี่ยนเขาไม่ได้ปกติมันจะหายค่ะแต่ช่วงหลังอา่าตอนนั้นอะ่ะไม่มันมันเบรกไม่อยู่ก็เลยคิดว่าหนูก็ใช้วิธีกลับไปนั่งสมาธิค่ะสักประมาณคึงชั่วโมงใช้วิธีเบรกแทนค่ะบันที่ใช้ปัญญาไม่ได้เพราะกำลัง <c oughs> ของอุเบกขาไม่มีก็ต้องกลับเข้าไปนั่งสมาธิให้มันนิ่งเฉยก่อนถึงจะใช้ปัญญาได้ แล้วพอมันออกมาหนูก็ลองซ้อมต่อว่าเอ๊ะจะทํายังไงให้คิดแล้วมันได้ปรากฏว่ามันมีความคิดนึงผุดขึ้นมาว่าแบบก็เขาไม่รู้แต่เรารู้ไงคํานี้มันมันมันเหมือนมีน้ําหนักกับใจหนูอะค่ะพร uh huh. าะเขาไม่รู้แต่เรารู้ไงแล้ ว, แ ล, วแล้วทําไมอ่ะก็เราเราเราติ๊กหมดทุกอย่างแล้วว่าเราไม่ได้ทําอะไรผิดอย่างเงี้ยค่ะ uh huh. พ อ, อ, อมันมันปิ๊งตรงไอเดียตรงนั้นค่ะแล้วพอตอนเช้านั่งสมาธิต่อจนมันเย็น พอออกมาแล้วมันก็เลยไม่ว่าอะไรจะมากระทบมันง่ายค่ะก็ใช้วิธีใช้ปัญญาตัวนี้มันขึ้นมามันก็ง่ายทั้งง่ายไปทั้งวันค่ะใช่เขาไม่รู้ตัวเราดีถ้าบเรารู้ตัวเราเองใช่ไหมใช่ค่ะแล้วมันก็ได้ไปทั้งวันเลยค่ะ<ช>ไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะปัญญาหรือเป็นพเพราะเบรกแต่น่าจะคู่คกันนะคะอาจารย์อ่าทั้งสองอย่างทั้งสมาธิทั้งปัญญาผสมประสานกันค่ะโอเคมีอีกไหมมีคาถามอีกไหมหมดแนละ้ว อืมไม่มีค่ะก็คิดว่าก็จะต้องนั่งสมาธิเพิ่มค่ะใช า, าที่สำคัญถ้าไม่มีสมาธิปัญญาก็ไม่มีกำลังที่จะวางเฉยได้ได้ค่ะพระอาจารย์โอเ ค, คะนะเดินไปที่คุณแม่น้องลินต่อแม่น้องลินสารยานคนรมทุง พระอาจารย์คะอืาอยู่ที่ทํางานค่ะได้กินหนุ่อ๋อยู่บ้านแล้วค่ะค่ะแล้วทำไมต้องสายเพิ่งกลับมาอ๋อจริงๆเนี่ยค่ะพระอาจารย์คือก็เลยอย่างนี้ค่ะปิดปิดปากไว้เฉยๆเจ้าค่ะเพราะว่าเส้นประสาทมันขาดค่ะพระอาจารย์พอดีว่าไม่ค่ะ แต่เฉพาะตอนที่ถ่ายตอนที่ไลฟ์สดเนี่แหละค่ะอาจารย์ปิดไว้เฉยๆเพราะว่าน้ำลายน้ำลายมันออกอาจาใจจะปิดก็ได้มันเป็นสงสัยแล้วเราอยู่บ้านเนี่มันต้องต้องใส่แมสกด้วยอ๋อเแค่ปิดเพราะว่ารายการสดนะคะก็เลยปิดไว้เฉยๆค่ะอาจารย์ก็พอดีพอดีคือช่วงที่ผ่านมาใช่ไหมคะคือเรื่องเรื่องเออ่ เรื่องอ่ามดลูกใชนมีเจ้าค่ะตอนแรกที่ไปติดต่อกับหมอนาิเวทที่เกี่ยวกับจะผ่ามดลูกทีนี้หนูก็ในไหนหมอก็ไม่ผ่าแล้วหนูก็เลยไม่ไปตามนัดทีนี้ประเด็นคือเรื่องสมองก็จะมีนัดทำซีทีไงคะพระเจาไอทำเอ็มอาร์ไอเจ้าค่ะแล้วทีนี้ทุกคนในบ้านเนี่ยคือโรงพยาบาลโทรมาหาญาติญาติก็เลยมาบอกหนูกลัวว่าหนูจะไม่ไปโรงพยาบาลเนี่ยคะ่ะสุดท้ายหนูก็ไปก็ไปทํา MRI เจ้าคอาจารย์ก็ไปก็จะได้รู้ว่ามันหดตัวลงไหมอะไรเงี้ยเจ้าค่ะทั้งนั้น ท, ที่เราแบบว่าลองลดการรับประทานอาหารอย่างเงี้ยค่ะคือลองเลือกทานที่มีประโยชน์อะไรเงี้ยค่ะพรอาจารย์แล้วก็ลองทานน้อยลงหรือว่าเราไม่ค่อยอยากแล้วเนี่ยเนื้องอกมันจะโตขึ้นไหมด้วยค่ะพระอาจารย์ทีนี้พอเข้า MRI หนูก็คิดว่าหนูก็จะลองทํา อนอนสมาธิก่อนค่พระอาจารย์คือมันหลายชั่วโมงใช่ไหมคะในการทําเอ็มไอสมองแล้วทีนี้ก็ช่วงแรกก็เข้าสมาธิได้แต่ว่าพอสักพักพอออกมามันจะเข้าอีกไม่ได้ที่หนูส่งข้อความไปตอนหมอเวียค่ะที่ถามคือกระโหลกหนูข้างหลังเนี่ยคือมันมันยุบใช่ไหมคะเวลานอนนี่มันจะปวดตรงกระโหลกข้างหลังหนูก็เลยโอู เข้าสมาธิไม่ได้แล้วเพราะว่าพอเข้าสมาธิมันจะไม่รู้สึกเกี่ยวกับร่างกายค่ะพระอาจารย์พอปฏิบัติคือพอออกมาปุ๊บหนูก็เลยคิดว่าเสียงเสียงเอ็มอมันแง๊บแบเหมือนเหมือนเกมอะค่ะพระอาจารย์เหมือนยิงปืนหนูก็เลยไปจับเสียงเลยทีน่ะค่ะแล้วก็คิดว่าเรากําลังเล่นเกมมันก็เลยไม่ได้มาสนใจร่างกายค่ะพระอาจารย์ตอนนั้นนะคะ่ะก็เลยไม่ปวดก็เลย ทำจนเสร็จแล้วก็กลับบ้านเหมือนก็เหมือนกับว่าหนูเล่นเกมแล้วกันตอ <c oughs> ที่ทํากมไอก็ถือว่าสนุกค่ะอ <c oughs> าจารย์ก็ไม่ได้ทรมานอะไรก็พอเสร็จก็เดินกลับบ้านเลยก็ปกติอย่างเงี้ยค่ ะ, คะ <c oughs> พอาจารย์ <c oughs> เพราะว่าเจ้าค่ะก็เลยคิดว่าโอ้ผลหนูก็เลยคิดว่าตอนแรกคือหนูไม่ได้ทานยากาัญชาหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะถึงแม้จะเส้นประสาทพังไปแล้วก็คือ หมือนทิ้งร่างกายจากปัจจุบันนี้ก็คือสามารถยกของได้สบายค่ะพระอาจารย์เพราะว่าเราไม่ได้ถึงถึงแม้ว่าเราไม่ได้สนใจร่างกายนะคะแต่มันก็ทํางานขยันนะคะค่ะพระอาจารย์ก็ดีค่ะแต่ก็ใช้ชีวิตเป็นปกติให้ได้นางระธภาพก็เลยก็เลยแต่ก็ขอบุญร่างกายอะคะ่กะก็คือโอเคแบบเขาก็เหมือนเป็น เป็นแรงสนับสนุนนะคะพระอาจารย์ที่แบบก็ทําอะไรที่มันมีประโยชน์อย่างเงี้ยค่ะอะไรแต่มันไม่ได้ทุกอย่างค่ยพระอาจารย์แค่หาวิธีอะไรที่มันเป็นประโยชน์ประโยชน์อย่างเงี้ยค่ะที่เราสามารถทําได้อย่างเงี้ยยังต้องขอบใจมันที่มันยังสร้างให้เราใช้ทํา ง, งานทางธรรมะได้ทางปฏิบัติได้ใช่ชเจ้าข่าหนูก็เลยบอกว่าถึงแม้ร่างกายที่การหนูไม่ได้ไปทุกข์กับร่างกายอย่างเงี้ยเจ้าค่ะคือใจหนูสุขสุข กว่าที่ตอนที่ก่อนผ่าสมองอีกค่ะคือก่อนผ่าสมองเนี่ยยังทุกข์ใช่ไหมคะอาจารย์แต่พอหลังผ่ากลายเป็นสุขคือแบบมันไม่ได้ทุกกับร่างกายนะแต่ว่าใจเราแบบ ม, มันตรงได้ยังไงก็ได้ใช้เจ้าขาเราคือแบบอ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองคือแบบยาก็ไม่ต้องก็เลยเข้าใจถึงธรรมะโอสถนั่นแหลคะค่ะอาจารย์ก็พอพอตอนปกติที่หนูเล่าให้อาจารย์ฟังว่า หนูชอบฝันแล้วชอบโพลงเฟซว่าฝันอะไรหมายออกอะไรต้องอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเจ้าค่ะปัจจุบันมันไม่มีความฝันแล้วจํำมันไม่จำแม้กระทั่งความฝันนะคะอืที่ให้มาโพล์ความฝันหายไปเลยหนูก็เลยบอกว่าฟังถามพระอาจารย์ไปจนความฝันหนูหายไปแล้วเจ้าค่ะดีฝันแล้วมันแล้วมันก็ไม่คิดในพระอาจารย์ยัยมันสงบมันมันมันก็จะฝันน้อยลงไปเรื่อย ใช่ค่ะก็เลยแบบว่าไม่ค <in> bon> ิดแต่ก่อนคิดเกี่ยวกับโครงการนู้นโครงการนี้อะไรเงี้ยค่ะมันไม่คิดละไอ้ที่มันแบบไม่มีประโยชน์เนี้ยค่ะอืคิดที่แบบอะไรที่มันทําแล้วให้มันเกิดบุญกับใจตัวเองอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์อประมาณค่ะโอเคไม่เอาอะไรที่แบบไร้สาระค่ะพระอาจารย์ก็เลยอย่าทุกข์เข้ามาแบ่งเลยเจ้าค่ะพระอาจารย์หนูก็เลยบอกว่าอะใครอยากได้ตําแหน่งอะไร เอาไปเถอะหนูอยากได้หนูเอาจะเก็บแต้มบุญอย่างเดียวเจ้าค่ะทุกวันนีก็เลยมันเลไม่ได้ทุกค่ะอบุญเราไปได้ตําแหน่งเอาไปไม่ได้เจ้าค่ะพระอาจารย์ก็เลยกลับบ้านมาถึงหัวถึงหมอนก็หลับเลยแบบไม่รู้ตัวด้วยซ้ำค่ะพระอาจารย์แสดงว่าใจไม่ได้แบกไม่ได้แบกครับกับอะไรไม่ไม่เลยค่ะเพรอยู่กับปจจุบันอยู่กับความว่าง เจ้าค่ะพระอาจารย์ก็เลยบอกว่าโอ้ได้ฟังธรรมพระอาจารย์ก็เอามาแบบแยัดทิจารณาตัวเองว่าเวลาไปเจอใครใจเราโก oid ไหมโลภไหมอะไรอย่างเนี้ยค่ะพระอาจารย์ก็เลยหนูก็เลยว่าหนูชอบเล่นเกมตอนเด็กๆใช่ไหมเจ้าค่ะพอมาอยู่กับปัจจุบันก็เลยมาคิดโอ้เหมือนมาริโอเลยอะไรอย่างนี้ยค่ะเหมือนเกมที่เราเล่นเลยอะไรอย่างนี้ยค่ะชีวิตของมนุษย์ก็ไม่ต่างจากโปรแกรมเกมเจ้าคพระอาจารย์แค่นั้นเองว่า อย่าไปซีเรียสจนเกินไปใช่เจ้าค่ะก็เลยบอกว่าโอ้ยอย่าไปจริงจังเราไป่เครียดแล้วมันเราก็ตายเหมือนเดิมพอไปตายพอตายเราก็เริ่มชีวิตใหม่มันก็เหมือนเกมสตาร์ทใหม่เจ้าค่ะพระอาจารย์อาจริงจังในการทําบุญดีกว่าใช่ค่ะก็เลยบอกว่าต้องต้องต้องจริงจังเพราะบุญเป็นของจริงนะถูกค่ะ เพราะว่าหนูมองว่ามันมีแต่การให้เราไม่มีมอยากรับเลยเรามีแต่จะจ่ายอย่างเดียวคะ่ะพระอาจารย์ดีการเป็นผู้<า>ให้เป็นผู้เสนอเป็นผู้รับใช่ค่ะสาธุก็เลยบอกว่ามันเราไม่ต้องการอะไรแล้วคะ่ะเราแต่แบบให้อาถือว่าถึงแต้มแต้งตเพราะว่าหนูคิดว่าเราอยู่ทางโลกเนี่ยเราเห็นบัญชีธนาคารใช่ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์แต่ว่า พอไปทางทําเนี่ยมันเป็นมันมีบัญชีบาปกับบุญอย่างเงี้ยค่ะนุก็เอาแค่บาปบุญแม้วันธนาคารหรกะพาจารย์บัญชีบุญเนี่ยบัญชีบาปยังไม่เอานะใช่ค่ะพระอาจารย์สาธุค่ะท่าสาธุค่ะที่แคาน์เตอร์คย okay, ินด you know? okay, <th ีสวัสดีค่ะท่านอาจารย์เดวิดฝากกลับเหมือนเดิมค่ะบอลซองเต้ค่ะท่านอาจารย์ขอบคุณมากแต่ก็ขอ แสดงความยินดีกับท่านอาจารย์ด้วยค่รระพอดีเมื่อเช้าได้รับภาพที่ท่านอาจารย์ส่งพยศะค่ะกันเลยดีใจอจากหนักนะคะก็ส่งมาให้ะค่ะท่านอาจารย์แล้วก็อย่างที่สองก็คืออยากจะถามท่านอาจารย์ค่ะเมื่อค้าวก่อนนะะี่แหะหนูกับเดวิดพลาดไปคือด้วยความที่อากาศร้อนแล้วแบบเลยคั้นน้ําแตงโมอะคะ่ะแตกคั้นแล้วก็กองนะคะท่านอาจารย์พ อ, อเข้าใจว่าทุกอย่างต้องกองหมดแต่อพอดี จากนั้นสาวม า, าต่อมาก็พอดีที่คนหนึ่งอะค่ะเขาส่งอันี่มาให้อะค่ะเขาส่งส่งมาโดยที่เขาไม่ได้เขาไม่ได้นี่เขาเข้าใจว่าแบบคือเหมือนกับว่าแสดงความเคลียร์ให้กับการที่เรารับประทานอาหาระะช่วงที่ว่าอาสินแปดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ลูกถือสินไม่คมนะคะไม่ใช่สินแต่ลูกจะมีเรื่องอาการดูหนังนะคะที่เข้าเข้าเข้ามาเกี่ยวคือลูกก็ไม่อยากจะพูดชีวิตเข้ามากอะก็คือเข้ามาตรงจุดนี้ได้แล้วก็ค่อยๆไปอะ ท่าอาจารย์แล้วลูกขันน้ําแตงโมแต่น้ําแตงโมมันผิดถูกไหมคะท่านอาจารย์เพราะว่ามันมันใหญ่ฝ่าฝากฝากกํามือใช่ไหมครอาจารย์มันไม่มันไม่เขาไม่อนุญาตมันไม่ผิดหรอกเพียงแต่ว่ามันคือไอ้เรื่องไอ้เรื่องเรื่องเหล่านี้มันมันเป็นศีลของพระญาติโยมนี่เราก็ไม่ไม่แน่ใจว่าถ้าญาติโยมจะถือตามพระมันก็ผิดถ้าไม่ถือตามพระมันก็ไม่ ทิงแปะแมันไม่ได้ห้า ม, มอะไรอ๋อค่ะลูกก็แต่ลูกทุกท่านหมดเลยค่ะถ้าจะทําทตามพระก็ต้องก็อย่างต้องมันผลไม้ที่ไม่ใหญ่กว่ากำปั้นกำกำมเมของอ๋อค่ะท่านอาจารย์ค่ะแล้วก็เ อ, อลูกก็เลยอยากจะสอบถามท่านอาจารย์ครับท่านอาจารย์แล้วผ้าวัดบ้านกับผ้าวัดป่าทําไมการฉันมันถึงแตกต่างกันล่ะคะท่านอาจารย์ คือพราวัดป่าท่านถือทุดดงขาววัดไงพราวัดบ้านแม่ถือทุดดงทุดดงก็คือบินนัชั้นในบาชั้นมือเดียวเนี่ยเป็นทุดดงขวัดเป็นศินพิเศษถ้าเป็นน้ํามันก็เป็นน้ํามันพิเศษไม่ใช่เป็นน้ํามันธรรมดาเนาะน้ํามันมันมีหลายหลายเกรดใช่ไหมน้ํามันธรรมดาเบเกลลาแล้วน้ำมั น, รม regular, น, มนพรีเมียมทุดดงขววัดนี่มันเป็นเหมนน้ำมันพรีเมียมมัน มันให้พลังมากกว่ามันให้พลังจิตมากกว่าอน้ำมันธรรมดาวันบ้านนี้ก็ไม่ถือธุดงค์เขาแยากชันสองมือชั้นชาแล้วก็ฉันเพนด้วยแล้วไม่ฉันไม่ฉันได้บาตรชันได้สํำรับใส่ถ้วยชามแยกถ้วยแยกจานอะไรต่างๆอืหรือก็ยังติดความสุกปรกการกินอยู่ไงเอามาถือธุดงค์เพาะว่านี่ไม่เอาละเรื่องสำนึกสํำรับทุกอย่าง อาใส่ไปในบาสอันเดียวกันเดี๋ยวมันก็ต้องไปรวมกันในท้องไม่ได้กินเพื่อความสุขจากการกินกินเพื่ออยู่กินเพื่อระงับความหิว <c oughs> นี่ก็คือต่างกันตรงนีพ้พระป่าจะมีสองอย่างที่ต่างกับพระบ้านก็หนึง่งถือทุต nông วัตสองปฏิบัติภาวนากรรมฐานพระป่าก็จะมีเชื่อพระทุต n ô กรรมฐาน อ้าบ้านเนียนๆผ้าเรียนเรียนเปะเรียนเนียนนักธรรมแล้วกินนิมนต์บุญบางสังส่วนนี่เป็นลักษณะของผ้าบ้านมาจากบุญบางสังส่วนไหมค่ะมาจากบุญงงานบุญสังก็สังฆทานค่ะบางก็บางสกุลอย่าไปทําพิธกรรมเหล่านี้๋ยุญาตอย่าต้องไปนิมนต์ไปรับสังฆทานบ้า่นิมนต์ไปสวนงานบุญขึ้นบ้านใหม่บ้าง นิมนต์ไปบางสกุลชักผ้าให้คนตายบ้างอันนี้จะเป็นกิจกรรมของพระพระบาปพระบาปไม่เอางานเหล่านี้เอาแต่ทุนงเอาแต่ปีกวิเวกอยู่ในป่าไม่รับกิจนิมนต์เข้าใจยังคะเข้าใจค่ะแล้วก็คำถามที่สองอะคะ่ะพอดีเพื่อนนะคะเขาทำบุญใช่ไหมคะแล้วเขาก็มีความรู้สึกว่าเขาแบบเสียใจลูกคือดีวความท่ามีญาติคนนึงอะคะ่ะ เขาเห็นยายคนหนึ่งเขาแกะกล่องกระดาษแบบพับกระดาษแล้วแบบต้องการกล่องกระดาษแล้วก็กดปต้ติเขาก็เลยรีบรีบขนไปให้เพราะรีบขนไปให้แล้วเขาก็เลยเอาเข้าวสารนะคะเอาไปให้อีกแล้วยายเขาพอดมาว่าเออขนอ่าเนี่ยขนไม่หมดแล้วเดี๋ยวต้องเรียกรถเก๋งให้ลูกมารับละแล้วเสร็จแล้วพอคุยไปคุยมาพอคุยไปคุยมาเขาขก็บอกว่าแบบยายเขาก็พูดแบบ วนไปวนมาแล้วมันก็ไม่ได้ตรงมันก็ไม่ได้เหมือนกันนะคะคําตอบคือเหมือนกับว่าเขาลูกเพื่อนเขาเลยถามอ้าวแล้วลูกอ้อเดี๋ยวลูกมารับเหรออ๋อไม่ใช่อออยู่กับคนอื่นเอลูกเขาก็อยู่กับเมียเขาลูกเขาเพื่อนเขาเลยบอกอเอาที่สบายใจเ่ะเอาที่สบายใจค่ะคุณยายแล้วหนูลูกก็เลยจะถามนะคะท่านอาจารย์ว่าเอพอเขาถาพอเขาบอกลูกมางี้ลูกก็เลยบอกว่า ก็ไม่เป็นไรก็ทําบุญแล้วก็อยู่กับความสุขใจที่เราได้ทําบุญไปแค่นั้นพอเอลูกก็เยอยากจะทราบว่าที่ลูกตอบ้าไปอย่างนั้นคือลูกอยากทราบว่าบุญที่เขาทาก่อนทําด้วยความที่เขามีความสุขใจมากเลยแล้วพอเสร็จแล้วแบบพอมาเจอแบบนี้เขาก็เลยมีความรู้สึกแบบเสียความรู้สึกตรงจุดนี้บุญจะได้เหมือนกันไหมคะท่านอาจารย์แบบเท่ากันไหมคะความความเปอร์เซ็นต์ของการที่จะได้บุญนะค่ะท่านอาจารย์ก็มันอีู่ที่ใจของเขาเขาคิดอย่างไง นะครับถ้าเขาคิดทําให้ใจเขาไม่มีความสุขมันก็ไม่เป็นบุญอ๋อค่ะแต่ลูกลบอกเขาตอนเราไปทําพราเราหวังว่าเขาจะต้องเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้พอเขาไม่เป็นอย่างนั้นอย่างนี้เราก็เสียใจผิดหวังค่ะแต่ลูกก็บอกเขาค่ะว่าให้อยู่กับความสุขใจที่เราได้ได้ทําบุญไปแค่นั้นพออย่างอื่นไม่ต้ององอแล้วเขาบอกมันใช่ใช ออถ้าทาถ้าไม่ได้ความสขใจเหมือนครับเหมือนตอนตอน้นตอนที่ยังไม่รู้จักแกก็ก็ไปหาคนที่ไม่รู้จักทำใหม่ก็แล้วกันอย่าไปรู้เรื่องของคนรับมากเกินไปเลยรู้ประวัติเขามากดีเดี๋ยวก็อาจจะทำบุญไม่ออกก็ได้ <c oughs> ดครงเนี้ยค่ะลูกลูกก็เลยแบบ เดี๋ยวเดี๋ยวมาถามท่านอาจารย์ดีกว่าค่ะว่าว่าตกลงมันได้บุญเท่ากันไม่ระหว่างก่อนทํากับหลังทาเนี่ยค่ะบางทีถ้าอยากจะช่วยแล้วคนยากจนจริงๆก็ต้องไปศึกษาดูว่าเขายากจนจริงหรือเปล่า <c oughs> แล้วายากจนจริงแล้วช่วยเขาแล้วมันก็ทําให้เรามีความสุขใจมากกว่า <c oughs> ไปทํากับคนที่เขาไม่ได้เดือดร้อนจริงๆแต่เขาอาจจะมาทําตัวเหมือนกับเขาเดือดร้อนแต่เขาไม่เดือดร้อนมันก็จะค่ะเข้าใจ ก็ต้องต้องดูจากศึกษาดูว่าคนที่เราจะไปทําบุญว่าเขาเดือนนอนจริงๆหรือปเปล่าหรือเขไม่เดือนนอนอานจารย์ค่ะแล้วเดี๋ยวลูกจะไปบอกเพื่อนอย่างนี้ค่ะค่ะขอบพระคุณแต่ถ้าเราทําไปแล้วด้วยด้วยเจตนานที่บริสุทธิ์แล้วก็คิดว่ามันก็เราก็อย่าไปเสียใจแเราคิดว่าเราอาจจะไม่รอบคอบแล้วเราก็อาจจะ หวังว่าเราจะได้ช่วยเขานี่เขาไม่ไม่ต้องการความช่วยเลยเพราะเขาสบายแล้วอันนี้เราก็อาจจะทำให้รู้สึกเสียใจบ้างก็ว่าก็ไม่เป็นไรก็เป็นบทเรียนสอนใจเราไปค่ะท่านอาจารย์ค่ะ ข, ขอพระคุณท่านอาจารย์เป็นอย่างสูงค่ะท่านอาจารย์โอเคอไปที่มแมวเวลานคุณจิ๊บ ทำงานอยู่แล้ะจริ๊บได้อยู่บ้านแบบมาตรการเจ้าค่ะอาจารย์ยมทํางานที่บ้านวันนี้เจ้าค่ะเดี๋ยวเดือนหน้าก็ต้องกลับไปออฟฟิศทุกวันแล้วค่ะ <c oughs> อันนี้ปิดแทนง่ายอนนี้ปิดแทนง่ายทางานที่บ้านได้เหรอเอ่อช่วงซัมเมอร์เท่านั้นเจ้าค่ะเพราะว่าบริษัทยมเขาทําภาษีอะค่ะพระอาจารย์อพอช่วงซัมเมอร์ภาษีมันก็จะนอบมันไม่ค่อยยุ่งอะค่ะเขาก็เลยแบบอนุญาตให้พนักงานทํางานที่บ้านได้ แต่ก็ต้องสลับกันเข้าออฟฟิศนะคะพร อ, อาจารย์อาวยมก็เลยทำภาษีให้กับบริษัทและทำกับบุคคลของบริษัทที่โยมทำนี่คือเขาทำทั้งธุรกิจแล้วก็ทำทั้งบุคคลธรรมดาะค่ะบุคคลธรรมดาด้วยนะค่ะแล้วก็มีมีตรวจสอบบัญชีพวกออดดค่ะของบริษัทที่ใหญ่ๆที่แบบ อ, อย่างบริษัท u ูพเอสที่เป็นขนส่งเหมือน บ, บริษัทที่ขนส่งอะไรแบบนี้ค่ะของยูเนียนก็มีเหมือนกันค่ะเขาก็จะตรวจสอบแต่ว่าโยมก็เป็นแค่แบบทำธุรการจะใช้ทำเอกสารทำอะไรเงี้ยเจ้าค่ะในสมัยที่เราอยู่อเมริกาเราทำงานพาร์ทไทม์เราก็ยังต้องไฟลอินคอมแท็กซ์อิแล้วก็ทำเองได้ไม่ต้องให้เป็นความง่ายมั้งใช่ไหมไม่หมีใช่ค่ะคือบางคนถ้าถ้าเป็นบุคคลธรรมดาที่แบบไม่ได้มีกิจการไม่ได้มี ไม่ได้ไ<อ>ปลงทุนอะไรต่างๆใช่ค่ะไม่ได้มีเงินปันผลบางอย่างลูกค้าที่โยมเคยเห็นเขาส่วนใหญ่เขาจะแบบเป็นสามีภรรยาแต่ว่าเขาจะอายุมากหน่อยเขาก็จะมีเงินปันผลเงินเกษียณเงินเงิน<ม>ที่เอามาหักภาษีได้ใช่ค่ะบางคนยังเอาพระจ้างบางคนยังเอาอ่าเขาเรียกอะไร สลากกินแบ่งหวยใบขูดหวยลอตเตอรี่นะคะอาจารย์้วคุณยัเอาไมคเคลียแฝงด้วยที่แบเออเขาก็เอามาเคลมด้วยเนาะบอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะอครับหนุยมก็แปลกดีไม่เคยเห็นก็ก็ดีค่ะก็สนุกดีค่ะพระอาจารย์แต่หยงมีคําถามพระอาจารย์หนึ่งคำถามนะคะพระอาจารย์ถ้าเราถือศีลแปดใช่ไหมคะเราสามารถคุยกับเพื่อนสนทนาธรรมเหมือนสนทนากับพระอาจารย์แล้วเราหัวเราะ ล้วหัวล้อล้วอารมณ์ดีอันนี้ได้ไหมเจ้าคะถือเป็นการบะรล่าเริงบันเทิงหรือเปล่าเจ้าคะก็มันก็มันมันมันไม่ได้กำหนดแบบตายตัวถึงขนาดนั้นหรอกคือความจร oh. ิงสินแปดนี่เขาก็สำหรับคนที่เสียสินแปดนี่ดดยก็พรยงแต่ม่ให้พูดปลทเท่านั้นเองส่วนการพูดเพรสเชอการพูดสนุกสนานเฮฮาพวกนี้พวกอันนี้เป็นเป็นของนั่งบวชมากกว่า เข้าเรื่องสินสินละเอียดแต่สำหรับผู้คลองเรือนพละาว่านี้ก็เอาแค่ไม่พูดปดเท่านั้นนะสินแปดก็คือยังคุยกับสังคมรอบขางได้อยังพูดเพ้เจ้อได้ยังพูดคำหยาบได้อะไรกนเรานีน่ไม่ได้ห้ามในสินแปดแต่ถ้าเป็นนักบวชเนี่ก็ต้องมีวาจาที่สุภาพเนี่ยนะครับมีวาจาที่มีคุณมีประโยชน์ไม่พูดเพ้อเจ้อพูดเมื่อแท้อะไรเนี้ เ <c oughs> นี่ยมันมั น, มนคนละระระระดับกันมันไม่ได้อยู่ในสินแปดในสินแปดคือเป็นเป็นใหฮบุสาวาธาเท่านั้นในสินแปดไม่ได้เกี่ยวกับการดูละครอันนี้โยมเรืว่าเอมีการบันเทิงหรือเปไมใช่ใช่ ไ, ไหมค่ไม่เกี่ยวแล้วไม่เกี่ยวค่ะพระอาจ า, ารย์ค่ะแล้วอีกอีกคําถาม น, นะเจ้าคา่ะจากที่พระอาจารย์บอกว่าให้เราเอ่อ จินตนาการว่าเอาไฟไปเผาทุก เ, เวทนาใช่ไหมคะการที่เราคิดในสิ่งที่มันไม่ได้สมมตินะอันนี้นะคะยมเคยได้ยินคือโยมบอกเพื่อนบอกว่าให้คิดไปว่าเราเออเห็นรูปประสบความสำเร็จหรือว่าเราแบบอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนก็บอกว่ายมอย่างนี้มันก็คือการโกหกคือยมก็เลยอ้าวแล้วถ้าเราจินตนาการในสิ่งที่ดีๆเหมือนถ้าเราจินตนาการเหมือนที่พระอาจารย์ อันนี้โยมไม่รู้ปริยมปนกันมั่วหรือเปล่านะเจ้าคะถ้าเราจินตนาการว่าเอาไฟเผาทุกขเวทนาอันนี้มันก็คือไม่ไม่ผิดใช่ไหมคะมันก็ก็คือมันต้องมีมันมีพื้นฐานของความจริงอยู่ด้วยเช่นเวลาเรามีความเจ็บหมันก็เหมือนกับเราเหมือนกับร่างกายเราถูกไฟเผาเนี่ยมันก็เกิดอาการเจ็บเหมือนกันค่ะแต่ถ้าไม่มีแล้วก็นึกขึ้นมามันก็จะไม่เป็นของจริงใช่ไหมมันก็จะไม่ทำให้จิตเราเชื่อ ค่ะแเราก็เราต้องจินตนาการของจริงเช่นจินตนาการการสามสิบสองไปก็ได้ผมก่อนเลือกฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเนี่ยนึกถึงภาพอวัยวะต่างๆนี่ก็เป็นของจริงนอจินตนาการจากสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงเช่นการแก่เจ็บเกิดเจ็บตายแต่ถ้าเราไปจินตนาการในของที่เราไม่เคยมีอย่างเช่นเราจะนากว่า อันนี้มันก็เป็นการหลอกลวงก็คือเหมือนการเราโกหกตัวเองแม้เราจะคิดแต่เราไม่พูดนอกจากว่าเราจะใช้อุบายมาสอนใจก็คิดได้เช่นตอนนี้เราตกงานว่าดียังไม่ตายอย่างเงี้ยเพีแค่ตกงานแต่ยังไม่ตายหรือยังไม่เป็นมะเร็งอะไรครับแล้วเรคิดเราคิดถึงสินงแวดล้ที่มันเลวร้ายกว่านี้แล้วมันก็จะทําให้เราสบายใจเพราะเราเงินเพียงแค่ตกงานเท่นี้ อะไรไม่เป็นอะไรอย่างขั้นที่สามอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าอย่างที่พระเจ้าสานว่าถ้ากขาไม่ชอบเราก็ดีแล้วเขายังไม่ด่าเราให้อย่างเงี้ยอันนี้เป็นการอุบายสอนเคยได้ยินไหมถ้าเขาไม่ชอบเราแล้วเราไม่อยากไปเสียใจแเราควรจะดีใจว่าเขายังไม่ด่าเราถ้าด่าเราก็ดีแล้วเขายังไม่ตีเราใช่ยังเคยได้ยินนะคะเขาไม่ตีเขาตีเราก็ยังดีแล้วที่เขายังไม่แทงเราตาย กินนี้แล้วมันทาให้เราสบายใจได้หรือว่าถ้าเขาแทงเราแล้วก็ดีนะที่เรายัางมีคนมาช่วยทันหร<ช>ือร<ด>วัะนี้แล้วบางคนอยากจะฆ่าตัวตายต้องไปจ้างคนมาฆ่าใช่ค่ะต้องไปซื้อยาพิดมากินอันนี้มีคนมาทําให้ตายได้ก็ดีก็ถือว่าหมดเมยหมดจังมงินไปเอา อ, อย่างนี้ถ้าเราจงใจให้คนมาฆ่าเราอันนี้ก็ ก็คือการฆ่าตัวตายไหมคะพระอาจารย์ถ้าสาังเขาะก็ฆ่าตัวตายสายเขามาฆ่าหมายถึงว่าแบบว่าแก้งทําเป็นเดินเดินแบบบนถนนอะไรอย่างเงี้ยก็แค่คาดหวังว่าเออถ้ามีชนรถชนเราก็ไม่เป็นไรอย่างนี้ถือว่าฆ่าตัวตายไหมคะพระอาจารย์อถ้าแก้งให้รถชนมันก็ต้องมันก็มีเจตนาแล้วต้องการให้รถชน้็ <c oughs> แบบว่าเหมือนกล่องสุม่มเนี่ยสุ่มเดินเดนะินมันต้องมีเจตนาอยู่แฝงอยู่ทำไมต้องไปเดิน <c oughs> ใช่ไหมถ้าคือเจตนาคิดไปแล้วก็คือเราเจตนาให้เราตายถ้ามีเจตนาแสดงว่าเราเราอยากจะฆ่าตัวตายอ๋ออย่างนี้ก็คือบาปก็คือจะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆค่ะพระอาจารย์วันนี้มีเท่านี้ค่ะไม่กลัวนพอาจารย์นาน่แล้วจ้ไม่เข้ามาเไหมคะหนุ่ยยมยังไม่เห็นเลยรเจ้าค่ะเพราะว่าพอดีคุณพ่อกับคุณแม่ครับเขายังอยู่นะคะก็คงอาจจะแบบยุ่งกับที่บ้านอยู่นะเจ้าค่ะพระอาจารย์ อ๋อไม่เป็นไรหรอกแต่เห็นจีบทีไรก็คิดถึงเจอรินทอนเห็นเรินอนใช้ใช้ถ้ายังไงไม่เป็นไรค่ะยมขอกับธรรมสการพระอาจารย์แทนเพื่อนด้วยเลยนะเจ้าค่ะไม่ไม่ทํางไปตามแล้วนะเพียงแลไม่ได้คงไม่ตามแล้วค่ะเพราะว่าสายแล้วค่ะแต่ว่าเัาเป็นว่าสิ่งใดที่เป็นบุญเป็นอะไรยมก็ขอกับอานุโมทนาแทนเพื่อนด้วยนะเจ้าค่ะโอเคสาธุจ้ะค่ะขอให้พระอาจารย์ท่านแข็งแรงนะเจ้าค่ะ จะพาไปที่ปุนแนนกลับถึงบูดอนแล้วแนนมาใส่บาตรสองวันเนอะกลับมาจาสแกนร์ราจา์กลับบูดอนแล้วค่ะอ่าใส่บาตรสองวันค่ะขำลรถคับรถเลยว่าขึ้นรถไปรถรถเมล์รอบนี้หนูขับรถไปเองเลยค่ะเอค่ะอยู่กับพุทธเตลอดเลยค่ะไปไปคนเดียวด้วยยังไง ไปเป็กาแฟค่ะ แ, แต่ว่าหนูเป็นคนขับรถค่ ะ, ะแฟนไม่ขับเลยค่ ะ, ะหนูดูแลค่ะขับได้ค่ ะ, ะ, คะดีใจมากๆเลยค่ะได้ไปส่บาดีพันอาจารย์ดิค่ ะ, อ ะ, อ ะ, อะขอบคระคุณค่ะพรนอาจารย์ไปที่ลักเซมเบิร์กโอ้ยทำงานอยู่เลวไม่ กรับนมาสรรการเจ้าค่ะพระอาจารย์คุณปุ้ยไม่ได้ทําแล้วค่ะคุณปุ้ยบอกพระอาจารย์แล้วคุณปุ้ยออกมาถือศีลเดินตามพระอาจารย์เจ้าค่ะดีคุณปุ้ยก็มารายงานตัวเป็นนักเรียนมารายงานตัวพระอาจารย์ว่ายังปฏิบัติเหมือนเดิมแต่ทีนี้มีปัญหาคือว่าไม่รู้เป็นอะไรเมื่อสองวันก่อน นอนหลับแล้วแบบมันไม่อยากจะตื่นอ่ะมันตื่นมาตีสามคึ่งจะมานั่งสมาธิแล้วแบบเรารู้สึกแบบเหมือนกับตัวขี้เกียจมันเข้าสิ่งหรือไงก็ไม่รู้หรือว่าเราไปโดนอะไรก็ไม่รู้ผอาจาย์มันรู้สึกงงงงแงแแล้วแบบปวดสมองมันไม่โป่งอ่ะผอาจารย์มันก็มีบ้างมันเป็นอนิจจังทุกอย่างมันก็ขึ้นขึ้นลงลงบางทีก็ขี้เกียจ ใช่แต่โยมก็ปฏิบัติสวดมนต์เจริญจิตภาวนาถือศีลเจ็ดค่ะแล้วโยมก็ทำเพิ่มช่วงเข้าพรรษาโยมไปฟังในในในเพจที่เขาบอกว่าให้หยอดกระตังทำบุญกับพระพุทธเจ้าเพราะเราไม่มีพระให้หยอดวันละหนึ่งบาททีนี้เราไม่มีเหรียญบาทเราก็ยอดวันละหนึ่งยูโรเราก็บอกว่าเอาเอขอพระพุทขอถวายพระพุทธเจ้านิสงแล้วก็ถวายสังฆทาน แล้วเขาก็บอกว่าให้เก็บจนเต็มนะเดี๋ยวพอลาเต็มแล้วเราก็ไปเราไปเจอพระเราก็ไปถวายพระค่ะโยงก็ทําอย่างนี้ทุกวันนะคะอใช่โยมก็เออเวลาวันพระวันนี้วันพระจะถือสิงแปดจะหน่อยอ้าวต้องออกไปทําธุระอีกเอ่ะเดี๋ยเราโอดไม่ได้ต้องแสงนะเลยคืก็ดีดีกว่าไม่ได้รักษาเลยก็พยายามทำที่าจะทำได้ไปก่อน แต่ทุกข้อทุกวันก็ส่วนมากจะถือได้เพราะว่าไม่เราไม่ไปยุ่งอะไรกับใครแล้วตั้งแต่ปฏิบัติมาจิตมันสงบแล้วมันแบบมันมือลูกส่วนตัวพระจารย์มันไม่อยากเอ่อจะยุ่งอะไรกับใครแล้วมันก็มีความสุขเฉยๆมันไม่แบบมันไม่หมูไม่หวอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันไม่มันไม่ใจมันไม่ค่อยเป็นทุกข์มันจะมาเป็นทุกข์ก็ตอนที่คิดถึงลูกเนี่ยอืละ พยายามนี้พยายมบ่อยว่าอย่าไปคิดถึงไครใช่ค่ะโอเคนะไม่มีอะไรวันนี้หวยออกถูกเปล่านะได้ยินไหมได้ยินแล้วค่ะได้ยินแล้วค่ะวันนี้หวยออกถูกหวยเปล่านิดเดียวค่ะนิดเดียว อย่าลงมาเล่นเล่นสนุกสนุกนะอย่าไปเอาเป็นอาชีพนะเอาอาชีพโยม <ตะ S 2> นมันโยมไม่ได้เล่นเอาอาชีพโยมเล่นเพื่อว่าจะไปทําบุญกับเอพระสงฆ์องค์เจ้าเจ้าค่ะโยมไม่เคยเล่นให้รวยเลยพระอาจารย์กราบขอบพระคุณพระอาจาย์ค่ะจะมารับพลังบวกแล้วก็จะมาระยานตัวกับออพระอาจารย์แล้วโยมก็จะไปไปสวรรค์ไปนิพพานนะ สาธุขอให้พระอาจารย์ธาตุขันแข็งแรงค่ะวันเช้าโยมก็นั่งสมาธิกับพระอาจารย์ค่ะอ่าดีกบขอบคุณพระอาจารย์มากนะคะเอาบุญมาฝากพระอาจารย์ด้วยค่ะสาธุจ้าสาธุเจ้าค่ะนี้คุณเนงสาคุณเนงก็ทำออดกลับนมัสการค่ะพระอาจารย์วันนี้หนูมาร่วม ฟังธทำเฉยๆเจ้าค่ะไม่มีคําถามเจ้าค่ะขออาจารย์ทัดขันแข็งแรงเจ้าคา่ะเห็นลูกชายมาคิดว่าลูกชายยัมาถามอะไรไม่รอไม่ไหวนะรอะยอยูย่ยังไม่นอนเนาะไม่ง่วงพรุ่ ง, ง, ง, งนี้ไม่ต้องไปโรงเรียนนะต้องไปครับโอเคนะต้องพยายามตื่นแต่เช้านะโอเคสวัสดีอาบ่ายที่คุณยศสวัสดีคุณยศสวัสดีเชิญ การนมสัส ก, การเจาค่ะพระอาจารย์ก็เ อ, อพอดีวันเมื่ออาทิตย์ก่อนนะคะที่ได้บอกพระอาจารย์ว่าหาหนังสือการภาวนาะที่ถูกต้องของตามมหาบัวค่ะก็มีลูกศิษย์พระอาจารย์ซึ่งก็เป็นเพื่อนร่วมชั้นกันนั่งอยู่ตรงนี้ค่ะพิจุบพิจุบดูอยู่ค่ะพิจุบ ก, ก็เลยส่งมาให้แล้วค่ะอืมเป็นหนังสือแล้วแล้วก็ช่วงนี้อยู่ระหว่างการฝึกสติซึ่ง ก็หลุดหมดหลุดลุ้ยเลยค่ะอาทิตย์ที่แล้วพระอาจารย์เพิ่งบอกว่าเดี๋ยวก็ต้องมาชาร์จใหม่ ม, มันมันน่าจะหมดไปแล้วละค่ะพระอาจารย์อพอดีว่าไปเจอเรื่องหนักหนักหนักหนักที่สุดเท่าที่เท่าที่จําความได้ค่ะพระอาจารย์วันนี้เพิ่งดีขึ้นค่ะก็ดีก็อาจจะเป็นเพราะเรามีธรรมะอยู่บ้างมอเลยทําให้เราไม่เสียหลักเป็นเกินไปเ ป, ไเปิดฟังพระอาจารย์เยอะขึ้นมากๆากเลยค่ะ คือก่อนหน้าที่จะคือพอไปเขาไขึ้นไปบนไปชีโอนมาแล้วพอลงมาก็ดีขึ้นอาทิตย์ที่แล้วก็เพิ่งจะคุยกับพระอาจารย์จันอกว่าเดี๋ยวต้องมาชาร์จก็เลยฟังพระอาจารย์มากขึ้นแล้วก็ได้ความคิดอะไรด้วยแต่ว่าพอเจอเรื่องจริงๆอะค่ะพระอาจารย์มันก็ยังทาใจไม่ได้ใช่ค่ะพระอาจารย์หนักหนัก<อ>หนักจนโอเวคข า, ขามไม่พอ ไม่พอค่ะพระอาจารย์ก็โชคดีที่สามีที่เป็นลับปะค่ะพระอาจารย์ก็ต้องพยายามจะอธิบายแล้วก็ฟังพระอาจารย์ไปด้วยกันแล้วก็เอาคําพระอาจารย์มาขยายให้ฟังคือต้องพูดซาาา้ําๆม่ะค่ะพระอาจารย์ก็เพิ่งจะรู้สึกดีขึ้นวันนี้ค่ะค่ะพระอาจารย์แต่ก็แต่ก็ยากมากเลยค่ะพระอาจารย์คือสามีหนูบอกว่าเนี่ยเป็นจังหวะที่ดีนะคือตอนไปปฏิบัติธรรมก็เห็นของจริงว่าถ้าเกิดคนอื่นเขาปฏิบัติกันน่ะ เริ่มจากสตินะมีสเต็ปยังไงพอลงมาก็เจอวิกฤตชีวิตก็เห็นของจริงจริงๆค่ะาอาจารย์ว่าไม่ง่ายไม่ง่ายเลยค่ะต่อให้สุดตรมยปัญญาอ่านมาแค่ไหนพอถึงของจริงสติไม่นิ่งค่ะค า, าจารย์ถ้าไม่ถ้าไม่มีภาวนามันหยุดไม่ได้ค่ะะพรอาจารย์จริงๆแล้วฝึกสติสมาธิบ่อยๆมากๆปัะาอาจารย์ญญเรารู้กันหมดนะทุกอย่างไม่เทียมทุกอย่างเกิดแล้วดับ ควบคุมบังคับมันไม่ได้แต่พอหึงเวลาเจอเขาจริงๆก็หยุดไม่ได้หยุดไม่ได้พระอาจารย์แล้วมันมันออกทางร่างกายค่ะก็เลยต้องหาหมอเพราะว่าคือคือมันออกทางร่างกายไปแล้วค่ะพระอาจารย์คือหัวใจเต้นแรงมันเครียดแล้วใช่ค่ะแรงสูงมากเลยค่ะพระอาจารย์คือก็เลยแค่จะเรียนกราบเรียนพระอาจารย์อยากจะเขาว่าจริงๆตอนเนี้ย ฟังเวลาฟังพระอาจารย์เมื่อเช้าหนูเดินทางจากนะครนายกเข้ากรุงเทพก็ฟังพระอาจารย์ไปคือการฟังทำช่วยได้จริงๆค่ะพระอาจารย์มันจะช่วยให้ช่วยให้เราคิดตามค่ะอย่างน้อยที่สุด mm hmm. แต่เมื่อวานเนี่ยค่ะพระอาจารย์หนูเผลอจิตเดียวเองนะคะมันโดนโดนความฟุ้งดึงดึงจนดิงด่งดิ่งลึกไปเลยอะค่ะพระอาจารย์คะมันจิตคนเรามันน่ากลัวมากเลยค่ะพระอาจารย์ใช่ต้องอย่าประมาท ต้องพยายาม ม, มีสติให้มากๆพอรู้จักแล้วเสียหลักเ ร, เริ่มบริกรรมพุทโธไอนะไรเงี้ยอย่าไปตามมันไปอย่าไปถ้งกมันอย่าไปแข่งกมันสู้มัน ไ, ไม่ได้หรอกเดี๋ยมันหลอกเราค่ะค่ะก็ถ้ามันขึ้นมาอีกก็ให้บริกรรมรู้ตัวปุ๊บ ก, ก็บริกรรมไปเลยหยุดดีกว่าอย่าไปต่อก่อนของมัน <c oughs> จริงค่ะพระอาจารย์คือมันจะเข้ามาคือมันจะมันจะมันรู้ว่าหนูเป็นอะไรแล้วมันจะเอาสิ่งนั้นน่ะเข้ามาแย่เข้ามาแย่เข้ามาแย่แล้วแล้วพอเข้ามาแย่ปุ๊บเราก็จะคิดหวนไปว่าถ้าตอนนั้นเราทําอย่างนี้นะอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์แล้วมันก็จะเตลิดความคิดก็จะตะเลิดไปเลยอ่ะค่ะองั้นจะไม่สู้ค่ะพระอาจารย์ก็พุดโทรหนีมาก่อนโอเคเอาสรุปแค่นี้ก่อนนะค่ะพระอาจารย์ขออนุญาต เวลาเริ่มเริ่มรัดตัวเข้ามาแล้วไปที่ปัญจาจ่ปัญจาอยู่ที่ไหนกับมัการระจอยู่ออริกอนค่ะอเมริกาค่ะเมืองอะไร e u จ e น e c เวลลั l พอร์ตแลนดค่ะพอร์ตแลนมาเยอะเราเคยไปติดอยู่ที่นั่นช่วงปีไหนมาคริสมาสปีใหม่หนาวมากไปส่งเพื่อนจาก ไปอยู่ที่ยูจีแล้วเพื่อนก็กลับพรอมเดินไปสงมงเรอืมค่ะมีช่งเลยค่ะค่ะพอดีวันนี้เป็นครั้งแรกที่หนูเข้ามาซูมค่ะก็ปกติที่ช่วงประมาณสองสมปีที่ผ่านมานี้หนูเพิ่งเริ่มศึกษาธรรมะแล้วก็ช่วงต้นปีนี้เป็นครั้งแรกที่พี่เสาวนาพามาให้ได้ฟังธรรมะจากอาจารย์ค่ะที่พี่เสาเป็นหมอแล้วก็รู้จัก พระอาจารย์ผ่านช่องด็ตรวีแล้วก็ช่วงที่หนูกลับไทยต้นปีเขาก็พาหนูไปชนบุรีอะไรเงี้ยค่ะ mm hmm. แล้วก็ก็เริ่มฟังแล้วก็รู้สึกว่าพระอาจารย์สิ่งที่พระอาจารย์พูดบ่อยที่สุดก็คือเหมือนพื้นฐานอันดับแรกคือสร้างสติ ก, ก่อนสร้างสติเพื่อให้ใ ห, ใ, ห ใ, หให้อุเบกให้อุเบกขาแข็งแรงแล้วก็หลังจากนั้นพอเราสงบขึ้นเรามีความวางเฉยมันก็จะเริ่มแบบพัฒนา mm hmm. เห็นอะไรที่อ ที่มันควรจะเป็นตามหลักไตรลักษณ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะคก็อย่างถูกต้องสติสนี่สำคัญพุทธเจ้าบอกเป็นกุญแจอันแรกที่จะนำไปสู่ความสาเร็จในการปฏิบัต<ฆ>ินะค่ะอันนี้มองข้ามสติพยายามฝึกสติทั้งวันทั้งคืนเลยไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนก็ตามทำอะไรไม่ทำอะไรเราสามารถฝึกสติได้กลอดเวละ วนนี้หนูตั้งใจตอนแรกเข้ามาตั้งใจจะถามเรื่องอุปท า, านค่ะหนูเคยใส่คำถามเข้าไปในเฟ e b ุ o k ของดรวีครั้งหนึ่งแล้วพระอาจารย์ตอบว่าก็ถ้าเกิดว่าจะเหมือนเหมือนละอุปท า, านก็คือแค่ก็แบบไม่ต้องไปคิดถึงมันให้พุทโทรอะไรประมาณอย่างเงี้ยค่ะทีนี้หนูก็เลยรู้สึกว่าแล้วคือคือตอนนี้หนูก็ทำได้ในเรื่องต่างๆที่ผ่านมาที่ที่จะแบบไม่ให้เป็นทุกข์ก็คือพุโธไปหรือไม่คิดแต่ว่า เราถ้าเกิดว่าหนูอยากที่จะไปถึงจุดที่พอนึกถึงมันแล้วไม่เป็นทุกข์อย่างเงี้ยคะ่ะคือโดยเดิมต้องมาว่ามันเป็นตายรักมันเป็นของไม่เที่ยงของชั่วข่าวของเกิดแล้วก็ดับถ้าเราไปยึดไปติดมันพอมันจางเราไปมันก็จะทําให้เราเศร้าถ้าเราไม่ไปยึดไปติดเราก็จะเฉยเฉยมันจะอยู่จะไปเราก็ไม่เดือดร้อนใช่ไหมแต่เราไม่คิดว่าเขาเขาจะจางเราไป เราเมาว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องมีการพัดทา่าจากกันเป็นธรรมดาแล้วมันก็จะทําให้เราไม่มีความอยากที่จะไปยึดไปติดกับอะไรเอาไปยึดไปติดแล้วเวลาเขาจากไปเราจะเศร้งงราโศกเสียใจอเราห้ามเขาไม่ได้อนัตตาเราเวลห้ามผขไม่ได้พวบกลุ่มบังคับให้เขาอยู่กับเราไปตลอดไม่ได้เช่นร่างกายของเราเนี่ยตอนนี้เรายังมีอุปาทานยึดนั่นในร่างกายเราอยู่ เวลาร่างกายเป็นไรเราจะทุกข์มากแต่ถ้าเรารู้ว่าร่างกายมันจะต้องมีวันสิ้นสุดลงลเราห้ามันไม่ได้เราก็ต้องพยายามฝึก อ, อย่าไปพึ่งพ า, าใส่อย่าไปยึดติดกับร่างกายอย่าไปอาศัยมันทีนี้การพิจารณาตายรักก็คือช่วงแรกๆคือตอนเนี้ยมันเหมือนกับเป็นทฤษฎีเท่านั้นนะคะ คือในทางปัญญาทางที่มันจะรู้สึกด้วยใจมันยังไม่เกิดขึ้นแต่อันนี้ก็เป็นเพราะว่าหนูยังมีสติไม่พอถูกไหมคะก็คือต้องก็นั่งสมาธิไปเรื่อยสร้างสติให้แข็งแรงแล้วก็พิจารณาตรลักในลักษณะที่เป็นทฤษฎีแบบนี้ไปก่อนแล้ววันหนึ่งมันก็จะเห็นเองถูกไหมคะมันก็ถูกต้องก็ต้องคิดไปต่อแต่ความจริงความจริงมันมันมันมันเกิดขึ้นอยู่ทุกขณะนะเพงแต่เรามองไม่เป็นนั้น การเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงทั้งวันทั้งคืนเหการต่างๆรอบตัวเราคน น, คนนั้นคนนี้มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาไม่อยู่นิ่งเฉย<อ>เพื่อนเพือ่อนที่เราคบด้วยวันนี้ก็อาจจะดีกับพรุ่งนี้เขาอาจจะไม่ดีกับเรได้อันนั้นก็เป็นการเปลี่ยนแปลงแล้วเป็นเรื่องนิจจานะพอเขาเขาเปลี่ยนแปลงไปเขาก็ทําให้เราเสียใจยขึ้นมาอันนี้ก็เป็นทุกข์แล้ว ว่าเราไปยึดทุกไปยึดไปติกับเขาว่าเขาต้องไม่เปลี่ยนแปลงเขาก็ต้องเป็นเหมือนเดิมพอเก็ไม่เป็นเหมือนเดิมเขาเคยชอบเราเขาเขาอาจจะไม่มาชอบเราอย่างนี้แล้วมันก็ทําให้เราเสียใจได้นะอันนี้ก็เป็นใจรักอินอินเดลามองไม่เห็นนั่นนี่ขอบคุณค่ะอาจารย์พยายามมองทุกอย่างว่ามันมันเปลี่ยนแปลงได้เสมอแล้วเปลี่ยนแปลงเมื่อไหร่เราก็ไม่รู้อย่างหน้ามึอเป็นหลังมือก็ได้ อยาใครดีกับเราก็การเป็นไม่ดีกับเราก็ได้ mm hmm. เพราะมันมีเหตุการณ์หลายอย่างที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาทําให้คนเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตามก่าเหตุการณ์ mm hmm. อ่งั้นเราถ้าเราไปยึดจมูกติดกับเขาในรูปแบบอย่างหนึ่งพอเขาเปลี่ยนไปเป็นอีกรูปแบบหนึ่งเราก็จะเสียใจยงั้ถ้าเรารู้ว่าโลกนิ่งเขาจะต้องเปลี่ย น, เ ป, น, เ, ปนเป็นธรรมดาของของทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องมีการเปลี่ยนมีจันทร์แล้วก็ต้องมีเสือ เราก็ไม่ไปหวังอะไรจากเขาไม่ไปหวังให้เขาไม่เปลี่ยนไม่เสือ่อมเข้าใจหรือครับสาธุค่ะขอพระคุณนะคะว่ารย์สันตุค่ะี่เรา จ, จะไม่ได้มองว่ามันมองกับทุกสิ่งทุกอย่างเราอาจจะไม่มองกับบางสิ่งบางอย่างซึ่งมันยังอาจจะไม่เปลี่ยนก็ได้ยังไม่เกิดก็ได้เช่นร่างกายของเราถ้าอําลองทุกวันมันก็เหมือนเดิมเนี่ยมันไม่ค่เปลี่ยนเท่าไหร่มันเปลี่ยนทีลนิดเท่าหน่อยครับแต่มันเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา อยมันยังอาจจะไม่เปลี่ยนแบบมากยังกระทั่งทําให้เกิดอาการทําให้เราเกิดทุกข์ขึ้นมาอย่างวันนี้คืนนี้กัมันเป็นอะไรขึ้นมานั่นก็เปรดนะเนี่ยร่างกายก็เปรตนะอจากเป็นปกติกรรมมันไม่เป็นปกติแส้งเป็นโรคภัยไข้เจ็บขึ้นมานั่นอันนี้เราก็ต้องคิดไว้น้องหน้าก่อนก็ดีเผอมันเป็นขึ้นมาเราก็จะได้เตรียมตัวเตรียมใจรับมันปรับกับมมันไปปล่อยวาง อย่าไปยึดไปติดกับร่างกายว่ามันจะต้องแข็งแรงจะต้องสุขภาพดีไปตลอดต้งคพักนี้ให้มันเจ็บคไายได้ป่วยเกิดขึ้นสำหับเราส่วนเวลามันเกิดแล้วจะทจําใจได้ไม่ได้ก็อยู่ที่กําลังสติของเราเนี่ถ้าเรามีสติน้อยความอยากพิเรนอยากที่จะให้มันเป็น ให้มันหายหรือไม่ให้มันเป็นให้มันด่ามันมันจะหยุดมันไม่ได้มันก็จะทําให้เราทุกข์ถ้าเรามีสติพอหยุดความอยากอยากไม่เป็นได้อยากให้มันหายได้มันก็จะเฉยเฉยเป็นก็เป็นหายไม่หายก็ไม่หายอืมโอเคนะคะก็คือสติก็ถ้าถ้ามีสติดีก็จะหยุดได้ก่อนที่จะอยากหรือว่าถ้า มันอยากไปแล้วแล้วมันยึดไปแล้วก็ ใ, ใช้ใตายรักนะใช่ใช้ตายรักหรือใช้สติก็ได้ถ้าใช้ใตายรักไม่ได้ก็ใช้สติพุทโธพุทโธหยุดมันก่อนก็นกได้ถ้า <ฮะ S 2> มองไม่เห็นตายรักพิจารณาตายรักไว้ออกว่าใช้สติหยุดมันไปชั่วคราวก่อนคือหมายถึงหยุดคิดใช่ไหมคะคือหยุดเพื่ อ, อที่จะไม่ให้คิดยุดคิดมันก็หยุดความอยากไปโดยอัตโนมัตินี่อยู่ที่พ้อดเลยหเนี่ยใช่ค่ะอืม อยู่ในบ้านอยู่แม้โดนอยู่ที่ไหนอยู่อพาร์ตเมนต์ค่ะใช่อยู่ห้องเท้ก็เหมือนกันอยู่ที่ไหนก็เหมือนกันตอนนี้อากาศยังไม่หนาวนะยังยังช่วงร้อนมากเลยค่ะร้อนอ่ะโอเคไปเรียนหนังสือแล้วไปทํางานอ่าอยู่ที่นี่มาประมาณยี่สิบปีแล้วค่ะก็ย้ายมาตามคุณแม่ตอนตั้งแต่เด็กๆค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็ทำงานเป็น บริษัทตัวเองทํากราฟิกดีไซน์ค่ะโลโก้พาร์ทเนอรไม่ได้กลับบ้านไม่ได้กลับเมืองไทยเลยขึ้นจะได้เริ่มกลับเพราะว่าอที่ผ่านมาหนูทํางานบริษัทมาตลอดแล้วเวลาลากลับมันก็จะลาไม่ค่อยได้มากอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเหมือนแล้วกลับไปก็เหมือนด้วยความที่อยู่ที่นี่มานานแล้วเพื่อนก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่ที่ไทยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยจะที่ผ่านมาไม่ค่อยกลับแต่ว่ า, าช่วงนี้มีแต่ญาติพี่น้องใช่ค่ะมีพี่สาวแล้วก็มีคุณพ่อ<ม>ก็เลย ช่วงนี้ก็ตั้งใจว่าจะกลับอ่าปีละครั้งอะไรประมาณนี้ค่ะกลับทีนึงก็อยู่ได้นานอย่ยงคราที่แล้วกลับก็อยู่ได้ตั้งสองเดือนก็เลยได้ไปชนบุรีได้ไปตัก บ, บาบได้ไปอะไรอยเงยอยู่รกรบคุณแม่ที่พอนเล่นค่ะคุณแม่เพิ่งย้ายไปเมื่อประมาณปีที่แล้วค่ะอเแต่ว่าตอนที่ย้ายตามมาก็คือตามคุณแม่มาอยู่พอดบ้านใช่ค่ะแล้วก็กลับก็พอไม่พอทํางานพอสร้างบริษัทของตัวเองอยู่ตัวก็ออก ออกจากทำบริษัทคนอื่นแล้วมันก็เลยเริ่มมีเวลาเริ่มเริ่มสามารถไปปฏิบัติธรรมทำอะไรนีได้ไมด่ดีโชคดีถ้าสามารถเลือกเวลาทํางานได้ก็ดีใช่จะได้มีเวลาปฏิบัติได้ศึกษามากขึ้นโอเคนะขอให้เาจรย์นุ่งเนืองไปทำธรรมมากขึ้นไปเรื่อยๆนะอาจารย์ทุกท่านเขาก็คุณพระอาจารย์โอเคที่คุณรังคุณรังใช่ไหมรัน อีไหนครับอาจารยครับอาจารย์อ๋ออยู่กรุงเทพครับอมีอะไรอหมอถามเรื่องการปฏิบัติอะครับมามาก็ก็คืออย่างในวันหนึ่งก็จะนั่งสมาธิประมาณสามยกครับอาจารย์ยกหนึ่งก็ประมาณสี่สิบนาที่เงี้ยครับแต่ว่าสามยกก็คือประมาณขั้นต่ำาเงี้ยครับ เวลาเอา่ออย่างเว็บอย่างเวลาฟังพระอาจารย์ก็จะแบบว่าไอจิตตั้งมั่นมันก็จะมีกําลังมากกว่าเดิมเนี้ยครับพอาจารย์แล้วทีนี้มันก็จะเริ่มแบบว่าลอยยกลอยขึ้นเนี่ยครับอาจารย์แล้วมันมันก็จะมันก็จะเป็นเป็นอย่างนี้เรื่อยๆเนี้ยครับแล้วทีนี้เหมือนบางทีมันก็แบบเดินไปสภาวะที่มันละเอียดมากเลยอะไเงี้ยครับพอกลับมามันก็จะแบบสว่าง ว่างใสเนี้ยครับก็รู้สึกว่าเออมันมีความสุขดีอะไรเงี้ยครับก็ส่วนในระหว่างวันก็ก็เหมือนก็เหมือนก็รู้สึกตัวแบบว่าเหมือนตอนนี้มันก็เหมือนเป็นอัตโนมัติอะครับอาจารย์ก็แบบไหลแล้วก็รู้ไหลรู้อะไรเงี้ยครับแต่บางทีถ้าเล่นโทรศัพท์ก็จะมีก็บางบางทีมันก็มีหลุดบ้างเงี้ยครับ แต่ว่าไม่ค่อยไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่ครับก็จะบอกว่าพอเล่นแล้วรู้สึกว่าสมาธิมันเสียนะครับก็จะแบบใช้เท่าที่จําเป็นนะครับแล้วก็คือมันมีปัญหาว่าแบบว่าคือเพื่อนมันมันพอมันปฏิบัติมันมันสภาวะมันเหมือนละเอียดมากนะครับมันไม่อยากจะไปยุ่งกับโลกครับอาจักรแล้วทีนเพื่อนก็จะแบบเพื่อนก็จะบอกว่าบอกบอกว่าผมเหมือนแบบว่าเปลี่ยนไปอะไรอย่างเงี้ยครับคนคนรอบข้างอะไรย่างเงี้ยครับ ผมก็รู้สึกว่ามันมันไม่อยากจะไปสัมผัสโรกอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่ามันจะทําให้สมาธิผมแบบดรอปอะไรเงี้ยครับแต่ว่าแต่บางทีมันก็รู้สึกว่ามันมันบางบางวันมันก็รู้สึกว่ามันเฮ้ยมันมันเครียดอะไรเงี้ยครับก็เลยบางทีก็ไปเดินห้างบ้างแต่ว่าเหมือนผมก็รู้สึกว่าเออก็ก็ไปฝึกก็ถือว่าไปฝึกสติและกันอะไรเงี้ยครับก็แบบสัมรวมอายตนะอย่างเงี้ยครับก็แบบไม่ไม่ได้แบบว่าไป ดูนู่นดูนี่อะไรเยอะอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ก็ไปเดินให้มันหายเครียดแล้วก็กลับมาปฏิบัติใหม่เงี้ยครับก็มันเอาว่าเป็นวิธีคายเครียดที่ถูกต้องวิธีคายเครียดต้องเดินจงกรมในบ้านอย่างเงีไม่ต้องไปเดนข้างนอกอนี้างนอมันก็ออกไปหาลูกเสียงกินรถไปเสิร์ฟลูกเสียงกินรถแต่บางทีมันจะติดครับมันจะติดนั่นต้องออกไปเรื่อยๆแล้วต้องตัดไปเลยเลยอย่าไป อย่าไปเพิ่มเรียบเสียงกินแล้วถ่ายคลายความเครียดอ๋อแล้วแล้วอย่างนี้แบบผมปฏิบัติเยอะอย่างเงี้ยครับอาจารย์มันมันผมไม่อยากจะไปเจอเพื่อนไม่อยากจะไป เ, ออเจอใครอ่ะมันก็ถูกว่าไงเพราะเราแต่ว่าเขามองว่าผมแบบเหมือนช่างเขาแบบก็จะมอ ง, องยังไงเรื่องของเขาเร า, เรามีความสุขแบบนี้เขาจะมีความสุขแบบนั้นก็เป็นคนละทางกันไป เมื่อก่อนเราเคยมีความสุขแบบนั้นแต่เราเห็นว่ามันสู้แบบนี้ไม่ได้เราก็เลยเปลี่ยนเอาความสุขแบบนี้แทน ค, ความสุขแบบนี้ก็ ต, ต้องอยู่คนเดียวไม่ยุ่งเกี่ยวใครแต่มันมันก็อยากให้แบบคนอื่นได้ได้เจอบ้างนะครับอาจารย์แต่เขามองว่าผมแบบเพื่อเจอไงอ่าก็เป็นกิเลสของเราเราไม่รู้จักไม่อยา ก, ไ ม, ยากไม่อยากกับคนที่ก็ไม่อยาก อ, อ๋อแล้วเอะจะถามอาจารย์ต่อครับก็คือว่า คือเวลาสมมติวันไหนที่กําลังสติมันเยอะๆหรือว่าสมาธิมันเยอะๆเนี่ยครับพอไปนอนปุ๊บแบบมันจะไม่ค่อยหลับอะครับอาจารย์แต่ว่ามันมันรู้อยู่นะครับไม่หลับก็ไม่ต้องหลับันลุกขึ้นมานั่งต่อก็ได้แต่ว่ามันมันจะชอบพอมันมันรู้ไปสักพักมันจะเริ่มแบบมันจะเริ่มแบบสว่างขึ้นมาไงแล้วมันจะเริ่มแบบไปเห็นอะไรแบบปิศาจานผมทุกคนคือพื้นฐานผมกลัวผีอะครับอาจารย์มันเคยไปเห็นอะไรเนี้ยอันเนี้ยต้องทายังไงครับ ก็ใช้พุโทโธหยุดมันเนี่ยถ้ามันจะเริ่มออกไปรู้เห็นอะไรต่างๆใช้พุโทโธหนึงมันกลับมาให้อยู่ที่ใช้ก็คือเหมือนแบบแต่เคยเคยลองพุโทโธแล้วเหมือนแบบมันก็จะจิตมันก็จะรวมเข้ามาเงครับใช่ถ้าเราไม่พุโทโธไม่มีสติเนี่ยปล่อยให้มันมันก็จะมันก็จะปรุงแต่งขึ้นมาปรุงแต่งเรื่องราวต่าง ๆ, ๆขึ้นมาอ๋อครับเราอยาต้องหยุดมันใช้พุทโธใช้สติหยุดมัน ดูลองหายใจก็ได้พูดโถก็ได้ อ, อย่าไปสนใจกับเรื่องที่มันกําลังผลิตขึ้นมาให้เราให้เรารับรู้เดี๋ยวมันก็หายไปคือคือผมเหมือนแบบว่าพอพอมันเริ่มสว่างปุ๊ผมก็จะเริ่มแบบว่ากลัวครับก็จะเริ่มแบบลุกขึ้นมานั่งแล้วก็แบบให้มันหายหายแบบหายหายเบอร์เบลอรครับอาจารย์ในช่วงมันจะเกิดช่วช่วงที่เราแบบว่า เกิดเพิ่มขึครับเกิดเพิ่มเคลิ้มอย่างนี้ยมันจะเกิดช่วนั้นสติเลยไม่ค่อยไม่ค่อยดีอ๋อโอก็คือเรืมองนรื่องสติกลับมาหนึ่งสติกลับมาให้รู้เฉยเฉยให้อยู่กับพทโไม่อยู่กับลมเรื่องแตเห็นอะไรก็เฉยเฉยไปสักแต่ว่ารู้ไปไม่ต้องไปกลัวไม่ต้องไปรักช้ำกลัวลงมันอ๋อครับแล้วเราอยากอยากเพิ่ม อยากจะรู้ว่าคือถ้าผมแบบปฏิบัติไปอย่างนี้เรื่อยๆครับอาจารย์แบบว่ามันยังไม่รู้สึกว่าแบบมันทุกข์ขนาดที่แบบเฮ้ยจะต้องไปบวชอะไรเ ง, งี้ยมันเดมผิดหรือเปล่าครับหรือคือแบบรู้สึกว่าเออก็ปฏิบัติมันก็สมาธิมันก็สบายดีสโงบสบา ย, บายมีความสุขดีอะไรเ ง, งี้ยครับมันจะต้องแบบไปบวชไหมหรือว่าอะไรเงี้ยครับเรายังไม่เห็นความสําคัญเราจะเป็นต้องไปบวชก็ไม่ต้องบวชอยู่ที่ตัวเราอแต่ถ้าเราคิดว่าเราอยากจะ ก้าวหน้ามากไปกว่านี้ถ้าเราไปขั้นปัญญานี้เราอาจจะอาจจะหรือว่าเราอยากจะปฏิบัติมากกว่านี้แต่ว่าที่เราจะให้เวลาในการปฏิบัติเพิ่มมากขึ้นถ้าเราทําอย่างนี้เราก็มีเวลาปฏิบัติจํากัดใช่ไหมวันนึไม่กี่ไม่ไม่กี่ชั่วโมงเพราะเราอย่างงาน ต, ต้องไปทําหากินแล้วทำอะไรอยู่อ๋อไม่ไม่ครับพอดีแบบว่าคือก่อน ก่อนหน้านี้ครับอาจารย์เหมือนผมบวชมาสองพันศาครับแต่ตอนนั้นก็รู้สึกว่าตอนแรกกะจะบวชแค่สามเดือนครับนี่ก็บวชไปแล้วเหมือนแบบว่ามันได้เจอแบบสภาวะธรรมอะไรเงี้ยครับมันก็เลยรู้สึกว่าเออแบบบวชต่อดีกว่าก็เลยบวชมาสองพันศาครับอืตอนนั้นเราก็เหมือนแบบพอเหมือนมันรูมันคิดอะไรก็ไม่รู้ครับอาจารย์มันก็เลยเฮ้ยเราออกมาแล้วเราเป เราลองไปนั่งปฏิบัติในสตาร์บัคดูไหมอะไรเงี้ยมันอาจจะแบบปฏิบัติได้ก็ได้ไม่ไม่เข่งแบบเท่าพระอะไรเงี้ยครับอาจารย์ก็เลยแบบลองออกมาดูแต่พอออกมามันไม่เป็นอย่างที่คิดเลยเนี่ยผมก็เลยรู้สึกว่าลกที่เลียเราเรียนมันมันอยากจะ อ, ออกมาก็เราครับเราเยอะเรต้องตัดเราต้องตั ด, ตตดมันต้องไปนั่งสมาธิในป่าชา้าใจทดลองไม่ใช่ไปนั่ง ส, ส, สมาธิในสตาร์บัค <laughs> ก็ไม่รู้ตอนนั้นมันคิดอะไรอะครับอาจารย์ก็คิดตามที่เลยคิดตามความหลงนะไม่ฉล า, าดมันไม่รู้ทันว่าเมื่อกี่เลยกำลังดึงเราไปหารูปเสียงกินรอดอยู่จริงตอนตอนนั้นเหมือนมาว่ามันก็เลยแบบว่าคืองานผมก็เลยเหมือนผมกะว่าผมจะบวชยาวเงครับงานผมก็เลยตัดเลยไม่ก็คือแบบไม่ได้ทําเลยก็แบบบอกที่ที่ทํางานว่าคือกม่คือ คือไม่ทาแล้วอะไรเงี้ยครับแล้วก็แบบเพื่อนก็คือตัดเลยอะไรเงี้ยครับพอออกมาเหมือนมันก็แบบคือทุกอย่างมันเปลี่ยนไปหมดอะครับอาจารย์ก็เลยบอกว่าก็ไม่เป็นไรก็ปฏิบัติอยู่บ้านก็ได้อะไรเงี้ยครับก็เลยรู้สึกว่าอืมก็ฟังก็มีฟังพระอาจารย์บ้างแต่ว่าก็คือไม่ค่อยทันสดเท่าไหร่ครับวันนี้เหมือนแบบว่าเจอเดงขึ้นมาก็เลยเข้าเข้ามาจะมาถามพระอาจารย์อะไรเงี้ยครับแต่ไม่เคยเจอพระอาจารย์นะครับอยากเจอแต่ว่าเดี๋ยวว่าวันหลังจะจะขับขับไปไปไปกราบพระอาจารย์ ก็เจอแล้วเนี่ยตอนนี้ก็เจอแล้วมันเหมือนว่าไหนเสียเวลาครับมาตอนเจอตัวอาจจะไม่มีไม่มีโอกาสเวลาเท่ากับมาเจอเราในโซมเพราะเวลาค่อนข้างจะจำกันอืาครับครับนีเจอในสูมเนี่ยจะได้เจอได้นานที่สุดได้คุยได้นานที่สุดแล้วก็พระอาจารย์มีอะไรแนะนําเพิ่มเติมไหมครับเรื่องการปฏิบัติะครับ ก็ต้องปฏิบัติให้ได้ทั้งมันทั้งคืนถ้าเราอยากจะก้าวหน้าไปจากนี้อันนี้ยังไม่เจอทึกว่าเรายังปฏิบัติแบบสบายสบายอยู่เราก็ต้องเพิ่มการบริบัติให้มากขึ้นพอเราต้องปฏิบัติมากขึ้นกิเลสมันก็จะต่อต้านมากขึ้นพอเรากเกิดความเครียดแล้วมันก็หลอกให้เราไปคลายความเครียดด้วยการไปนั่งท่สตาบ้างหรือไปหนั่ที่อ่าครับไม่สนใจอะไร่อนี้ถูกหรอกือ ครับคือผมผมรู้สึกว่าพอมันมันภาวนาดีขึ้นเนี่ยครับมันจะเริ่มมีเรื่องดึงเยอะขึ้นเนี่ยครับอาจารย์มันมีกำลังเยอะขึ้นที่จะดึงอะไรเงี้ยครับเราเราจะทํายังไงกับแบบสมมุติผมเจอแบบมันอย่างไอ้ที่มันต้องจะดึงผมผมต้องทําไงอ่ะครับอาจารย์ไม่ต้องอย่าไปมันเลยบอกว่าไปแล้วมันทุกข์มันไปแล้วมันไม่ได้ประโยชน์เท่ากับการอยู่อยู่เราจะชนะความอยากไปได้ เถ้าเราตามความอยากมันก็จะดึงเราไปเรื่อยๆไปครั้งนี้แล้เดี๋ยวครั้งหน้าก็จะดึงออกไปใหม่ว่าจะดึงมาออกไปเรื่อ<ล>ยๆเราต้องเห็นโทษของความอยากของเรานะปฏิบัติเพื่อสู้ความอยากไม่ใช่ทําตามความอยากครับกลับเรามาสากการบรรจารครับโอเคเวลาเหลือเกือบจะสองนาทีนะอาจจะต้องไปคนละหนึ่งนาทีสองนาทีนะ อ่าคุณเองต่อขออภัยด้วยเพราะบางทีคุยยาวไปหน่อยมันดึกแล้วเดี๋ยวจัดมาสการ์ค่ะพระอาจารย์ได้ยินไหมคะได้ยินจ้าค่ะไม่เป็นไรค่ะพระอาจารย์ได้ได้ฟังจากทุกๆกคนก็ได้อะไรหลายอย่างอยค่ะพระอาจารย์ไม่เป็นไรค่ะก็ดึกแล้วค่ะพระอาจารย์ค่ะก็จะฝึกต่อไปค่ะพระอาจารย์ได้จับอาจารย์สายทิพย์เชิญ สั้นๆหนึ่งนาทีระยะเวลาคนละหนึนาทีรายงานนิดหน่อยค่ะไปสถานธรรมแม่ชีสุวนแก้วสถิตที่น่าจะตำบลบ้านดุงอุดรมาค่ะโอเคไปอยู่ไปปฏิบัติมาแล้วกี่วันไปแค่คืนเดียวค่ะพระาอาจารย์เพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้มีงานไปไปไ ป, ไปดูว่าแม่ชีเขาอยู่กันยังไงคะ่ะอยากรู้ดีแสดงว่าก้าวหน้าแล้วนี่สนใจ อาเบร์จะได้ไปเป็นแม่ชีสาธุค่ะหาจังหวะตอนนี้คุณหล้าก็ไปเป็นแม่ชีอยู่แล้วเก็บตัวเงียบเดี๋ยวตามหล้าไปค่ะไปดูว่าเขาอยู่กันยังไงเราจะทำยังไงบ้างต้องสํารวจก่อนสํารวจที่ไหนเขาเป็นยังไงบ้างถูกสบายกับเราหรือเปล่าเพราะบางบางสานักอาจจะไม่ปฏิบัติเข้มข้นเหมือนกับเราปฏิบัติเองก็ได้นะนั่นก็ต้องคอยสังเกตดู ค่ะก็เลยขอไปเก็บข้อมูลหลายๆที่ดูก่อนอค่ะพระอาจารย์แต่ตรงนี้สงบดีค่ะเ ค, คะลูกติดหลงตาปัวค่ะ ค, ค่ะสาธุค่ะไปทีุ่นตายเจริญบตายพอเวลาหนึ่งนาทีนอ่อยเจ้าค่ะพระอาจารย์น้องกลับมามรสการค่ะวันนี้ไม่มีอะไรเ จ, จ้าค่ะพระอาจารย์โอเคดูสินสารลาษาราษานะ ใช่ค่ะได้สิบเจ็ดวันแล้วค่ะโอเคดีมากไม่มีปัญหาอะไรนะอืมไม่มีค่ะแต่ก็ก็เริ่มเพียรแล้วค่ะพระอาจารย์เคยฝันว่าหิวข้าวแล้วไปกินข้าวเย็นหรือเปล่าอ๋อไม่ไม่ค่ะไม่หลุดได้สักวันเลยค่ะอาจารย์ไม่ไมยถึงในฝันบมีไหมมีฝันไอ๋อไม่ไม่มีฝันค่ะไม่ฝันยังค่ะยังใช่ะอาจารย์ขอบพระคุณอาจารยสบายดีคุณอัปโป้ตาอัปโป้ ยินไหมคุณอาโป๊ยินไหมคุณอาโปคุณคุณ <รา S 2> อโปโอเคฮะพูดได้เลยฮะวาตั้งชื่ออะไรไป็นยังไม่รู้เลยอะไรนะด้วยจริงๆริงด้วย จ, จะมีอะไรไหมหนึ่งนาทีเช น, พ, ดดนพูดได้เลยพูดได้เลย ้พูดไดเลยกับพระอาจารย์ครับพระอาจารย์ได้ยินไหมครับผมได้ยินได้ยินครับผมเมื่อวันที่เก้าผมได้ไปฟังธรรมที่วัดกรับผมกับหลวงพ่อกับพระอาจารย์แล้วก็ได้ลุกขึ้นไปสอบถามผมอยากจะสอบถามในเรื่องของที่ว่าเวลาผมนั่งสมาธินะครับก็คือว่าจิตคือยังไม่ลงรวมนะครับแต่ว่าในกรณีที่เราออกที่เราออกมาจากสมาธิแล้วเนี่ยนะครับเรา อ่าใช้อ่าวิปัสสนาภาวนาก็คืออา่าใช้ปัญญาคิดในเรื่องของสิ่งที่มันมากระทบอย่างเช่นรูปอย่างเช่นเสียงก็พิจารณาว่ารูปก็คือสัตวว่าเห็นเสียงก็สัตวว่ได้ยินนะครับแต่ถามว่าเมื่อเราใช้ปัญญาอันเนี้ยสอนจิตสอนใจแล้วเนี่ยทําไมเมื่อสอนไปบ่อยเข้าบ่อยเข้าเนี่ยก็คือจิตเนี่ยคือเขาเหมือนกับไม่เชื่อฟังนะครับหรือว่ามันจะต้องเป็น จิตทางด้านของอาโลกุทรธรรมนะครับผมเพราะสมาธิเราเคือเบคขาเราไม่ไม่มีกําลังมันหมดเนี่ยพะมันหมดกิเลมันก็ไม่เชื่อฟังมันต่อต้านครับแล้วเมื่อกลับเข้าไปในสมาธิใหม่แล้วเมืม่อเรารเมืเ่อเราปฏิจจบัติไปเรื่อยๆ เ, เ, เนี่ย่พิจารณาไปบ่อยๆแต่กิเลสเนี่ยมันก็พยายามที่จะผลักดันออกมาครับ มันต้อาใช้สติดันมันกลับเข้าไปในสมาธิเนี้่ยจนกว่าเราจะสามารถอใช้สมาธิแล้วก็ใช้ปัญญาควบคู่กันหยุดมันได้อย่างถาวรแต่ปัญญ า, แ ต, ญญาแต่ปัญญาที่ใช้ก็คือมีสองไอ้รักไอ้ตักทุกอย่างไม่เทีย่ยมทุก อ, อย่างเป็นทุกข์ถ้าเราไปยุ่งกับมันแล้วอย่าไปยุ่งกับมันให้รู้เฉยๆไป อย่าไปนักงไปชังอย่าไปกลัวไปหลงกับอะไรครับแต่ว่าที่เราใช้คือปัญญาทางด้านของกุ่ตทางด้านของกุธรธรรมใช่ไหมครับมันมีทั้งโลกียะทั้งโลกุตระมันโลกุตระแนั่นเป็นต้องขั้นสังโยชน์สังโยชน์สิบเนี่ยถึงจะเป็นโลกุตระ ถ้าไาความโลภความโกรธความหลงทั่วไปเนี่ยเชยังยังโลภในาราบลดเสริมสริญสุขอยู่เนี่ยก็เป็นโลภิยะครับผมแต่<ช>ถ้าปัญญาทางทางแตโเราปจระรธรรมถ้าจะเกิดได้เนี่ยก็คือว่าอ่าจะต้องได้อัปปนาสมาธิก่อนใช่ไหมครับผมใช่ต้องมีอัปปนาต้องมีอุเบกข า, ปปาที่เข้มข้นที่สามารถสอนใจให้ปล่อยวางได้เพราะถึงต้องปล่อยวางก็คือร่างกาย กเวทนาครับผมโอเคนะวันนี้เวลามันคหมดแล้วห้านี่ก่อนนะขอไปด้วยครับผมับขอบคุณครับไปที่คุณจอยต่อจอยกับพะได้ยินเหรอไหมคะัายขาดหายหายไม่เป็นไรร่ะยังไงสบายดีวันนี้ไม่ได้มาสายสวัยดีค่ะมาชี้ม่ใส่บาสด้วย สามคนไปไปค่ะจำได้จำได้ไปค่ะจำได้จำได้ไปไปไปใส่อยู่ค่ะโอเคก็แค่นี้ก็ได้ค่ะเดี๋ยวได้คนอื่นต่อไปโอเคนะทำต่อนะค่ะครับ่ะพิสเศษจากสกลนครพิเศษครับกล่าวน้อมสักการพระอาจารย์ครับข้อมลร่วมฟังธรรมพระปราชญ์ได้เข้ามาโอเคสาธุ คุณมาลีกนสุดท้ายมาลีกล่าวสงพ่อค่ะหนูกนไไน็ได้ยินในชะ่ได้ยินไนแคะหนูก็อันนี้ก็ไม่มีอะไรแค่รายงานว่าหนูก็ไปอยู่วันมาก็ก้าวหน้าดีหนักแน่นมั่นคง ม, มั่นใจแล้วก็มีกําลังใจที่จะเดินตรงนี้ได้เนถูกต้องหนักแน่นขึ้นค่ ะ, ะดีมากดีมาก เราอนาคต่ต่อไปเราคงจะได้เป็นแม่ชีแน่ๆสาธุค่ะแต่พี่ค่ะหรืงพ่อยิ่งยิ่งกลับมายิ่งมีแต่ความก้าวหน้าแล้วก็มั่นใจแล้วก็ตื่นตัวที่มีแรงที่จะที่จะเดินไปอ่ะมีกำลังใจมีที่บาสซีขันธจ้ียะจิตท้ามีมังสา ถ้ามวีวิถ้ามีอธิบาตสิความสำเร็จก็รออยู่ข้างหน้านี่เองสาธุคันโอเคนะคท่านี้ก่อนนะสาธุาขอบพระคุณค่ะไปได่คุณจุ้มเมนิีคำถามเชิญมีสามข้อคะ่ะพระอาจารย์คะข้อที่หนึ่งจากคุณเฟืองนะคะกลับนมัสการพระอาจารย์เจ้าคะ่ะอยากถามคำถามว่าลูกสาวดื้อเอาแต่ใจไม่เชื่อฟังดื้อรัน้น ทุกสิ่งทุกอย่างไม่เคยช่วยงานบ้านเลยทั้งที่อายุสิบห้าปีแล้วเจ้าค่ะลูกควรทําอย่างไรเจ้าคะก็คุยเข้าดูสิเวลาที่เราแฮปปี้เราแฮปปี้เราอยากคุยกันตอนที่เราไม่สบายใจช่วงนี้เราต้องมีการสนทนาคุยกันแล้วก็ปรับความเข้าใจกันว่าเขาควรจะทําอะไรบ้างอะไรทนองนี้ก็คุยเขาดีๆแต่ถ้าเขาไม่เชื่อก็ถือว่าจบ ก็เป็นกรรมของเขาไปแล้วเป็นกรรมของเราไปที่น้นในลูกดื้อสอนก็ไม่ฟังก็เอาจะต้องก็ต้องไหวให้มันเป็นไปตามบุญตามกรรมของเขาไปคำามต่อไปค่ะจากคุณเจดค่ะหากเราไม่ได้สวดมนต์ในห้องพระเราสวดในห้องนอนได้ไหมคะเทวดาจะยังมาสวดมนต์กับเราด้วยไหมคะอ๋อไม่หรอกเทวดาก็ไม่มาอยู่กับเราเหรอก ใน่วลาที่สวดนะฮะห้องพระมันมันจะทําให้เราออาจจะสวนได้ได้ยาวกว่าไปสวดที่ในห้องนอนนู่นแต่ห้องนอนมันใกล้หมอนเดี๋ยวมันพอเริ่มมหามันก็เลิกสวดแล้วก็นอนเลยอันนี้ก็แล้วแต่ไม่ไม่มีไม่มีข้อจํากัดว่าจะต้องสวดที่ไหนเพราะการปฏิบัติธรรมมันต้องมันต้องปฏิบัติทุกแห่งทุกคนทุกเวลาอย่างแต่ถ้าแต่ถ้าว่าการสวดบนในห้องพระมันทําให้เรา ได้ผลดีกว่าสวนในห้องนอนแล้วก็ไปส่วนในห้องพระแต่ถ้าเราไม่มีห้องพระมีห้องนอนเราก็นั่งกับพื้นสวดก็ได้อย่างมันนั่งส่วนบนเตียงถ้านั่งส่วนบนเตียงใกล้หมอนเดี๋ยมันก็ล้มนอนอาจจะสวดไม่จบไปได้คำถามสุดค้ายจะคุณวาสนานะคะมีสองข้อคะ่ะน้องกราบเรียนถามสองข้อครับข้อที่หนึ่ง จุดหมายที่สุดของการปฏิบัติคือความสงบเย็นใจไม่ร้อนใจกระผมเข้าใจแบบนี้ถูกทางไหมครับใชการดับทุกอย่างสิ้นเชิงไม่มีความทุกข์ลงเหลืออยู่ในใจเลยข้อที่สองการปฏิบัติให้ก้าวหน้าอย่างยิ่งยวดคือความไม่มีทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีทรัพย์ทางโลกศีลยิ่งรักษาให้สะอาดละเอียดมากสมาธิก็จะเข้าสู่ความสงบได้ง่ายกระผมพอจะเข้าใจถูกทางไหมครับขอพระอาจารย์ปบด โปรดชี้ทางสว่างด้วยครับ น, น้อมกราบพระอาจารย์ครับค่ ะ, ะถูกต้องนะมันต้องไม่มีทรัพย์สมบัติเช่าของเงินทองนอกจากนอกจากปัจจัยสี่ที่เราจําเป็นต้องทัดไทยอาศัยอยูอ่แล้วก็ให้เรามีศีลที่บริสุทธิ์แล้วก็มีเวลาให้กับการปฏิบัติอย่างเต็มที่ถ้าไปบวชได้ก็ไปบวชเลยโอเคค่ะเดื okay, นะนนี้สำหรับเดืนนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลา ต้ขออภัยท่านที่มาเข้ามาในภายหลังที่ไม่สามารถให้เวลาได้มากไปกว่านี้เอราะบาทีเราก็ลืมบริหารจัดการเวลาป่อให้คนที่เข้ามาก่อนพูดได้ตามสบายก็ก็เป็นอย่างนี้นะเป็นธรรมดาก็ขอให้ท่านต้งนำวสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่ความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเถอด